Good วัเด็กนี่สัเดย์จานพทุกท่านหดือบภาษาเดือภาษาอังกฤษคไลค์ไลค์แชทุกช่องนะครับอาจารย์แฟนรูปมาร้อยหนึ่งนะ ค, ะครับผมเชิญคุณสารกา F.C. เอซีคนแรกอจ <laughs> ยังนึกคำนั่นที้ออกไปปฏิบัติตามค่ะว่าอาจารย์แล้วก็ไอ้ที่เกี่ยวกับที่เรานั่งนั่งเรื่อยๆป่ะคะอาจารย์พอโดนพอโดนแบบเหมือนเจอรถนะคะบีบแต่ค่ะคือเรากำลงังกําลังเดินอยู่อะค่ะแล้วรถบีบแต่มาเราเราไม่สะดุ้งอะค่ะอาจารย์เรื่องของเขาเขาจะบีบก็ปล่อยเขาตีปปปปไปเราไม่ต้องไปย่อะ ลูกก็ปล่อยให้ก็ปีนไปว่าลูกพอจะก้มห้าลูกก็ไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เขาจะบิดแต่แต่แต่ลูกไม่ไม่ได้รู้สึกเอ้แบบเหมือนตกใจหรืออะไรตื่นเต้นเสียงเหมือนแบบสมัยก่อนๆเลยนะอาจารย์ก็มีสติดีขึ้นสติมันทำให้ใจเรานิ่ทำใใจเราไม่เป็นมีปฏิกิริยากับเสียงลูกเสียงเกล็นอ๋อค่ะอาจารย์แล้วที่ อาจารย์บอกว่าไอ้ที่เหมือนฝึกสันโดดอะไรอ่ะค่ะลูกก็เลยว่าเหมือนว่าไอ้ที่ปกติอะค่ะวันพระเนี่ยจะต้องไปทาบุญที่วัดลูกก็เลยว่าปีกปีกออกมาว่าลูกไม่ได้ไปอยู่บ้านเอาแล้วก็ใช้กดเงินเอาจ ะ, ะดีกว่าไหมค่ะดีกว่าถ้าเราปฏิบัติทำแล้วเราไม่อยากจะไปยุ่งกับคนนะ เพราะว่าเห็นพระอาจารย์บอกว่าพยายามปีกแล้วก็ไม่ให้คุ้มคีถูกต้องถ้าเรื่องการภาวนานะถ้าแบบพวกคนที่เพิ่งเริ่มต้นยังทาเองไม่เป็นอยู่คนเดียวแล้วงงหรือจะทำอะไรก็อาจจะต้องไปร่วมกับเขาก่อนอ๋อค่ะเพราะว่าปกติลูกก็นาถ้าถ้าคุยมากแล้วมันเหมือนมันก็จะไปรับรู้นูนนน่นนี่นู่นนี่รูกก็เลยว่าลูกไม่ไหว วัดมันไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องมีโบสถ์มีเจดียว์วันอยู่ที่วันที่สงบสําหรับคนภาวนานะ<อ>ที่ไหนสงบที่ไหนก็เป็นวัดนะอ๋อค่ะงันง้นงั้นลูกก็ทําประมาณเนี้ยค่ะ<อ>เพราะว่าฟังจากในพวกซูมพวกอะไรของพระอาจารย์ด้วยแล้วก็ฟังจากที่พระอาจารย์ในในที่พระอาจารย์เทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอามาปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะอ่านไปศึกษาไปแล้วจะเข้าใจวิธีการปฏิบัติ ตอนนี้ก็ซับเทคนิคเริ่มรู้มากขึ้นค่ะแฟนบอกซับเทคนิคเกิดเริ่มรู้ซับเทคนิคเกี่ยวกับภาษาบาลีค่ะแต่ไม่ชอบแซลแเ้วรู้บ้างก็ดีรู้บ้างก็ดีไม่ต้องรู้เยอะหรอกรู้พอใช้ไปก็คือรู้แค่ว่าแก่นของที่ปอาจารย์สอนนะคะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องแก่นเลยอะค่ะอานิจจังลูกต่างอานัตตาแล้วก็เกี่ยวกับอริยสัจ แล้วก็มาเรื่องแค่ว่ามัดแปดที่พระอาจารย์บอกก็คือทานสิ่งภาวนาตรงนี้ก็คือมันก็คือมัดแปดอยู่แล้วใช่พอแล้วค่ะแค่นี้ปฏิบัติแค่นี้ก็ถึงนี่ผ่านได้่ะอค่ะจะพยายามไม่ให้เสียโค้ชค่ะพระอาจารย์เอาเรียนทำมโชหน่อยนะเอาเรีมโชวหน่อยนะค่ะกับพระอาจารย์งั้นแค่นี้ค่ะโอเคขอบุณพรค่ะ ติดตามไปนะฟังไปเรื่อยๆค่ะค่ะเริ่มเริ่มเข้าใจได้มากขึ้นครับอาจารย์เดอแล้วพระอาจารย์เทศง่ายค่ะคือแต่ก่อนเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจแต่พระอาจารย์เทศที่แบบง่ายมากคือของขามันง่ายไปทําให้มันยากทําไมล่ะชสติแคเดียวเนี่ยมันยากทําไหนว่าตอนแรกลูกก็งงไงเพราะว่า ตอนที่พระอาจารย์บอกว่าแป๊บเดียวเอ๊ะเราก็รู้สึกเอ๊ะเราทําไมนั่งได้แบบเหมือนพระอาจารย์บอกว่าคนจะนั่งได้อุเบกขาเหมือนมันต้องใช้เวลาลูกกันเอ๊ะทำไมเราไอ้นี่หรือเรานั่งผิดเราก็เลยแบบแต่วันก็ได้ค่ะพระอาจารย์วามที่พระอาจารย์บอกอะค่ะได้มาอยู่ที่สติตัวเดียวเนี่ยควบความคิดได้มันก็สงบได้เพราะว่าเหมือนเหมือนตอนแรกที่ปัญจายากหน่อยที่บอกอาจารย์นะคะ ที่พระอาจารย์สอนสอนก็เหมือนแบบกว่ามันจะได้ได้สติอะค่ะมันยากมากอเลยพระอาจารย์แต่พอได้แล้วมันก็เข้าพอเข้าใจแล้วมันก็ง่ายสติไม่ใช่ของยากค่ะงั้นแค่เนี้ยค่ะพระอาจารย์ได้สาธุเนี่ยไปที่คุณธรรมวันต่อคุณธรรมวันสามเซนค่ะกรรมนมิตการเจ้าค่ะ เอ่วันนี้ไม่มีคําถามใดๆเจ้าค่ะเข้ามากราบอาจารย์เจ้าค่ะได้ทนนั้นก็ฝากต่อไปนะอาจารย์พรพิไลใช่อาจารย์พรพิไลนิรสการคาะพระอาจารย์อาทิที่แล้วไปไปทําภารกิจไปทําภารกิจเรียนเรียนกันหาะแก๊งเดิมๆอะค่ะอ่สวัสดีคุณธรมสันต์น์ครับ แต่ว่าไปแอบฟังอยู่ค่ะได้ได้ฟังอตอนที่คุณลุกูลกับพระอาจารย์ไปแอบฟังหนีจากเพืพ่อนๆไปนิดหน่อยค่ะไปฟังแล้วก็มาตามฟังค่ะเพราะฉะนั้นฮะซักสองคำวันที่ผ่านมาเนี่ยพระอาจารย์ตอบตอบธรรมะเรื่องอุเบกานะคะค่อนข้างชัดเจนเยอะมากสาหรับคนที่ถามมานะะทั้งไทยและฝรั่ง เรื่องของอุเบกขาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นด็ตรวีใช่ไหมคะแล้วก็ทักษะภาษาอังกฤษเ อ, อ่ออุเบกขาเนี่ยฟังดูแล้วทุกคนนะ่ะเข้าใจที่เข้าถึงธรรมะนะคะเข้าใจไม่ยากแต่ว่าเอาไปปฏิบัติต้องใช้เวลาค่อนข้างสูงไม่ต้องใช้สตินั่งสมาธิให้จิตมันนิ่งพอนิ่งจิตมันก็เป็นอุเบกขาขึ้นมาไม่ปฏิทิยา กับอะไรทั้งสิ้นเพราะมันนิ่งมันเฉยพยายามน่าสมาธิให้มันนิ่งให้มันเฉยแล้วมันก็เป็นเบรคขาดขึ้นมาแต่มันจะเป็นแค่ช่วคราวพอออกมาพอเริ่มคิดเริ่มอะไรเดี๋ยวก็มันก็หายก็ต้องกลับเข้าไปเรื่อยๆกลับไปบ่อยๆน้ำเย็นน้าที่เราแช่ในตัวเย็นเวลาเอามาจากตัวเย็นใหม่ๆมันก็เย็น ทิ้งไว้สักยะมันก็ายเย็นก็กลับไปแช่เลยแต่เวลเราฝึกแล้วเริ่มมีความชํานาญมากขึ้นเนี่ยเราเอามาใช้กับชีวิตที่เราเจออยู่เฉพาะในเรื่องต่างๆะอไรม่ว่าจะเป็นเรื่องกายเรื่องอะไรความเจ็บป่วยทุกอย่างเราใช้ใช้ได้ดีสุดอย่างที่โบราณเราว่านิ่งนิ่งเสียแต่กับจำดึงทองมาเลยถึงกค่ะ ก็คือมันเอามาใช้ได้จริงๆกับตัวเองเพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ก็เจออยู่นะคะแต่ก็มันก็รู้แหละว่าเราเราก็นิ่งได้ในระดับหนึ่งแล้วแหะระดับเยอะๆด้วยะเพราะว่ามันสอนตัวเองทุกวันอย่ามีอารมณ์สามารถยังมีปฏิสัมพันธ์ได้แต่พูดด้วยเหตุด้วยผลทําอะไรด้เห็นได้ผลไม่ทําด้วยอารมณ์ค่ะ ก็ น, นํามาใช้ในในชีวิตประจําวันก็รู้สึกว่าดูเหมือนเป็นคนแปลกในหมู่คนที่คือในหมู่คนที่ไม่ไม่ได้เข้าดังทำมันนะคะเขาไม่รู้วิธีทําใจให้นื่อง ม, มีอะไรมาปั๊บนิ่เหมือนกับจิ้งหรีดนะอนดอนปั่นหน่อก็ร้องกิ๊กกิ๊กกกกิ๊กขึ้นมาเหมือนคุณร<อ>ูม<อ>ีอะไรไหมคะมีคร<อ>ับ <Okay. S 3> วันนี้ฉีดยาใช่ไหมคะอะวันนี้เข็มสามแะ่ขอแอสตาไหนๆฉีดสองเข็มมาแล้วก็เอาเข็มสามเอนเดมก็ไม่ต้องเป็น m r อ a รอนอนะค ะ, ะไม่เอาแต่พวก <mRNA> เราผงใส่ต้องถูกก็าบางังคับเป็น m r อ a ร์ออไม่ให้เราฉีดอย่างอื่นน่าจะเลือกได้นะถ้าถ้าต้องการจิตงขก็บอกแค่ให้น้ำถามวันนี้หลายแห่งเ็าให้เลือก แต่จังหวัดโดยเฉพาะแต่จังหวัดที่กรุงเทพก็กรุงเทพเหมือนกําหนดมาเลยอ๋อถ้าเราหาที่ใหม่ก็ได้นีี่ที่ให้เลือกได้ค่ะก็ยังเดือนได้ค่ะแต่แต่ถ้าไม่กังวลมากก็ฉีดไม่เถีคนฉีดกันเป็นเม่รู้กี่ร้อยล้านันนะฉีดได้ค่ะอายุวัยนี้แล้วไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะว่าผลผลสารของมั ผลทดสอต่อจากแอสตาเนี่ยมันดีนะถ้าเป็นไฟเซอร์ก็ ว, ว่ามันขึ้นสูงสุดเลภทมิุ่มกันค่ะของแอสตาขึ้นไปเท่าไหร่เ้าถึงแม่แนะนำให้ฉีดเข็มสามแอสตาแต่เราก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ตามก็เข็มสีมันก็ต้อง <c oughs> ไม่แ น, น่แล้วแต่เก็เห็นก็ว่าอาจจะการปีนี้มันอาจจะสง บ, บ, บตัวลงก็ได้ <c oughs> กลายเป็นกลายเป็นโรคถิ่นฐานแต่เป็นเป็นเป็นเหมือนไข้หวัดใหญ่ธรรมดาเราก็อยู่กับมันสบายๆค่ ะ, ะไม่ได้กังวลอะไรมากกังวลแม่อย่างเดียวอโอเคการนิก ะ, ะ, ะคุณจีรารัตน์ชคุณจีรารัตน์อยู่ที่ไหนคุณจีรารัตน์ กาบ่ะอาจารย์อาเชียนพนอยู่ที่ไหนจ้ากาบระนัสการค่ะพระอาจารย์อยู่รังสิตเจ้าค่ะเคยเคยเข้ามาครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็โยมก็ฟังอยู่ข้างนอกประจำเจ้าค่ะเรียนก็ปฏิบัตินั่งสมาธิเช้าเย็นเจ้าค่ะแล้วระหว่างวันก็พุทโธเจ้าค่ะถ้ามีสตินะคะค่ะ มีเรื่องเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้เพื่อนพาไปบวงสวงมาเจ้าค่ะอที่อยุธยาเจ้าค่ะทําพิธีบวงสวงมาเจ้าค่ะพระอาจารย์มีําแนะนํำไหมเจ้าค่ะเป็นสีลับพระตาปลามาเจ้าค่ะคือทำไปมันก็ไม่ไ ม, ไ, มไม่เปลี่ยนแปลงอะไรตัวเรามันจะสบจะทุกข์จะดีจะชื่วมันอยู่ที่กรรมไม่ได้อยู่ที่การบวงสวงเ ข, เขาเขาเข้าใจว่าบวงสวงส่งบุญให้ เทวดาหรือว่าตรงไม่ได้หรอบุญใครบุญมันที่สัมภเวสีหรืออะไรบรรพบุรุษที่ยังอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะต้องทําบุญต้องทําบุญใส่บาตรลอยจากมรงทองแล้วก็บูธบุญไปพิธีบวงสรวงพิธีบวงสรวงไม่ได้ทำอะไรไม่เป็นประโยชน์เลยอ๋อค่ะเจ้าค่ะเป็นเล่นละครใช่ใเจ้าค่ะเขาเขามีลำมีเท่าอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเป็นการเล่นละครนี่ใช่แล้วก็ว่านึกว่าไปนู่นไปนี่ อยากจะสม่งบุญให้ผู้ตายไปก็ต้องทาบุญแต่พอบวงสรวงเสร็จก็ไปถวายเพนหน่อนิดส่งบุญได้ใช่ไหมเจ้าค่ะได้ได้ถ้าถวายเพนก็ส่งบุญได้ใช่ค่ะแล้วต่อไปเห็นบอกจะไปบวงสรวงที่วัดพระแก้วเฮ้เจ้าค่ะจำเหงือกเหมดอนกันเหรอข้าคีดว่าบวงสรวงเขาจะทําให้สิ่งต่างๆมันดีขึ้นเหมือนกันใช่ไหมเจ้าค่ะที่วัดเหมือนกันอนนี้อยู่ในกลุ่มของศรีราษฎต์ปรามาอ๋อเจ้าค่ะไหวไหวไหวบูชาพระลาภุญอย่างนั้นกัน เจ้าค่ะอะไรทำนองนี้มันไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันไม่ได้แก้อะไรอ๋อเจ้าค่ะเราแก้ที่กายวาจาใจของเราด้วยการา ป, ฏปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเจ้าค่ะแล้วก็สาธุเจ้าค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งคือโยมมีอ่าคนที่เราไม่ชอบกันนะเจ้าค่ะมาตั้งยี่สิบปีเจ้าค่ะอยู่บ้านติดกันเมื่อตอนปีใหม่โยมก็เหมือนกับ เปิดตาเจ้าค่ะก็ถือโอกาสไปสวัสดีปีใหม่แล้วก็ขอขามากรรมกันเจ้าค่ะแล้วก็เขาก็พูดยู่คำนงบอกว่าขอบคุณที่คุณมาเริ่มก่อนเงี้ยเจ้าค่ะโยมก็มีมความสุดสึกวดีมากเลยเจ้าค่ะรู้สึกว่าตรงเนี้ยโยมเหมือนกับได้ปลดปล่อยอ่ะเจ้าค่ะใช่ค่ะแต่คนตามถือตัวมันไม่ยอมไปเจ้าค่ะใครไปเรีนยอมน้มันปัญหากัน ยอมเ<ข>ยม็นยามหยุดยอมแล้วก็อยู่ต่อสู้ไป ใ, ใจก็เย็นขาก็พูดบอกว่าขอบคุณที่เริ่มก่อนเนี่ยโยมเขาถือว่าอเปิติมากเลยตรงนีดีใจมากเลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะดีมากเห็คนคนคได้ให้ทําปฏิบัติตามพระเจ้าสอนเป็นยังไงเจ้าค่ะพอดีโยมไปฟังทำมาเขาบอกอภัยทานเนี่ยเป็นบุญสูงสุดโยมก็รู้สึกว่าอี้เราได้ทําสิ่งที่แบบ ยีสิบปีอะเจ้าค่ะที่ไม่ได้พูดกันเกลียกันมายี่สิบปีเราฝ่ายต่างไม่ออกกันจ้ะเหมอือนแมันเวลามันเปิดเวลามันถึง่ะเจ้าค่ะก็เดินไปดออกดปอดคุยกันเลยเจ้ า, าค่ะเข า, ขาก็ปลอบใจเหมือนกันนะเจ้าค่ะว่าเราทําได้อะ่ะใจเราก็วางหมดนะเจ้ า, าค่ะใช่เพราะเรามีธรรมะธรรมะนี่ทําให้ใจอ่อนจอเจ้าค่ะตั้งแต่ฟังพระอาจารย์มายมยมก็ไม่ได้ฟังเหมือนแับ อยากมากราบพระอาจารย์มากเลยยังไม่มีโอกาสมาเจ้าค่ะกราบตรงนี้แหละเพราะแล้วโอกาสนี่ดีที่สุดนะยังไม่มีโอกาสไปใส่บาตด้วยเจ้าค่ะอ๋อไม่เป็นไรแล้วเดค่ะค่ะปฏิบัติบูชาก็แล้วกันไปปฏิบัติบูชาไปก็กราบขอบพระคุณขอให้พระอาจารย์ธาตุขันแข็งแรงนะเจ้าค่ะ่สาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะไปที่คุณเอกต่อคุณเอกจากเชียงรายอันนี้ยังหนาวอยู่เพาะทางเชียงรายคุณเอก การนมัสการพระอาจารย์ครับผมเออพอดีช่วงสัปดาห์มีฝนตกฮะอากาศเย็นๆอยู่ครับพระอาจารย์ไม่ถึงกับหนาวนะไม่ถึงกับหนาวครับผมไม่ถึงกับหนาวมากครับอุณหภูมิประมาณสิบหกสิบเจ็ดนะฮะประมาณนี้ครับกสบายอยู่ครับวันนี้เข้ามากราบพระอาจารย์ครับไม่ไม่ได้มีคําถามอะไรครับพระอาจารย์เพาปฏิบัติอยู่ทุกวันนะครับพระอาจารย์พยายามปฏิบัติอย่าอย่าร่อนล้นะครับผมครับผมเพราะช่วงนี้เหมือนนะครับถ้าปฏิบัติ ก็มีช่วงช่วง อ, อสุขศราวทิศที่ผ่านมาก็เปลี่ยนสถานที่ไปก็แต่เป็นเป็นที่บ้านนะฮะแต่ว่า <ừ> ไม่ใช่ที่วัดน ะ, ะก็ปฏิบัติได้เยอะขึ้นในะช่วงเช้าพระอาจารย์นั่งได้นานขึ้นครับรอยู่อยู่กับเวทานาได้ได้นานอยู่ครับอาจารย์การเป็นสถานที่ก่อาจะช่วยการปฏิบัติให้คลื่มนานก็ได้ครับครับผมครับผมใช่ครับเพราะว่ามันมันเงียบมันเงียบสงบมี มันไม่ค่อยมีเสียงลดเสียงอะไรพุ่นผ่านก็ที่ไหนที่น่ากลัวน้ากลันี่มันจะบังคับให้เราเจริญสติมากขึ้นครับผมครับผมใช่ครับครับผมครับนี่ไม่มีอะไรคับนี้เข้ามากราบรอาจารย์นะครับแล้วร่วมรับฟังครับอาจารย์ยาณุษเดชใช่ไหมคนยานุษนั่แหละถ้าอาชื่อไม่ถูกกอะไใครนะอยู่ที่ไหนกราบนรรสการครับพระอาจารย์หนุบุญยานุษค่ะจากกรุงเทพค่ะ <English> <S <S มีค่ะเดิมคุณน น, นพัฒนแนะนำให้เข้าฟังพระอาจารย์จากเ c e b o o k แล้วก็ YouTube ตอนหลังใกล้เข้าซูมหนูได้แนวทางในการนำมาใช้ชีวิตโดยเฉพาะตอนนี้หนูประสบปัญหาคือคุณพ่อกำลังป่วยอะค่ะตอนที่หนูดูแลท่านหัวใจมันเต้นตุมตามเพราะเรากลัวการสูญเสียซึ่งจะเหลือคนสุดท้ายในบ้านที่อยู่กันสองคนตอนนี้ค่ะพอหลังจากได้ฟังจากพระอาจารย์ไปเรื่อยใจมันมีความกล้า แถเป็นกล้าที่ยังไม่มีสติพอคะ่ะแม่จารย์ตอนนี้ท่านเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเราก็เห็นว่าสุดท้ายเลยเองเนี่ยหนูก็ไม่สามารถจะต้านทานอะไรได้เป็นมากกว่าความจริงอะคะ่ะแล้วหนูก็จะพยายามการทุกอย่างไม่ให้เกิดกับคุณพ่อจะพยายามรักษาไม่ว่าจะเป็นยังไงจนวันออกจากโรงพยาบาลนะคะหนูบอกคุณพ่อว่าหนูขอคืนชีวิตให้คุณพ่อเลือกในสิีที่คุณพ่อชอบ หนูพยายามจะหาพี่เลี้ยงหนูจะพยายามทำทุกอย่างกพรหนูพูดคำนี้คุณพ่อพยักหน้าแล้วท่านก็ขอข อ, ขอขอขอคํานะคะท่านก็นอนกนอะดิขาเหมือนสบายใจอะคะ่ะจนความรู้สึกของตัวเองเนี่ยมันโล่งไปมากว่าเราแบบมานานหลายปีที่จะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแต่เราไม่รู้ว่าท่านต้องการหรือเปล่าอะคะ่ะอาจารย์ค่ะต้องการอะไรก็หามาให้ถ้าไม่ผิดสิลธรรมถ้าพ่องการชัวรก็บอก ค่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะหนูจะพยายามเจริญสติแล้วก็หมั่นฟังค่ะเพราะว่าเจริญเองบางทีมันไม่ทันกับเหตุการณ์จริงๆอะค่ะพระอาจารย์ค่ะเอาฝึกสติให้มากๆทำใจให้สงบแล้วมันจะทันมันจะทําใจได้เวลาเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมา เวลาที่หนูทํางานหนูเห็นมะเร็งในท้องของคนอื่นเวลาบิ๊กทำงานในห้องผ่าตัดนะคะเวลามะเร็งของคนอื่นในท้องต็มท้องเรารู้สึกแค่สงสารแต่พอใครพูดถึงมะเร็งในตัวคุณพ่อเรารู้สึกเรากลัวเราไม่อยากให้มันเกิดเรากลัวแม้กระทั่งก้อนเล็กๆอะคะ่ะแต่ของคนอื่นเต็นท้องเรารู้สึกแค่สงสารเฉยๆอะค่ะอาจารย์เราไม่อยากให้มันเกิดเนี่ยเป็นทุกข์ที่ต้องรับความจริงว่าร่างกายของทุกคนทุกคนเหมือนกันหม ประชาชก็แล้วก็ต้องแก่เจ็บตายกันด้วยกันทุกคนค่ะนันะเป็นพิจารณาอยู่ด้วยๆค่ะรัางกายของทุกคนไม่ว่าจะเป็นของเราของพ่อของคนนั้นคนนี้เหมือนกันหมดค่ะค่ะพระอาจารย์หนูจะพยายามหมั่นปฏิบัติค่ะโอเคค่ะนี่นะไปที่บุญนันทัตต์ต่อนัทัต อาจารย์วัชการเจ้าะพาะอาจารย์วันนี้ลูกไม่มีคําถามเข้ามากราบพระอาจารย์ค่ะไปที่คุณพระลวดดาต่อพรดาวอาจาร์วัชการแล้วค่ะไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์เข้ามาขอฟังธรรมค่ะโอเคเรียมตัวจะเข้าปฏิบัติตายก็อะไรอีเล่าว่าอะไอีกอ่าวันที่ยี่สิบสี่ค่ะโอเคเดีนี้เดือนละสองขั้นเลยนะ ยังเดือนละครั้งอยู่ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าแต่รอบนี้จะสิบวันอสิบวันแล้วลองเพิ่มดูค่ะอ่าดีลองดูว่าจะอดได้กี่วันอาจจะป็นาสองสองสองสองตอนตอนสี่วันค่ะพอดีพระอาจารย์พอดีมีมะเมี่ยวแนะนำให้ให้ให้เพิ่มด้วยแล้วก็สัปดาห์ก่อนก่อน อาจารย์ก็แนะนําบอกว่าลองเพิ่มดูผมก็เลยลองอย่าไปเพิ่มเพราะจะทําสียจิตนะว่าอดเพิ่มวันเพิ่มวันที่อยู่อะค่ะอ๋อใช่แต่ว่าเราเนี่ยเพิ่มดูเพิ่มเพิ่มดูว่ามันจะทําให้เราปฏิบัติดีขึ้นไหมมันีจะแทงจุดหนึ่งแล้วมันจะหงุิดตัวเพิ่มมากไปแบบนั้นมันก็ไม่ไม่เกิดประโยชน์ก็อย่าไปอดมันมากถ้าถ้าเราปฏิบัติไปแล้วมันไม่สงบเพราะเพราะเรื่องของการอดอาหารและอันนี้ไม่ใช่แล้วใช่ไหมคะ ก็ไม่เชิงหมายถึง ว, ว่าถ้าเราอดมากขึ้นมากขึ้นแล้วไม่ภาวนาแล้วขี้เกียจเพราะมันไม่มีแรงนอนน่ะอันนะั้คืออันนะั้นคือไม่ใช่แล้วใช่ไหมต้องคอยดูอถ้าอดเพื่อกระตุ้นให้เราภาวนาก็โอเคได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูลองดูกําลังลองดูว่าตัวอดนี้มันไม่ได้เป็นตัวภาวนาเ ป, น เ, เป็นตัวกระตุน้นเป็นตัวกระตุ้นให้เราภาวนา ในต่อไปบางทีแล้วก็ไม่ต้องอดกัได้ที่เราภาวนาได้มันกับตอนที่เราอดเนี่ยก็ไม่ต้องภาวน า, าไม่ต้องอดก็ได้แต่ถ้าเราชั่งน้ำหนักหรือว่าเระหว่างอดจะไม่อดแล้วอดนี่มันทําให้ภาวนาได้ดีกว่าเ็ื่องอดไปก่อนตอนนี้อยู่ที่บ้านถ้าทำที่บ้านสองมื้อเนี่ยก็รวมได้อยู่นะคะอค่ะก<า>็<า>ดีรวมแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองลองไปอยู่ที่วิเวกด้วย มันต่างกันือก็ ค, ออ ค, คืออย่างที่เราอยากจะต้องการที่จะแก้ก็คือทุกขเวทนานถ้าอดอาหารมากๆมันจะทําให้จิตเราค่อนข้างที่จะมีกำลังมีกำลัง <c oughs> ที่จะสู้กับทุกขเวทนาได้ง่ายกว่าเวลาที่เราไม่ได้อดเพราะเมื่อก่อนที่หนูไม่เคยอดอาหารแต่หนูหนูไม่มันไม่คล้ายๆมันสติกับปัญญามันไม่ มันไม่เหมือนหนูบอกไม่ถูกเหมือนตอนนี้เหมือนสติปัญญามันถ้าตอนอดอ่ะมันมันมุนเร็วมันมาจากไหนไม่รู้ใช่มันมุนมันพิจารณาว่ามันต้องเพิ่งสติปัญญาแก้ปัญหานั่นแหละค่ะที่หนูคิดว่ามันแตกต่างเวลาไม่อดนี่มันไม่มีปัญหาเลยมันอิ่มมันก็สบายมันก็เฉยเฉยช่วงพอมีปัญญาบอกกันก็นั่งสมาธิได้ก็นั่งไปแต่มันก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรมากไม่ มันไม่เหมือนกันนะคะพระอาจารย์ค่ะก็ต่างกันอยู่ค่ะพยายามนั่งผ่านให้ผ่านทุกเวทนาให้ได้จนจานานต่อไปไม่กลัวล้วเวลาจะเจ็บใข้ได้ป่วยเวลาใกล้ตายจะเจ็บขนาดไหนเป็นมะเร็งหมือเป็นอะไรก็รลบกับความเจ็บของร่างกายได้ค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ที่มันเจ็บก็ มันมันจะไม่ไปแบบเดิมแล้วมันจะอยู่กับมันไปแล้วค่ะเหมือนตอนนี้นแบบมัน ไ, ไม่หนีแล้วอไม่หนีไม่ไม่ไม่ได้พูดโทด้วยนะคะเ อ, อเมันใช้ๆๆมันเฉยเฉยเฉยเลยแล้วก็เจ็บอย่างเดิมตามไฟต่างอยู่กันไปนใช่ค่ะของเขาเราก็เป็นของเราเราก็ทผู้รู้เขารู้ไปเขาเป็นผู้เจ็บก็ไปขเขาเจ็บไปแต่ตอนก่อนหน้างั้นก่อนนานมันจะมีแบบเห็นเป็นกระดูกบางพิจารณาบางอะไรบ้างอะไรบ้างแต่ตอนเนี้ยมันมันไม่ติมนะมันไม่ติมใจนะ มันไม่ได้อยู่ที่อะไรมันอยู่ที่ตัวใจเราตัวนี้อาจารย์ใชใช่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะท่านต่อไปคุณหมอภาชนะเชิญก่อนสมัครกับพระอาจารย์วันนี้มีคําถามดีค่ะอยากจามืุณถามพระอาจารย์เรื่องการใช้สติปัญญาในการดูอารมณ์ของใจค่ะพระอาจารย์คือที่พระอาจารย์บอกว่าให้ไม่ต้องไปคุมมันก็คือว่าตอนเช้าตื่นมาแล้วก็นั่งสมาธิ แล้วก็เดินจงกรมปกติแล้วก็ฟังหลวงตามหาบัวแล้วก็ตอนเย็นตอนนี้เป็นนั่งสมาธิเช้าเย็นแล้วตอนกลางวันระหว่างเดทะระหว่างกลางวันเนี่ยเราก็คือใช้สติในการในการ่ใช้กายคตาสติใช้สติทำปัญญะใช่ไหมคะพระอาจารย์ให้ดูแตว่ารู้อย่างนี้ไหมคะก็ดูเหมือนก็ดูเหมือนเราดูร่างกายด้วทนามันเป็นอนิจ <OK> จ์ให้มันไม่มีอารมณ์ให้มันไม่มีอารมณ์ใช่ไหมคะมีก็รู้ว่ามันมีก็ต้องหยุดใช่ไหมคะพระอาจารย์คือถ้ามันเรารู้ปุ๊บเราก็ต้องหยุด ถ้าสื่อมัน ม, มีขึ้นมาเราก็ต้องหยุดยิงใช่ไหมคะดูเพื่อจะหยุดใช่ไหมคะไม่ใช่ดูเพื่อจะดูเอ่าถ้าดูเพื่อปล่อยน้องใจเราไม่ทุกประมานได้มันจะดีกว่าอ๋<ม>าอค่ะดูดูเพื่อให้ ใ, ให้เข้าใจมันแล้วก็ปล่อยให้มันให้เข้าใจว่ามั น, มนเป็นมั น, เ ป, นเป็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปรของมันเองอ๋ออ๋อไม่ต้องมาหยุดให้เข้าใจแล้วค่ะอาจารย์ค่ะใค่ติดแค่ตรงนี้ค่ะได้ยังไม่จำต่อก็ฟังฟังซีดีหลวงตามาหาบทที่คุณใช้ให้อตอนนี้ทุกสองห้าสองห้าแล้วว่าอาจารย์ แล้วก็ฟังของว่าอาจารย์ตอนบ่ายนะฟังวันนี้เรื่อยรู้สึกว่าคุ้นเคยกับเสียงมากเลยะเ น, เนะเหมือนคนละไม่มีอะไรนะไม่มีค่ะคุณนันต์อบคุณนัณนตน์จากอุดรจารณ์ราชการค่ะวันนี้ไม่มีคำถามค่ะโอเคดีไปที่เป็นเวลาพร้อนต่อเลยเวลาพร้อมยมิ้มจะอยู่ที่ไหนก็ทม ค, ค่ะพระอาจารย์ออค่ะ นมัสการพระอาจารย์ค่ะอยู่พื้นมอทอนสายสองค่ ะ, ะค่ ะ, ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมากราบพระอาจารย์แต่ว่าไปมาได้ครึ่งเดียวค่ะแล้วพอดีแฟนมาเลยต้องรีบไปทํากับข้าวให้ทางนี้ต้องรีบเข้ามาเลยค่ะพระอาจารย์ก็จะรายงานพระอาจารย์ว่าทุกวันเนี้ค่ะก็จะอยู่ด้วยใช้เจริญสติอะค่ะเหมือนกับว่าเวลากาย เราเรารู้กายที่เคลื่อนไหวแล้วเรารู้ใจที่เรารับรู้แล้วก็เราเรารู้ว่าใจกําลังคิดอะไรแล้วเราก็พอรู้แล้วเราก็ดูมันแล้วเราก็หยุดแล้วอย่างเวลาโยมนั่งโยมก็รู้ว่าโยมกําลังนั่งคือหลักแล้วเราเรายกมือเราก็จะดูระหว่างที่เราเคลื่อนไหวไปด้วยแล้วในโยมมีแล้วเคยได้ฟังพระอาจารย์เคยสอนบอกว่าเวลาไปสวดมนต์ที่ห้องพระอย่าอย่าเปิดแอร์ ยมยมก็ทุกวันเนี้ยยมก็จะไม่เคยเปิดแอร์เลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็แล้วพอตอนที่ตอนที่เรานั่งอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็มีความรู้สึกว่าร้อนนะคะแต่พอเราเราสวดมนต์ได้สักพักหนึ่งเป็นอย่างนีม้มามานานแล้วค่ะพระอาจารย์เราจะรู้สึกว่าเย็นคือเราเราไม่รู้สึกอาการร้อนเลยค่ะพระอาจารย์แล้วเออโอเคอา ก, กาศก็คือเย็นสบายจากตอนแรกที่รูพิ่มมันมันร้อนนะคะพระอาจารย์ оды. แล้ว่าเราสวดมนต์แล้วก็มีจิตอยู่กับการสวดมนต์แล้วตอนนี้พอระหว่างที่เราสวดมนต์นะคะแล้ว โยมก็จะรับรู้ได้ถึงว่าเสียงนะคะพระอาจารย์ที่มันอยู่ในลําคอเราอ่ะมันเอียดเอียดมันเสียงมันเอียดเองตอนแรกโยมก็เข้าใจว่าโยมเคยไปผ่าตัดเ อ, อต่อมพาราไชรอยที่ด้านหลังของต่อมอะคะ่ะมันอาจจะทําให้เรามีเสียงแต่ว่ามันบ่อยมากพระอาจารย์คือเราได้ยินถึงเสียงข้างในนี่คือปกติใช่ไหมคะเออมันกีก็ถ้ามันอะไรเกิดก็รู้ว่ามันเกิดไม่ต้องไปยุ่งกับมันทำถูกแล้วใช่ไหมคะ<อ>พระอาจารย์ปล่อยวางปล่อยวางเรามีหน้าทีา่สวดไม่สวดไป นชนเสียงข้างเทียงมันจะเกิดขึ้นมันก็เริ่มทึ้นหมใช่ค่ ะ, คะแล้วระหว่า ง, งที่ตาตาเราอ่านบทสวดเราก็รู้ว่าตามากระทบพอตากระทบเสร็จสมองจะแปลแปลว่าคือว่าอะไรแล้วเราก็อ่านมาคือเราแยกเป็นส่วนส่วนเลยค่ะพระอาจารย์<า>มันยังไม่ใช่สมองอะเขาเรียกสัญญาสัญญาความจําได้ไหมายแล้ว ค่ะพระอาจารย์ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วโยมใช้กลายอย่างหนึ่งโยมนั่งรถแล้วโยมฟังธรรมของพระอาจารย์นะคะที่พระอาจารย์เทศที่ว่าการกราบพระโยมชอบมากแบบพอโยมฟังเสร็จโยมสูว่ามันมันอันนี้แหละคือพระอาจารย์เลยคือครั้งแรกเราต้องกราบด้วยความศรัทธาพอเรากลบาบพระด้วยการศรัทธาเราต้องศึกษาพอเราศึกษาเสร็จเราก็ต้องลงมือปฏิบัติพอเราลงมือปฏิบัติเรารู้รู้ว่าผลผลแห่งการปฏิธทําแล้วเป็นยังไงแล้วก็มาเผยแพร่ทําต่อ โยมก็บอกโหสาธุนี่คือพระอาจารย์เลยค่ะแต่แล้วโยมก็เลยใช้กลบบายในการโยมอยากให้ลูกฟังฟังธรรมะพระอาจารย์เพราะว่าเวลาลูกเปิดอย่างเงี้ยลูกสาวจะม้าปิดม้าปิดตลอดใช่ไหมคะตอนหลังโยมก็แบบชอบชอบทำ ม, ม้าของพระอาจารย์วันนี้มากของเป็นวันที่9เดือนเดือนหนึ่งแต่ว่าจของปีที่ผ่านมาแล้วลูกก็ใช้กลวายบอกกับลูกสาวบอกว่าอ่าถ้า คือคือเขาคือเขาชอบชอบผลตอบแทนนะคะโยมบอกว่าเนี่ยถ้าถ้าหนูฟังธรรมะของของพระอาจารย์สุชาตินะมาม้าจะมีรางรางรางวัลให้แล้วพอลูกลูกเขาก็เลยเปิดฟังแต่ตอนแรกโยมให้เขาเปิดฟังของวันวันที่เก้าเขาดันไปฟังของวันที่สิบสอแล้วเขาชอบมากที่ว่าพระอาจารย์สอนที่มีที่มีโยมคนนึงอะคะ่ะที่บัชชีแล้วบอกว่า เขาปวดท้องพอเขาปวดท้องวันที่เขาจะมากราบพ้าจารย์แล้วเขาก็อาเจียนอาเจียนเสร็จแล้วเขาก็อ้วกพอเขาอ้วกมาแล้วเขามองอว้วกนันคือดินแล้วเขาก็เขาก็ทุกข์กับเวทนา จนเขาสุดท้ายคือเขายอมที่ว่าเขาจะจะไปแล้วแต่บังเอิญเขาก็ได้เห็นสิ่งสิ่งอัศจรรย์ขึ้นมาแบบว่าก็เห็นเห็นพระขึ้นมาแล้วเขาก็ปล่อ ย, ป ล, อยปล่อยวางร่างกายว่าจะตายก็ตายเลยอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายเขาก็หลับไปเพราะเขาหลับไปตื่นมาเขาก็หายหมดวันหนึ่งเขาก็มามาปฏิบัติกับพระอาจารย์ได้กลายเป็นลูกสาวว่าเขาชอบคิดนี้มากเลยค่ะเขากลายเป็นทําให้เขา เขาฟังธรรมของพระอาจารย์แล้วเขาฟังคลิปสองต่อด้วยค่ะตอนนี้พอเวลาเปิดเสียงพระอาจารย์เขาก็ยอมรับฟังธรรมไปกับไปกับโยมด้วยถือว่าโอเคเลยค่ะพระอาจารย์เนี่ยเป็นวิธีสอนโยกที่ถือสอนด้วยการอนกับ<อ>พระอาจารย์บา <c oughs> <c oughs> งครั้งหนึ่งสองพันแล้วฟัง <c oughs> อีกคลิปหนึ่งโยมก็ให้สองพันแต่โยมคิดว่าโอเคมันถือว่าฟังปุ๊บแล้วเขาเขาชอบพระอาจารย์แล้วเขาก็ฟังคลิปภาษาอังกฤษของของพระอาจารย์ด้วยเขาบอกว่ามาม่าพระอาจารย์เก่งมากเลยเนี่ยค่ะ ตอนนี้เขาก็เริ่มเริ่มเริ่มมาทางนี้เขาก็เริ่มเขาเริ่มยอมรับแล้วค่ะพระอาจารย์เป็นงานลงทุนที่คุ้มค่าใช่ค่ะยอมรับค่ะเดี๋ยวต่อไปก็คืนให้เราหมดใช่ค่ะนจะไปทำอะไรใช่ค่ะตอนที่เพาไปกับพระอาจารย์ทีหนึ่งอะค่ะที่เขาเรียนเรียนที่อิตาลีอะค่ะ แล้วเคยพาไปกล่าวพระอาจารย์เขาก็ตอนนี้เขาเขาฟังแล้วค่ะพระอาจารย์เขาเขายังรู้ด้วยว่าคนเกิดมาจากดินน้ำลมไฟคือเขาอธิบายให้ลูกฟังเลยนะแล้วเขาก็ฟังเขาเล่าให้ฟังคลิป ของโยมคนนั้นที่เขาฟังวันวันที่สิบสองอะค่ะฟังเขาเล่าฟังจนจบเลยจนถึงถามตอบธรรมะด้วยค่ะจริงๆอะโยมจะให้เขาฟังสิบสองแต่เขาเปิดเก้าแต่แต่กลายกลายเป็นว่าเก้าอ่ะเป็นธรรมะที่เขาชอบมากเขาบอกสนุกแต่ไอ้ที่โยมให้ให้เขาฟังเขาบอกว่ามันลึกซึ้งเขาฟังแล้วเขาปวดหัวแต่เขาชอบของของพระอาจารย์ถ้าเริ่มเริ่มธรรมะมันมีหลายระดับหลายแน่หลายค่ะเั้นแต่ละคนอาจจะชอบเล่นเหมือนกันค่ะ เดรู้สึก ด, ดีใจโอโกนูบายเขาเพราะว่าเขาชอบผลตอบแทนพอดีเขาตกใจเขาเขาลาออกจากซีพีแล้วตอนนี้เขากําลังสอบอสัมภาษณ์สังเกตตอนนี้ได้เข้ารอบสุดท้ายแล้วค่ะก็น่าจะสัมภาษณ์อีกรอบนึงก็ผ่านแล้วค่ะพระอาจารย์ ค, ค่ะแล้๋ยวพาไปกราบพระอาจารย์ใหม่ค่ะสาธุสาธุค่ะพระอาจารย์คุณ ส, ส, สมพรจอมคุณสมพรอยู่ที่ไหนคุณสมพรน้ากลา น้องกราบนมัสการพระอาจารย์นะครับวันนี้เป็นครั้งที่สองที่ได้เข้าม า, า, ากราบพระอาจารย์นะครับก็ดีใจมากนะครับเร่อปลื้มใจปิดติใจมากเลยเวลาตักบาตรในตอนเช้าเวลากราบอ่พระให้พรก็นึกถึงพระอาจารย์อยู่ตลอดเวลานะครับ ific. วันนี้ก็โยมก็ออความสัมพันธ์กับเพื่อนก็ก็ ا, อ เป็นปกติดีเอดีขึ้นมากแล้วล่ะครับกับเพื่อนชายนะครับแล้วก็เอแต่ว่าความสงบของโยมเองยังยังยั ง, ย, งยังไม่เหมือนเมื่อก่อนเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับคล้ายๆว่าโยมยังยังความสุขความสุขมันความสุขจากความสงบมันความสุขเเออยังยังไม่ค่อยจะเเออ ยังไม่ค่อยจะมียังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับหมายถึงว่าสภาพต้องพยายามทํำบ่อยๆพยายามนั่งสมาธิบ่อยๆพยายามฝึกสติบ่อยๆครับพระอาจารย์แล้วแล้วแล้โยมเองก็เอจะเรียนอ่าปุชชาพระอาจารย์ว่าต้องต้องนั่งสมาธิยังไงครับโยมออนโยม ยอมยอมรับว่ายอมยมเสษธรรมะของพระอาจารย์จากทางเศษที่เป็นเป็นเป็นคำพูดสื่อสารเป็นเป็นเป็นภาษาที่เป็นภาษาเป็นภาษาปากประทานทอที่แบบอ่านแล้วคือคือคือเอามาใช้ได้ย่อยได้แบบปฏิบัติได้แต่แต่พอในเรื่องของในเรื่องของที่ไม่ใช่เป็นตัวหนังสือครับที่ไม่ใช่เป็น เป็นภาษาที่เขียนไว้หน้าหน้าหน้าเพจเป็นเช่นว่าเป็นอการนั่งสมาธิหรือว่าการเจริญสตินิยมติดลบเลยครับยอมยอมยมบอดมากตรงนี้ยอมยมขอขอข อ, ขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ด้วยครับยมอยากมีความสุขคือการเจริญสติก็เพื่อควบคุมความคิดของเราถ้าเราไม่เจริญสติใจเราเราก็จะคิดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยถ้าเราเจริญสติเช่นให้ให้เรารื้อถึงว่าพุทธเจ้าพุโทโธพุโทโธไป มันก็จะคิดเรื่องเรื่องไม่ได้เพราะมันต้องมาคิดเรื่องพุโทโธพูโทโธสาธุครับอาจารย์พยายามพยายามฝึกพูดโทในระหว่างที่เราไม่ได้นั่งสมาธิแล้เวลานั่งสมาธิเราก็พูดโทต่อรือดูลอหายใจที่ปลายจมูกก็ได้ดูเฉยๆ ง, ง่ายๆมีแค่นี้แหนั่งสมาธิแล้วใจก็จะเย็นขึ้นสงบขึ้นในความสุขมากขึ้นไปสาธุครับอาจารย์ครับ เราทำดูแล้วมาเล่าฟัทิศหน้าเป็นยังไงสาธุครับอาจารย์ครับสาธุครับครับอาจารย์สายทิพย์ต่อจาสายทิพย์สารคามมือขอนแก่สารคามก็ค่ะตามนวสการอาจานค่ะอืมวันนี้ไม่มีคำถามค่ะอัจจานาเข้ามารวมไม่มีค่ะเข้า หายไปสัญญาณไม่คดียดีขอข้ามไปเลยนะอาจารย์สายที่ถ้าไม่มีไม่ไดคุณเอกต่อเลยคุณเกอกครับเดี๋ยวขอข้ามไปเลยนะอาจารย์สัญญาณของอาจารย์ไม่ค่อยดีรมรสการครับรอาจารย์เชิญคุณเอกมาวันนี้มีอะไรครับก็สัปดาห์ที่แล้วถามพระอาจารย์เรื่องความเพียร น, นะครับจะ เ, เพิ่มความเพียรแล้วก็พระอาจารย์แนะนําว่า ให้ให้ทําตารางก็ได้รได้ลองลองปฏิบัติเอาน้อมน้อมมาทําตามนะครับก็ปฏิบัติได้เยอะขึ้นครับก็จะครับที่ตย์ครับแต่ทีนี้ถ้าสมมุติเรามีงานเข้ามาแล้วตารางนั้นเราทำไปได้เนี่ยเรามาชดเชยวันหลักได้ชดเชยวันหลังได้ชดเชยมันอยู่มันอยู่ชดเชยครับโอเคครับขอบคุณครับนะเราพยายาม พยายามเดินตามตารางนั้นอย่าอ้างอ้างรูงทาง น, นี่นะแตเป็นเวลาโอ๊ยไม่ว่างโขี้เกียจ ร, ร้อนกันไปหนาวกันไปเย็นกันไปอยาปล่อยให้มันอ้างให้คิดถึงว่าเวลาเรากินนะมันไม่มีความอ้างนะถึงเวล า, ากินปุ๊บกินเลยครับท่นี้การปฏิบัติก็เหมือนกินอาหารใจใจก็ต้องการอาหารคือความสงบครับเมื่อถึงเวลาก็ตทองให้ความสงบกับจิตใจ ถ้าทำไปเรื่อยๆต่อไปมันจะติดเป็นนิสัยแล้วมันจะทําทได้ครับตอนนี้ก็นอนนอนน้อยลงนะ ค, ะะครับอาจารย์เราไม่ต้องมากหรอห้าหกชั่วโมงก็พอเราไปนามาปฏิบับบติอยู่นะนอนหัวข้ามตื่เช้ามื่อยยิ่งตื่นเช้ามื่อยนี่ยมันเงียบเลยมันสงบเลแล้วจิมันก็ค่อนข้างจะสงบในตัวมันด้วยทําให้นั่งสมาธิได้ ง, ง่ายครับเด ครับในมีเท่า น, นี้ใช่ไหมมีอะไรคาดตามไหมมีเท่านี้ครับอาจารยา์ไปที่คุณอ้อมต่อคุณอ้อมจากบรงเวณมั่งการค่ะไม่มีคำถามค่ะไม่มีคำถามท้ายกลัวยังอา <c oughs> จารย์ถามบ่อยว่าอ่ามาถามทดสอบนี่ซาบอลงไหมอืมก็ยังเครื่งเคกลางๆอยู่ค่ะอ่ายังไม่หมดนะ เรบพิจารณาตายรักอย่างเงี้ยไม่เที่ยมมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาไม่ตเราไปกลัวอะไรไม่มีอะไรเป็นของเราคแุกวันหนึ่งก็ตทิ้งไปหมดมาตัวเปล่าๆแล้วก็ไปตัวปวล่าๆไม่จ๋าให้กลัวถึงเวลามันจะเอาไปให้มันไปในเวลาร่างกายเขาจะขอขึ้นไปได้ก็ขึ้นขึ้นเข้าไป มันไม่ใช่ของเราเราเป็นเหมือนของยืมมายืมมาจากพ่อจากแมเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าของแท้คือธาตุสีป็จะมาขอหนึ่งไปธาตุดินราไปส่วนหนึ่งธาตุน้ําก็ไปส่วนห่ธาตุมอกก็ไปส่วนห่งธาตุ ไ, าไฟก็ไปส่วนค่ะเดี๋ยวก็หายไปหมดร่างกายนี้อยูใ่ในติงละลายไปหม ไอ้ตีมก็พอละลายก็กลายเป็นธาตุน้ำไปใช่ไหมาน <c oughs> ้ำมันแข็งมันเย็นก็กลายเป็นยังเป็นเหมือนธาตุดินอยู่ร่างกายหายไปแต่ดวงจิตไปต่อใช่ไหมคะพี่ดวงจิตมันก็ต้อง <c oughs> ถ้ายังมีกิเลสอยู่มันก็ไปหาร่างกายอันไหน <c oughs> ถ้ายังอยากเที่ยวอยากกินอยากดื่มก็ต้องมีร่างกาย่เที่ยวมากินมาดืถ้าตัดความอยากได้หมดก็ไม่ต้องไปไหนอยู่เฉยๆในก็รที่ผ่านไปค่ะ ถ้าไม่ไปถึงนิพพานก็ต้องพยายามทารวมจิตให้ดีๆหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวจะไปเกิดที่ต่้เป็นเดรัจฉานถ้าทําบาปไม่รักษาสีนหน้าตายไปก็เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นน้องเป็นแมวเป็นสุนัขเป็นอะไรได้ค่ะนั้อย่างน้อยอย่าทําบาปแล้วก็ทําบุญได้มากทําบุญให้มากกว่าบาปถ้าตายแต่จะได้ไม่ไปอาบาน ต้องยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นเพราะตัวนี้ไปต่อค่ะใช่ค่ะถามันสูงขึ้นยิ่งสูงก็เหมือนตีตีตัวแพงขึ้นอ่ะตีตัวจากชั้นชั้นอีโคโนมี่ไปเป็นชั้นบินย่แต่บินึ่ก็ไปเพิ่มคาสได้ค่ะหลุดออกไปจากจากชั้นทุกชั้นเลยจะไปนั่งแอร์ันมันปากระป๋องนะค่ะนะครับที่โล่สบายสบายในคนบริการตลอดเวลา ที่ชั้นหนึ่งนี้เป็นที่นอนได้เลยที่นอนได้เลยค่ะค่ะทำดีมากๆรักษาศีลไว้แล uh, ้วจะจะเพิ <the> ่มจะเพิ่มจะอัปเกรดเรื่อยๆอัปเกรดชั้นไปเรื่ยเพิ่มชั้นไปเรอยอัปเกรดค่ะหรืว่าไปถึงชั้นนิพพานชั้นสูงสุดเลยค่ะอาลังสุขขังนี่นิพพานเป็นชั้นความสุขสุดเต็มที่สุดสๆความสุขในโลกที่ที่พระนิพพาน ก็เป็นชั้นเป้าหมายนะคะแต่แต่น่าจะเดินทางไปไม่ทึงครับอาจารย์ถึงแน่ปฏิบัติสิขอแฟนติดไม่เมฆบ่อยๆหน่อยค่ะค่ะอยู่กันแบบป่าท่องโกะไม่เกิดประโยู่อะไรค่ะค่ะยากกันอยู่ดีกว่าค่ะยากันอยู่จะได้ปันี้ผานได้ด้วยการทั้งคู่ค่ะถ้าติดกันเหมือนป่าท่องโกะต้องเวียนไหวตายเกินอย่าง เดีย๋ยวพรุ่น้าก็อยากจะเจอกันอีกนะยัอ ย, อยู่ด้วยกันค่ะแต่แฟนเขาก็สนับสนุนอยู่ค่ะพระอาจ๊ะแต่หนูไม่สนับสนุนตัวเองคือหนู ไ, ไ, ป <c oughs> ไปไหนไม่ได้พอดีขับรถไม่เป็นค <c oughs> ่ะพ่อจา๊ะให้เขามาส่งได้เนี่ยมาปฏิบัติธรรมไม่ต้องไปไหนอ๋อค่ะถ้าถ้าไปปีบิเวกอย่างเงี้ยก็ต้องเขาไปส่งอย่างเงี้ย ค, <c oughs> ค่ะพ <c oughs> ่ะก็ดีเลยไปบิเวกบ่อยบ่อยค่ะ ต่อไปมันจะได้ทําบ่อยๆแล้วมันจะชินแล้วมันจะชอบคมันจะเบื่อยู่บ้านบ้านนี้วุ่นวายมีอยู่คนเดียวแสนจะสบายค่ะโอเคนะค่ะคุณค่ะคุณยินดี์อาจคุณยินดีสวัสดีค่ะท่านอาจารย์งานไงมีอะไรไหม ไม่มีค่ะเข้ามากราบค่ะแล้วก็เดวิดฝากกราบท่านอาจารย์แล้วก็ขอให้ท่านอาจารย์สุขภาพแข็งแรงค่ะสาจุติดตามกันทั้งวันเลยเหรอค่ะเขาก็ส่งข้อความมาค่ะว่าเนี้ยค่ะฝากสวัสดีค่ะสาธุหนึ่งไปทีุ่ณทวิษาจากสวิตเซอร์แลนด์เราพม่ามักการณ์ค่ะจ้ค่ะวันนี้ไม่มีค่ะ เข้ามาร่วมรับฟังธรรมค่ะวันนี้ก็เป็นวันท่าเหมือนเดิมนะค่ะเดี๋ยวกวันท่าเหมือนเดิมค่ะคือสิบแปดเหมือนทุกวันพุธค่ะนี่นี่เปที่คนบรสตอ่บริสจากเลยอค่ะกรับนมัสการพระอาจารย์วันนี้รบกวนพระอาจารย์นะคะอ่ามามาเพระที่ผ่านมาไปไปที่เขาอะค่ะสิ่งที่ก็มี ออกไปเดินข้างนอกตอนกลางคืนนั่งสมาธิที่ระเบียงตอนกลางคืนนะคะอยู่ฝั่งที่ติดป่าค่ะพระอาจารยา์ก็พยายามไม่ใช้ไฟฟ้านั่งสมาธิประมาณชั่วโมงนึงสลับเดินจงกรมขึ้่ชั่วโมงค่ ะ, ะมีนอนสมาธิด้วยค่ะรรพระอาจารย์เมื่อสติดีขึ้นไหมอยู่ที่กรเนี่ยสติดีขึ้นค่ะค่ะ<ม>กลางคืนนอนที่ไป น, นั่งตรงระเบียงะคะรรย่ะพระอาจารย์ มันจะมีสัตว์ออกมาแบบเดินเดินนะคะรู้สึกว่าเข้าใจเลยค่ะที่พาทุดงท่านถึงพยายามมีสติให้ใจสงบไม่ต้องไม่สนไม่ต้องไปสนใจกับสัตว์ฟองนะคะท่านมันจะกัดแข่มันกัดมันจะกินแค่มันกินแต่ว่าของเรายังอยู่ในระเบียบอยู่ในบ้านนะคะพระอาจารย์แต่ก็ยังรู้สึกดีกว่าที่อยู่ในห้องเหมือนแบบไม่ให้มันปรุงแต่งนะคะ่ะพระอาจารย์โอดี ไปเมื่อ几天นะไปไปศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะพระอาจารย์ชอบไหมชอบไหมชอบค่ะพพระอาจารย์อดอาหารไปสองวั น, นวันศุกร์กับวันเสาร์อ่ะแล้วก็ไปมาค่ะค่ะ ก, ก, ก็าาาวันที่สามวันอาทิตย์ก็เริ่มเหมือนแบบไม่ไม่ค่อยไหวแล้วค่ะเหมือนมีท้องเสียด้วยค่ะพระอาจารย์วันอาทิตย์ก็ไม่เป็นไรถ้ามีอาการไม่ดีก็หยุดพักไว้ก่อน ค่ะก็กินช็อกโกแลตไปก็รู้สึกมีกําลังขึ้นมานิดนึงนะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าสติมันจะมากขึ้นตามลําดับวันที่อยู่อะค่ะวันก็จะเหมือนใช่มันมันมันคูนเพภาพขึ้นไปมันบวกเข้ายิ่งอยู่ยิ่งจะแรงมากขึ้นแล้ก็ยิ่งในสติมากขึ้นไปแล้วเออถามว่าแล้วเดี๋ยเพราะว่าเราอดอาหารมันมันเหมือนแล้วเราไม่ค่อยจะมีแรงแล้วมัน สมองมันเลยไม่ไม่ค่อยคิดเกี่ยวกันนะคะพระอาจารย์ก็เกี่ยวเวลาร่างกายแข็งแรงกิเลสมันกนชอบคิดมากแล้วช่างกายอ่อนเพลียมันก็ไม่อยากจะคิดเลยใช่ค่ะวันอาทิตย์มันมีความรู้ส mm ึกนั้นขึ้นมารู้สึกมันเหมือนเอ้ยขอโทษนะเหมือนเอ้ยเป็นทีของเราที่แบบพุทโธพุทโธพุทธโทไปเพอาะ่ามันแบบใชเนี่ยคือวิธีทรมากิเลสถ้ากิเลสกินอีกนี้พีมาแล้วไว้มันแรงเยอะ ่ใ่ใชเลยความอยากเยอะความทีเ่เยอะค่ะมันถกถกว่า น, านอาหารน้อมันก็อะไรอ่อนลื่นลงค่ะพระอาจารย์เชื่อฟังง่ายขึ้นให้พูดโทรมันก็พูดโทไม่ดื้อใช่ค่ะพระอาจารย์คาว่าไม่ดื้อค่ะมันมันชื่อฟัเรามากขึ้นใช่เลยค่ะแบบเอ อ, เ อ, อไปครั้งนี้รู้สึกว่าแบบเหมือนสติมันดีขึ้นนะคะพระภานามันจะเป็นยังไเรามันจะค่อยสั่งคอยอะไรล้ว อเราเล่านะฮะนี่เราสามทางสลับกันค่ะพระอาจารย์ก็ประมาณเนี้ยค่ะรู้สึกแล้ววันอาทิตย์มันมันก็เวลานั่งอ่ะมันลงลงลงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ลงแบบลึกมากอะค่ะพระอาจารย์เหมือนเวทนาค่อยๆทําไป่เหมือนสติกาลังไม่มากพอใช่ค่ะไปเจอเวทนาก็ไปไม่ค่อยได้แล้วค่ะพระอาจารย์เราต้องฝึกสติให้มากขึ้น อาจารย์เดจงกรมต่อนั่งนั่งนอนเฉก็รูขึ้นม า, าเดินจงกรมต่อแล้วก็กลับไปนั่งเลยก็ทําประมาณนั้นนะคะพระอาจารย์ <c oughs> แต่ครั้นี้มีตอนนอนสมาธิรู้สึกว่ามันมันได้ด้วยนะคะพระอาจารย์แต่ว่ามั น, ม, นมันนอนพุโทโธไปแล้วมันก็แบบมีเหมือนดึงก็เข้ามาเหมือนมันได้ึได้ในระดจารย์แลเดี๋ยวมันก็หลับใช่ค่ะพระอสักพักนึงมันัหลับไปเลยค่ะ ก็ดีเปนวิธีนอนหลับที่ดีถ้านอนไม่หลับ ก, ก็ภาวนาะพูดโทรไปดึงลงไปเดี๋ยวมันก็หลับคนะ่ะก็ไม่มีอะไรค่ะมีเท่านี้ค่ะพรพยายามกลับไปใหม่เนละยพยายามทไปเยะต้องอดทนหน่อยยอมทุกข์หน่อยใจก<ะ>้าวงานจก้าวหน้ามันต้องมีความทุกข์มาเป็นตัวกระตุ้นพยายามไม่ที่ขี้เกียจปฏิบัติ ค่ ะ, ะอาจารย์ก็มีคิดถึงบ้านด้วยค่ะเข้าใจการที่บอกว่าอย่าเก่งแต่ในบ้านนะคะพระอาจารย์เพราะไปมันยากกว่าที่บ้านมากเลยค่ะใช่ที่บ้านมันมีเครื่องอำนวยความสะดวกอันเกียวับกิเลสเนี่ยเราก็อยู่ที่อื่นไม่มีอะไรเลยเลยต้องเพึ่งธรรมะแทนถ้าอยู่บ้านนี่พึ่ง<ม>เครื่องรูปเสียงกิน่นรัดเครื่งตู้เย็นพึ่งอะไรได้ ทำไอยู่ที่ปฏิบัติมันเดียวที่ไม่มีอะไรไม่เลยต้องพึ่งสติพึ่งปัญญาค่ะอาจารย์เราเราก็เหมือนอยู่บ้านเราก็รู้ว่ามีครอบครัวอยู่ด้ว ย, วยคะ่ะมันมันไม่เหมือนกัน <c oughs> บรรยากาศไม่เหมือนกันใช่ค่ะมันแบบมีความรู้สึกว่าแบบรู้เลยคะ่ะว่าเรายังติดครอบครัวติดลูกอะไรอย่างนี้ยคะ่ะเราพิจารณาทามไม่เที่ยงท่นพลาดพลาดจากการเป็นธรรมดามันในวันหนึ่งก็น้อจากกันอค่ะอาจารย์ <c oughs> น้อมน้อมมาปฏ okay. ิบัตนะิค่ะท่า น, นี้ก่อนนะคอาจารย์คืนสวดธนาจากบอวินต่อสวดธนานามส ก, การเจ้าขาะูาจารย์อะไรอะไรมันมีอะไรมั้ยก็เอ่อพูดถึงเรื่องสติตอนนี้มันมีความรู้สึกว่า พอเรามีสติเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่รู้รู้ว่ากลับมามีสติแต่มันมามันมาถึงตัวเลยอะค่ะอาจารย์ว่าเรากําลังทําอะไรรู้ที่ทั้งทั้งตัวพร้อมกันหมดเลยค่ะ <Okay. S 1> อย่างเช่นวา่าเวลาเราขับรถปกตินี่ก็จะมีการคิดพอเรามีสติเข้ามาปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเรากําลังขับเรากําลังจะเลี้ยวเรากําลังจับ <Okay. S 1> วงอะไรอย่างเ <Okay. S 1> งี้ยเจ้าค่ะมันชัดเจนมันชัดเจนขึ้นเจ้าค่ะะอาจารย์ อันนี้คือเป็นเป็นสติที่ที่เข้มเข้มแข็งมากขึ้นใช่ไหมคะเมื่อเราไปนั่งดูเราหายใจได้เวลานั่งสมาธิเจ้าค่ะไม่ใช่แค่ว่าพอเราพอเรารู้ตัวแล้วเราก็กลับไปคิดใหม่อย่างนี้คมันม่ไคิดพยายามไม่คิดมาใมันอยู่กอดติดกับร่างกายไปตลอดเวลาเจ้าค่ะอันนี้มันมันเป็นวันนี้วันนี้เห็นชัดเจนมากเลยเจ้าค่ะพี่สานแล้วก็ถ้าทําอย่างนี้ถ้าเวลานั่งดูเราแล้วมันถ้ามันไม่ไม่ไปที่อื่นมันก็จะสงบได้ได้เจ้าค่ะ ตอนนี้ก็พยายามเพียนเพียนเรื่องสติตรงนี้ให้มากขึ้นเพราะว่าเนื่องจากเขาไม่ดีแล้วนั่งนั่งขัดถมานไม่ได้ก็เลยนั่งเก้าอี้แต่มันจะนั่งไม่ได้นานก็ค่ะพระอาจารย์มันมันมันไม่ชินก็ตอนนี้กําลังรักษาอยู่เดีด๋ยวนัอาการดีขึ้นแล้วเจ้คะ่ะแล้วก็วันนี้โยมมีคําถามเนื่องจากว่าเอโยมกับแม่เนี่ยไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันแม่อยู่ต่บบางจังหวัดคืออยู่อุบลตัวโยมอยู่ชนบุรีอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะ เวลาคุยกับแม่เนี่ยเราเราจะจับเสียงได้ว่าแม่ไม่สบายใจก็จะถามว่าแม่แม่มีมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแม่ก็บอกมาว่ามีความกังวลอะไรอย่างนี้เจ้าคะ่ะก็จะจะเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าอย่าสอนแม่แต่โยมก็ขออนุ ญ, ญาตแม่ว่าไม่ได้สอนคือแบ่งปันความรู้ที่เรียนมาจากพระอาจารย์แล้วก็มาเล่าให้แม่ฟังก็บอกแม่ว่าเรื่องรักษาศีลเจ้าค่ะพระอาจารย์พยายามบอกตัวเองว่าเรากาลังรักษาศีล อย่าอย่าละเลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแม่ก็บอกว่าอาราดนานทุกวันเพราะแม่จะสวดบทูุกเช้าทุกเย็นเสร็จแล้วแม่ก็เอเโยมก็ถามแม่ว่าถ้ามีอะไรทําทําอะไรอยากอยากมีข้อสงสัยโยมสนทนานกับพระอาจารย์ทุกวันที่ให้ฝากถามได้วันนี้เที่ยวนี้แม่มีฝากคําถามฝากว่าเวลาแม่เอ อ, อธิษฐานอุทิศบุญให้กับปุพการีค่ะ พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เสียชีวิตมาแล้วหกหกหกสิบปีเจ็สิบปีแปดสิบปีอย่างเงี้ยยังเอ่ยชื่อถึงท่านเนี่ยได้ไหมเจ้าขาพระอาจารย์ได้แต่ท่า น, นจะไปไหนแล้วก็ได้แต่ก็ไม่เสียหายอะไเพื่อความสบายใจความสุขใจของเราเราก็อดคิดไปได้ค่ะแต่ถ้าถ้าสมมุติว่าไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่กล่าวถึงก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ากล่าวถึงก็ได้อยู่ใช่ไหมเจ้าขาพระอาจารย์ คือถ้าไม่กล่าวถึงถ้าเขารอรับอยู่แต่เขาก็รับไมได้เพราะเราไม่ได้กล่าวชื่อต้องต้องเจาะจงใช่ไหมโยค่ะอ่ต้องเจาะจงโยคะแล้วโยงก็บอกแม่ว่าพยายามให้พุทโธถ้าอยู่นั่งว่างๆก็ให้พุทโธก็คือเป็นการเจริญสติเจริญสมาธิอย่างที่พระอาจารย์สอนอันนี้โยงโยงมานึกถึงว่าถ้าเจริญสติมากๆก็จะเกิดสมาธิพอเกิดสมาธิมากๆก็จะทําให้เรามีปัญญา อันนี้โยมสอนผิดจะบอกผิดใช่ไหมเจ้าค่ะพอาจารย์ไม่ผิดหรอกถูกไหมคืที่ว่าเขาฟังเรืองเขาฟังเข้าใจหรือเปล่าก็ก็แม่ก็พยายามตอนนี้แม่ก็พยายามนั่งสมาธิเจ้าค่ะพอสวดมนต์เสร็จก็จะนั่งได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ไม่ถึงชั่วโมงเพราะว่าแม่สวดมนต์ก็เกือบชั่วโมงแล้วเจ้าค่ะพอาจารย์ก็นั่งต่อดีเจ้าค่ะในระหว่างวันก็ท่านถ้าไม่มีอะไรทําก็บอกให้แม่นั่ง นึกถึงพุทโธพุทโธเจ้าค่ะพระอาจารย์อันนี้ก่อนส่วนมันก็ได้ถ้าแม่ชอบส่วนมันก็ให้แม่สวนมันไปเรื่อยๆกค่ะยมแม่โยมคราวนี้ก็จะย่างแปดสิบเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เวลาเขามีเขาดูทีวีได้ได้ฟังทำพระอาจารย์เขาก็จะมาโทรมบอกว่าตอนนี้กําลังฟั้งทำพระอาจารย์แล้วก็มีขอขออนุญาตถามอีกเรื่องหนึ่งเจ้าค่ะพระอาจารย์เออสัพพสัตว์วิญญาณของสัพพสัตว์หรือแม้แต่สัพภเวสีเนี่ย เขาเออ่ไม่สามารถที่จะรับอาหารสดได้ใช่ไหมเจ้าค่อต้องเป็นอาหารที่ต้องเป็นอาหารที่เป็นอาหารทิที่เราใส่บาตรทาบุญไปให้ใช่ไหมคะอย่างอาหารที่เราวางวางไว้นี่เขาไม่สามารถกได้แล้็ลองเป็นชั่งน้ําหนักด้วยก่อนก่อนจะถวายเนาะถวายเสร็จเนาะเอามาชั่งน้ําหนักดูว่ามันเท่าไหร่บ้าเจ้าค่ะ โยมจะได้โยมจะได้จําคําตรงนี้ไปเจ้าค่ะเอาไปยากเอาเอาไปตั้งไม่เฉยเฉไม่ได้ต้องเอาไปทําบุญแทนเอาไปสัการเอาไปให้มนยากจนเก่งนี้ยแล้วเราก็ทิ้งบุญไปได้เจ้าค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอบคุณเจ้าค่ะวันนี้มีคาถามเท่านี้เจ้าค่ะสาธุนะครับเจ้าค่ะกัลยาณพนเชิญคุณทานพนทำไมคุณตาไม่อยู่นะ ครับนมันสะแกนครับอาานวันนี้ไปต้องโขลแยกข้างกันครับพอดีเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เอคุณปาเขาได้คุยกับน้องมินนะครับมินตอนนี้เขาก็เขาโกนหัวแล้วแล้วก็ไปเชียงรายกันคราวนี้พอคุณปลาทราบว่ามินโกนหัวเลยก็รู้สึกอยากจะโมทนากับมินก็เลยตามไปด้วยกันเลยเมื่อเช้านี้ก็ออกกันไปอประมาณตีสี่ะครับตอนนี้เขาถึงเชียงรายกันแล้ว ก็ก็คงไปอยู่กับมินสักสามสี่วันมั้งครับแต่ว่ามินคาดว่าจะอยู่ยาวเลยแหละครับอดีแล้วเขาเขาไมีไฟล์เก่าเนี้ยมินรายชื่อปลมันกวมันก็ลุกเลยใช่ครับคือคือพอคุณคุณปลาเห็นมินเขาก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าอ๋อเด็กคนนี้นี่นี่มีความมุ่งมั่นมากเลยเขาก็เลยจะไปอาศัย ความมุ่งมั่นของเด็กนี่แหละบังคับตัวขอตัวเข้าไปให้เขาชวนลากเราไปเราไปยังไม่ได้ก็ได้คนนี้ก็ช่วยลากเราไปครับครับคราวนี้ก็เหลือก็เลยผมก็เลยอยู่โยงก่อนว่าออย่างนั้นเดี๋ยวเราสลับกันแล้วกันตอนนี้ย่ายกกันอยู่ตอนนีคนนั้นจะเอามาเนี่ยเป็นม่านเส็นที่ปัดน้ำครับครับไว้เขาอกาศขึ้นไปที่เขาฝั่งผู้ชายบ้างครับเรามีติดต่อมาได้ได้ครับ ครับส่วนคําถามไม่มีครับไม่มีไม่ตั้งถามแล้วรูแล้วต้องปฏิบัติอะไรนะครับครับอันนี้อยู่ที่ขั้นปฏิบัติแล้วเรียน่ที่อยู่ที่ความเพียรเลยครับครับเนี้ยปฏิบัติไปถ้าพยายาหนักมาอาจจะมีคําถามใหม่ก็ได้ครับครับโอเคงั้นครัพยายามปฏิบัติหาที่ปฏิบัติครับครับขอบพระคุณครับอาารครับ อาคุณกิติศักดิ์ครคุณกิติศักดิ์ก็ไปขึ้นเขามาเน่ยใช่ไหมมาสการครับพระอาจารย์เป็นไงไปอยู่มากี่วันไปอยู่มาสามวันสองคืนครับพระอาจารย์แล้วเป็นไงบ้างก็ได้ได้พบกับที่อาจารย์สอนแล้วก็เจอว่าเป็นจริงก็คือที่บอกว่าต้องฝึกสติเยอะๆตลอดทั้งวัน พอไปอยู่ที่นั่นก็พุทโทรพุโธตลอดแล้วก็เจริญสติเดินจงกรมตลอดตืเมื่อเหมือนกับมากขึ้นนะครับ mm hmm. เดินจงกรมปกติอยู่ที่บ้านปฏิบัติจะนั่งอย่างเดียวพอไปอยู่ที่นั่นก็เดิน mm hmm. เดินแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆพอกลับมานั่งปุ๊บมันลงเร็วมากเลยครับอาจารย์ mm hmm. สงบสงบแบบสงบเหมือนมันเร็วเหมือนไม่เคยเป็นมาก่อนเลยครับ ได้แหละกำลังรู้สติแสดงกำลังใช้เรามีมากขึ้เชื่อคื อ, คอพบกับตัวเองเลยครับว่าโอสมัยก่อนทําไมผมไม่ค่อยเดินภาวนาหรือว่ากําหนดสติคําว่าคือได้แต่ฟังเข้าใจในสัญญาอย่างเดียวครับว่าต้องฝึกสตินะก่อนที่จะไปนั่งสมาธิจะได้สงบแต่ครั้งนี้เจอกับตัวเองว่าโอ้มันได้จริงๆริไม่รู้ว่าวิธีจเจริญสติจริงๆจะรียนยังไง ก็คิดว่าพอรู้ว่าเราทำอะไรอยู่ก็มีสติแล้วแต่ยังคิดนึงนคิดดี่อยู่ด้วยแต่ถ้าไปอยู่ในปา่าอยู่คนเดียวเนี่ยมันรู้ทันทีเวลาพเพิ่ไปคิดอะไรนี่มันจะรู้เยคมันก็ทำให้นั่งสงบเร็วขึ้นครับแล้วก็หลังตอนที่นั่งก็ตามลมหายใจเข้าไปจนไม่มีลมหายใจแล้วก็นิ่งรู้รู้สึกแต่ตัวรู้ครับ มันได้นานขึ้นครับถ้าพยายามให้มันนิ่งนาๆให้มันเป็นองค์เบ็ขานานๆอยู่กับความสุขแบบนี้ดีป่ะความสุขที่แน่ใจลกเสียงกินแเราทําไม่อยากกลับบ้านเลยครับอาจารย์ก็ไปใหม่ได้วันไหนว่าโอกาสแน่ว่าจะไปใหม่แล้วก็ขออนุญาตอมีคําถามกับอาจารย์นะครับคือว่าตอนที่เรารู้สึกกับตัวรู้ครับตอนที่เอไม่มีลมหายใจในขณะที่นิ่งอยู่เนี่ย ปอนานๆไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันมันเป็นไปได้ไหมครับว่ามีนิวรณ์เข้ามามันได้มังคิดกำลังลมสติอ่อนกำลังลมความรีกระโผลขึ้นมาได้ก็เราก็ใช้สติดูลมไปแล้วใช้พุทโธแล้วใช้ใช้สติหดูมันก็ได้แล้วเรามีสติพอรู้ว่ามันคิดตั้แล้วก็หยุดก็ก็ดึงพุทโธกลับมาอีกทีหนึ่ง้าได้ถ้ามันไม่ยอมหยุดด้ยการรู้ว่าสั่งมันมันไม่ยอมหยุดก็ใช้พุทโธ ถ้าเราใช้จังหวะ น, นั้นคิดในหรือว่าเดินปัญญาในคิดเกี่ยวกับเรื่องธรร ม, มะอะไรนี้ได้ไหมครับอาจารย์ก็มันยังไม่ควรนะเพยังต้องการฝึกความนิ่งกวามสงบให้บ่อยสามารถควบคุมจิตให้มันนิ่งไปนานๆได้คว่านี้กว่าั็ข้อขสองครับอาจารย์อตอนที่คนเราตายไปแล้วครับเสียชีวิตไปแล้วกายเราไม่มีแล้ว มันเหลือแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวตัวรู้ตัวนี้ตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวนี้มันยังอยู่ในตัวรู้ครับอยู่ในตัวรู้เวทนาของตัวรู้เป็นแขนขาของตัวแต่ในข้อของที่เป็นวิญญาณที่เป็นการรับรู้ตาผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายตัวนี้มันก็พักดวงชั่วคราวเพราะไม่มีรูปเสียงมันไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายไปครับมันก็พักดวมันดอนนอนหลับเนี่ย อ๋อแต่แต่มันยังอยู่ในจิตเราใช่ไหมใช่เวทนาสัญญาสัญการมันยังทํางานมันก็ผลิตความสุขให้กับผลิตเรื่องราวต่างๆเป็นแบบรูปแบบของความฝันให้เราดูก็รับรู้ผ่านทางจิตตัวตัวนี้ตัวรู้นี้อย่างเดียวอา่อาออครับถ้าสันดีก็เป็นสวรรค์สันได้ก็เป็นนรกเนะครับสันดีเมื่อทําบุญสันได้เมื่อทำบาตร อันนี้มันเป็นวิบากเวลาเราทําุญทำบาปมาเวลาเรานอนหลับด้วยกันเาตายวิบากมันจะแสดงผลในใจให้เราเนในรูปแบบของความฝัน <Okay. S 1> อันนี้เราห้ามมันไม่ได้ถึงเวลานั้นมันเป็นไปโดยอันตโนมัติเมื่อเราไม่มีสติการลนสติมันไม่ทํางานแล้วอย่างนี้ในตอนที่เราหลับเราโดยทักในระดับที่ อ่าขันสูงสูงไปแล้วท่านจะมันก็ไปทำงานถ้าเราควุมมันไว้ตั้งแต่วันแบบอ๋อใช่เราฝึกเราฝึกไม่ไม่ให้มันทํางานมันก็ไม่ทำงานถ้าไม่ฝึกมันก็ทํางานมันก็คิดตรงแตกไปเรื่อยทั้งวันทั้งคืนถ้าอย่างนั้นก็เป็นตัวชี้ได้อย่างหนึ่งว่าถ้าเรายังฝันเรื่องราวอยู่ก็ยังยังไม่สงบมากพองสงบมากถ้าไม่ฝันแสดงว่าสงบมากหรือฝันน้อย ถ้าฝันน่ายลงไปเรื่อยๆแสดงว่าจิตได้ฝึกได้สงบมากขึ้นไปตา ม, มองค์การเพราะฉะน mm hmm. ทำตามที่พระเจ้าสอนสาวกเนี่ยร่ากายกราทำบาป ท, ทั้งปวงสสร้างบุญสร้างบุญผลทั้งหลายถึงพร้อมสามชำระจิตใจให้สะอาดโดยนี่เป็ น, ปนสูตตายตัวของพระพุทธเจ้าทุกท่คน มาวุ่นตะเจ้ามาตัดสร้อยมาสอนทำก็จะสอนสูตรนี้สูตรสามขืนเหมือนสูตรของไสเสื้อโมเดอร์นาแอสตราเนี่ยอันน้ก็เหมนกันสุตรต้มตะเจ้ามันมีสามเนี่ยอย่าทําบาปทําแต่บุญแล้วก็ทนละกิเลสให้หมดไปจากใจ <c oughs> ใช้สติเป็นบูสเตอร์ครับเอใช้สติเป็นตัวฉีดฉีดเข้าไป พนท์ก็เอาเข็มได้าก่อถือศีลให้ลอยให้ลอยลอยสุดศีลห้าขึ้นไปโดยที่สองก็มีโอกาสก็ทําบุญไปตามโอกาสมีเงินมีทามีอะไรช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ได้ก็ทําไปตามกำลังตามโอกาสแล้วเข็ ม, 3, มาสามก็ไปภาวนาขึ้นเขาโดยจงกรมนั่งสมาธิ ทานทนายไหมธรรมอาวุธเจ้าเนี่ยสารถึงทานสิงภาวนาเดี๋ยวจะขอโอกาสพราจารย์ไปปฏิบัติได้ก็ติดต่อผ่านได้ถ้ามีที่มากกว่เช่นนี่ว um ่ามีเท่านี้ครับอาจารย์ที่คุณหมอวีะคันต่อจคุณหมอสบายดี้วคุณหมอ ครับอาจารย์รรมวิทาศครับสวัสดีครับผมมีโอากาสได้ภาวนาว่างไหมช่วงที่เร า, อ ย, าอยู่บ้านทำครับอาจารย์ครับทํ า, ทากับทุกวันครับผมทำกับทุกวันครับอย่างวันนี้ก็ก็ก็รู้สึกันรู้สึกถึงลมหายใจช่วงระหว่างทำงานเยอะขึ้นเยอะเลยครับอาจารย์ครับม <ว igan. S 1> ีสติพระมาขึ้นไม่เผลอเผลอน้อยลงครับครับก็รู้สึกปรู้ถึงลมหายใจมันก็รู้สึกเออมันก็รู้สึกสงบมีความสุขมาก มากขึ้นน ะ, ระนครับอาจารย์ครับแต่มันไม่ได้ทั้งวันนะครับอาจารย์แต่วันนี้รู้สึกว่าดีอยู่ครับมันว่าให้มันได้แม้แต่เซียววินาเทียก็ถือว่าดีนะครับผมแล้วเดี๋ยวมันก็จะพัฒนาไป เ, เดี๋ยวมันก็จะรู้มากขึ้นรูมากขึ้นอยู่กับลมอยู่กับร่างกายเพิ่มมากขึ้นไปอาจารย์คนนี้คุณหมออาจารย์คนนี้จะฉีดวัคซีนแล้วครับ เอาไอเสต่เข็มหนึ่งไม่เป็นไรนะั้าสามเข็มก็ห้าเดือนกว่า<ม>แล้กือบหกเดือนแล้ ว, แ, ลวแต่มันจะไม่ขึ้นมากคืออย่างน้อยก็เป็นเป็นยาที่เราชินกับมันนะ ม, มันก็ไม่แพงม่ะนะอาจารย์มีมคําถามแบบคิลเยสคําถามหนึ่งครับอาจารย์คือเมื่อเช้าเนี่ยครับผมก็ไปเห็นแมวมันจะมันจะกินจิ้งจกนะครับแล้วทีนี้ผมก็ไปไปช่วยจริงจกก็คือไปไล่แมวครับทีนี้ผมก็คิดว่าเออ ผมพึ่งจิตระว่างที่จบมันก็ดีแต่ว่าผมทำให้แมวหมดอดกินหรือเปล่าครับอาจารย์คือมันไปเจกแล้วต้องต้องดูว่าใครเดือดร้อนกว่ากันเลยพึ่งจบทำแมวใครเดือดร้อนกว่าครับพึ่งจบมันเดือดร้อนกว่าแล้วก็ต้องช่วยคนที่ก็เดือดร้อนกว่าใหแมวมันอดเดียวมันก็ไปหาอย่างกินได้ครับผมโอเคในกันผมคิดถูกแล้วครับแล้วถือว่ามันยังเป็นมันยังไม่ถึงควลาที่มันจะตายเพราะปุ่นเก่ามันส่งให้เรามาช่วยมันครับผม Uh huh. ้โอกาสหน้าหรือถ้ามันเจอมาทีถ้าเราไม่อยู่มันก็อาจจะโดนขีดโดนได้ก็ดีมันจะได้หมดกรรมไปอาจจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปได้ชาตินี้มันมาเกิดเป็นจริงจกเพื่อมาใช้กรรมกลับแล้วพอหมดกรรมนี้เนี่ยก็อาจจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ใะไรก็ได้พี่ทีมอ ง, มองลูกในแง่ดีอยูก็ดีตายก็ดี พอเช้าก็เลยคิดคำถามแบบเออแล้วแล้ถ้อย่างนี้แล้วผมไปขวางแมวหรือเปล่าขวางบางแต่มันอาจจะเป็นเรื่องเป็นจำกับแมวก็ได้มันอาจจะจำเรื่องอะไรก็ได้เออมันอาจจะไม่พอใจมาเปตุกา้ณ์ขวางคอครัแต่ก็รู้สึกดีที่ได้ช่วยจริงจงจริงนะอาจารย์ก็เหมือนกับพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตเลยก็เป็นเหมือนเนี่ยถ้าถ้าเคยอ่านประวัติที่มียายคนหนึ่งแกมีถาดทองคาอะไรเนี่ย แล้วพระพุทธจ้ากับเทวทัศก็เป็นคนไปซื้อของเก่าเทวทัศน์บอกว่าฐานไม่มีค่าราคาเลยท่านหลับพระพุทธเจ้ามองมองว่านี่มีของม่ค่าราคาให้ราคามากกว่าก็เลยโกรธเหมือนกับไปจองอาฆาตพยาบาทกันมาตั้งแต่วันนั้นอ๋อครับงั้นเ ร, ราแนวคนนี้มาจะพยาบาทเราก็ได้ <laughs> เดี๋ยวกันเจอกันเจอกันชาหนามันอาจจะขวางเราขวางกันได้เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้คนงานเอาข้าว้นกินกันแล้วกันแต่ได้แกตาแล้วเดี๋ยวมันก็หายโกรธได้ใช่หความโกรธได้ด้วยควเมตตาถ้ันเดี๋ยพรุ่งนี้จัดการเลยคับอาจารย์นี่คนแทงนี่มึงอย่าห้ามหมออย่าไปกินยิ่งจบเลยกินข้าวดีกว่สิของของที่ตายแล้วีกจะได้ไม่บา ครับผมครับครับก่าวขคุณครับอาจารย์ครับโอเคจะตอนนี้จารย์จเจอพระจายอาทิตย์ไหมครับผมนึกถึงหัวข้อทำเรื่องนกได้นครับผมโอเคยัไม่ต้องยัได้ไม่ต้องคิดเดี๋ยวว่าเราชอบแบบสเสริมนอน กลัหลวงพ่อคะ่ะหลวงพ่อได้ได้ยินหนูไหมคด้ยินได้ยินดีหลวงพ่อคะจริงวันนี้หนูก็ไม่มีคําถามอะไรฟังจากเพื่อนๆเพื่อนๆอะไรนะะแต่ว่ามีบ้างนิดหน่อยคะ่ะคือหนูฟังจากหลวงตามหาบัวกับที่หลวงพ่อสอนน่ะมันเหมือนวิชาอันเดียวกันนะคะหลวงพ่อคือฝึกสติให้ได้สมาธิช่วงที่อยู่ในสมาธิก็ไม่ให้ไปคิดทางปัญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ อ, อ พอได้ทางสติดีแน่นแล้วอะไรเงี้ยข้อไปออกทางด้านปัญญาที่ว่าแยกธาตุแยกขันธ์ไอตรงเนี้ก็คือหมายถึงไปพิจารณาทางปัญญาทางไตรลักษณ์อะไรแบบนี้ใช่ไ่มคะหลวงพ่อใช่พิจารณาว่าแต่ละอย่างเป็นสภาวะธรรมร่างกายก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเวทนาก็เป็นสภาวะอย่างจิตผู้รู้ก็เป็นเป็นธรรมอย่างหนึ่งไม่ได้เป็นตัวเดียวกัน เราเราเอาวิชากันมาทำให้เรามาัดไว้ที่สามตัวนี่บางตัวเนี่ยมันเราต้งาาองแยกว่าร่างกายก็เป็นดินน้ํำลมไฟทําทมาจากดินน้ำลมไฟเวทนาเมื่อก็เกิดจากการสัมผัสของดินน้ํำลมไฟทําทให้เกิดเวทนานทาขึ้นมาการพู้รู้ก็ให้ก็เป็นเพียงแต่ผู้รู้สอนใจ<อ>ใรู้ว่ามีหน้าที่รู้อย่างเดียวไม่ต้องไปยุ่งกับร่างกายไม่ต้องไปยุ่งกับเวทนา อ๋อแล้วปัญญาที่เรามาแยกธาตแยกขันธ์ทางเกี่ยวกับไอทางกายของเราเนี่ยค่ะคือคือพิจารณาแต่ทางไตรลักเกี่ยวกับร่างกายเราอย่างเดียวใช่ไหมคะหลวงพ่อก็ได้แยกทั้งสามอย่างที่เราไปฟังในร่างกายก็ทํามาจากดินน้ำลไมไฟเมตนาบก็เป็นผลที่เกิดจากการการสัมผัสของของร่างกายกับของแข็งของอะไรมันก็เกิดเมตน า, าตามม่างๆขึ้นมามันก็เป็นเหมืนกับ มันเสียงกระทบกับหูอยงเนี้ยอันนี้ก็นกาจกับถอดพระหนูยังไม่เข้าใจตรงที่หลวงตาท่านสอนบอกว่าเหมือนพิจารณาได้คือมันคิดแล้วก็มันปัญญามันจะออกแตกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันเกี่ยวกับธาตุขันเราอย่างเดียวอันเนี้ยนะคะหลอย่างความคิมันยังนั่ตอนที่ถึงธาตุขันไปแล้วต่อไปไม่ได้มันก็คิดเนี้ยแนวเดียวกันได้หมดครับทุกสิ่งทุกอย่าที่อยู่ในนอกนี้ แล้วแล้วพอคิดทางปัญญาเนี่ยมันจะถือว่ามันคิดแล้วมันจะฟุ้งไปได้ไหมคะหลวงพ่อไม่ถ้าเป็นปัญญามันจะสงบถ้ามันฟุ้งก็ไม่ใช่ปัญญาถ้ามันฟุ้งก็ต้องหยุดคิดนอกจากนั่งทบสมาธิใหม่ทำให้มันสงบก่อนถ้าเป็นปัญญาแล้วมันจะสงบมันจะยมันจะนิ่งจะปล่อยว่า คือสมมติเราคิดไปได้สักพักเนี่ยพอมันเริ่มเนี่ยเราเราต้องบังคับตัวกลับมาที่กลับเข้าบ้านอยู่ในสมาธิอย่างใช่นอะไรคะใ ช, ใช่ถ้ามันเริ่มเน้เทแล้วคิดฟุ้งซ่านไม่เป็นเรื่องเป็นราวเราต้องเราพักมันค่ะและ้วแล้วตอนที่กลับมาที่สมาธิเนี่ยค่ะสมมุติมันไม่อยู่เนี่ยเราเราก็บังคับมันด้วยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเงี้ยตลอดอย่าไปายากมันบางทีถ้ามันไม่อยู่เราอยากให้มัน นี่อย่ยิ่งอยากมานยิ่งทุกข์ใหญ่ไปรับรู้ว่าเออทำ น, นี่มันยากเลยก็พุโทโธพุทโธใจเย็นๆเลค่ะแล้วั้าสมมุติว่าเราออกจากสมาธิเราพิจารณาปัญญาไปเสร็จแล้วเนี่ยค่ะแล้วชีวิตประจําวันเราหนูพยายามเหมือนตื่นขึ้นมาก็จะให้พุโทโธพุโทโธในในใน ใ, ให้มันมัดอยู่ในใจเราตลอดอย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่อ ไม่ว่าจะเราถูกต้องไม่ว่าจะทะํารายการพุทโธพุทโธเนี่ะยะทงใจไปอดีตจะทรงใจไปอนาคตค่ะแล้วแล้วสมมติบางทีเราหลับไปช่วงหลับเราก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมคะหรืพอว่าพอตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจิตมันจะนึกถึงพุทโธพุทโธพอจะไปคิดอะไรที่มันมันมันไม่ใช่อะมันจะเหมือนมันจะวิ่งเข้าไปหาคําคําที่เราภาวนาอย่างอย่างเงี้ย่ะพุทโธเป็นเหมือนหลั่ยึดของจิตใจค่ะ ไม่ไม่ว่าจะเดินหรือว่าถ้าถ้าเรามีสติกลับมาเนี่ยมันจะวิ่งกลับเข้ามาหาคําเนี่ยมันมันใช่ใช่ไหมคะหลวงพ่ อ, พอใช่ถูกต้องแล้วแล้วพอตอนที่เราสมมติเราพิจารณาทางปัญญาเสร็จแล้วไอ้ตรงที่ว่าเจอกับความว่างตอนตอนเนี้ยคือความว่างสุดท้ายเนี่ยคือมันหลังจากที่เราพิจารณาปัญญาไปแล้วใช่ไหมคะหลวงพ่อถ้าเราพิจารณาคอยวางง่ามใจได้หมดทุกทุท ก, ท, กทุกสัดทุกส่วน วางกามอารมได้ปล่อยวางความเป็นความตายได้ปล่ยวางความเจ็บของร่างกายได้มันก็จะไม่มีปัญหากับร่างกายไม่ต้องไปพิจารณาเรื่องของร่างกายมันก็ไปพิจารณาเรื่องของจิตต่อไปแล้วแล้วตรงที่บอกว่าเออ่หนูหนูยังไม่เข้าใจเท่าไหร่สมมุติว่าพอไปถึงตรงความว่างแต่ว่าจริงๆแล้วมันยังไม่ว่างอย่างเงี้ยมันแปลว่าอะไรไไครับ ก็มันคือมันยังเป็นกิเลที่ละเอียดอยู่ซึ่งปัญญาของเรายังไม่ทันแต่ปัญญาของเรามันทันส่วนยาเพื่อร่างกายแต่ส่วนกิเลสที่มันอยู่ในใจมันหยากมันละเอียดไปอย่ะคิดว่ามันเป็นเป็นความว่างแต่ความจริงมันยังไม่ว่างจริงเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็ปฏิบัติต่อไปมันก็จะเริ่มนไปไม่ต้องกังวลแล้วตอนที่ปล่อยร่างกายให้มันได้ขาดคแล้ว่อ กายร่างกายและการมโนไม่ได้ใช่ค่ะแต่เดี๋ยวค่อยเข้าไปในใจตอนนี้นเข้าไปใหม่ๆไม่เคยไม่เคยเห็นใจที่มันสงบอะไรคิดว่าไม่มีกิเลสเดี๋ยวสังเกตุสักวันเดียวก็วจะเห็นกิเลสได้เองค่อยแสดงตัวมานะก็จะ อ, ออกมาอะไรต่างๆไม่ยงมี อย่างบางทีโกรธเรวบอกว่าไม่โกรธแต่จริงๆแล้วลึกๆนะมันยังเหมือนมีแฝงอยู่มันมีอยู่ค่ะงั้นปฏิบัติไปเถอะอย่าไปนั่งคาดตรงนี้ไหนมันไม่เกิดป็นอ์อ ะ, ะ่รใหรู้ให้รู้ภาพมให้รู้ภาพคร่าวๆมันจะเป็นยังไงก็พอแล้วถึงเวลานั้นก็ต้องไปดูของจริว่าเป็นยังไงถ้ะวันนี้กาเอาสติเอาสมาธิ มาปล่อยวางร่างกายให้ได้ก่อนปล่อยวางเมตนาให้ได้ก่อนค่ะหลวอ่ะวันนี้หนูก็มีคําถามประมาณนี้ค่ะหลวงโอเคขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะสาธุค่ะคุณประยูนเนะไม่ทราบว่าใช้ชื่อของใครประยูนยอดเชอิอยู่ที่ไหนคุณประยูนอืม สาน้มาส ก, การค่ะพระอาจารย์หนูชื่ออะไรจ้านานีค่ะนานีอายุเท่าไหร่นะสิบปีค่ะสิบปีเหรอเมนี่อยากจะถามคำถามอะไรเหรออยากจะถามว่าเวลาที่เรานึกถึงเรื่องไม่สบายใจ ใ, ให้เรากลับมายัางไงคะก็เอาทำพุโทโธไงพอคิ ด, ดถึงเรื่องไม่สบายใจก็พุทโธพุทโธพุทโธแต่ถ้าพลานเนี่ยมันก็เงิเรื่อไม่สบายใจได้ หรือด้านส่วนมวลเป็นหรือจะใช้การส่วนมวลแทนก็ได้ส่วนมวลที่ตีปีโสไปก็ได้ส่วนเป็นไหมส่วนมวลเป็นไหมเป็นค่ะแล้วถส่วนไม่อยากจะส่วนก็ใช้พูดโธรคาเดียวก็ได้พูดโธพูดโธรพูดโธรพูดโทรเป็นใจอย่าจะพลาดประเด็นเรื่องที่ทําให้เราไม่สบายใจ<ะ>ตอนที่ยังสบายใจอยู่ก็หัดหัดทําไว้ก่อน ถึงเวลาจะได้ทําได้ถ้าเราไม่ซ้อมไม่ก่อนเดี๋ยวถึงเวลาไม่สบายใจมันจะพูดโทรไม่ออกค่ะมันจะคิดแต่เรื่องที่เราไม่สบายใจแต่ถ้าเราฝึกพูดโทรพูดโทรไว้ล่วงหน้าก่อนพอเราเริ่มรู้สึกไม่สบายใจแล้ว้องเริ่มพูดโทรพูดโทอไปถ้าเดี๋ยไม่นานเรื่องไม่สบายใจก็จะหาพูดโทรเป็นเหมือนยางลบยางลบที่เวลาหนูเขียนอะไรไว้ เ, เขียนผิดหนูก็ใช้อย่างงบลบมันออกได้ หนูคิดอะไรก็ไม่สบายใจหนูก็ใช้พุโทโธพุทโธมั่งบรรลุไปจัดใจได้เคยนั่งสมาธิไหมเคยเพุโทโธไหมเคยค่ะเข้าใจเนือยค่ะเข้าใจแล้วค่ ะ, ะมีอะไรไหมอนมัาพการครับอาจารย์ครับออาเป็นยังไงอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัด น, น่านครับอําเภอปัวครับวันนี้ลูกสาวมา ฟังทำด้วยครับอาจารย์ครับดีใจด้วยที่มีเด็กสนใจการปฏิบัติแบบนี้น้อยคนแสดงว่าเขาคงจะมีดุลเก่าอยู่เดีย่พอสตรวจจะให้เขาเข้าใจหลักของการปฏิบัติได้ก็พยายามสอนโน้นให้เขาฟังทำมากไปฝึกนั่งสมาธิไปนักษาศีลมีโอกาสทำก็พาเข้าไปทำด้วยกันทานศีลภาวนา จะเย็นๆจะได้มากได้น้อยก็ไม่เป็นไรขอให้เอได้ทําไปก่อนก็แล้วกันครับพ่อจันครับเขายังมีเวลายเยอะก็ออยังต้องโตขึ้นอีกเยอะแต่ถ้าเราปลูกฝังไว้ตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวเขาโตขึ้นก็จะทําให้เขาปฏิบัติง่ายๆขึ้นขึ้นครับพอดีวันนี้แกมีเรื่องอะไรไม่ค่อยสบายใจแกเลยอยากมาฟังทำก็เลยให้ลองมาฟังดูครับแล้วตอนนี้เป็นงไงสบายใจขึ้นไหมนะ่ะ ค่ะสบายใจขึ้นค่ะเออนะทำามไม่สบายใจถ้าททัวไม่ออกก็ฟังธรรมะก็แล้วนี่ธรรมะมีตลอดเวลาคอฟังนั่งฟังไปสักนักเดี๋ยวก็เลยเรื่องไม่สบายใจแล้วถ้ามันธรรมะมันสามวิธีปฏิบัติสำเรื่องไม่สบายใจได้ก็ จ, จะหายหายหายเลยก็ได้ครับเรื่องนั้นดีน ะ, ะนี่แหละคือวิธีแก้ความไม่สบายใจที่ดีที่สุด ดีกลับไปเล่นเกมดีกลับไปดูหนังดีกลับไปกินไม่อะไรนะะพราะนั้นมันไม่ได้แก่มเพียงแต่จะกลบไว้ชั่วคาบนี่มันก็กลับมาใหม่ถ้าเราใช้พุโทโธนี่เวลาเราเท่าพุโทโธมันก็หายไปเราก็อยู่พุโทโธนะแล้มันกลับมาใหม่เราก็พุโทโธใหม่มะนะเราเราก็ไว้ปฏิบัติเลยนะ ม, มีคนไหนก็มาเล่าให้ฟังค่ะ การนมัสการครั บ, บการนมัสการค่ะสาธุธรรมจะมีการนมัสการมีการนมัสกาเช่นการนมั ส, สการค่ะพระอาจารย์อวันนี้เข้ามาฟังธรรมค่ะแล้วก็อฝึกเจริญสติอยู่ตลอดค่ะก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีคำถามนิดนึงว่าจะถามอาจารย์ว่าถ้าปกติจะเป็นจะสวดมนต์ยาสวดบทสวดเพื่อเหมือน หวังในอนุภาพของบทสวดนะคะพระอาจารย์เมื่อก่อนจะสวดเยอะแต่เดีนี้พอคือตั้งใจว่าจะเริ่มภาวนาเริ่มปฏิบัติก็เลยคืออยากจะสงบก็เลยพยายามนั่งนะคะทีนี้ถ้าจะเปรียบเทียบ ก, กันกับถ้าเราสวดมนต์เยอะๆจะจะได้ได้สติมากกว่าเริ่มต้นภาวนาไหมคะพระอาจารย์ได้น้อยกว่าถ้าเราดูลงหายใจได้หรือท่งพุทโธนคําเดียวนี้มันจะได้มันจะได้ความสงบมาก แต่ถ้ารายยังดูลมไม่ได้ยพูดโทไม่ได้เพราะจิตยังชอบคิดนู่นคิดนีนน่อยู่ไม่ใช้การสวดมนต์งับถังด้วยก่อนตอนนี้สติเริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วค่ะพระอาจารย์แต่ว่ายังไม่กระเลยจะตั้งใจจะนันน่งภาวนาะค่ะถ้าดูลมได้ก็ดูลมปไปเลยไม่ต้องไม่ต้องมาสวดก็ได้ ลมจับที่ปลายจมูกไม่ได้เลยค่ะพระเจอถ้ายังไม่ได้ก็สวดมนไปก่อนนะคะนี่แค่นี้นะคะ่ะพระอาจารย์จากทุกนะโอเคไปที่คุณพัฒลันได้แต่พัทลันได้ยืดทไอายุไรสิบสองแล้ ว, วยืดสิบยืดเท่าไรพัฒลันได้นาสตราหมาสการครับดูยืดเท่าไรครับ สิเอ็ดครับอ่าสิบเอ็ดวันนี้มีอะไรไหมวันนี้ไม่มีคําถามครับคฟังเรื่องไหมที่ฟังนี้ฟังรู้เรื่องครับไม่ยากเลยนะทำมาเนี่ถ้าตั้งใจฟังจริงๆก็ไม่ยากนะครับโอเคถ้าอย่างตอนนี้คุณแม่ต่อคุณแม่จะ มตรการพระอาจารย์ครับต่อไม่มีคําถามครับเข้ามารายการตัวแล้วก็ปฏิบัติต่อครับเข้าไปได้คุณมอทัศนีจ่านะคุณมอทัศนีใช่ไมธรรานทะ่านพระอาจาเจ้าค่ะวันนี้ลูกไม่มีคําถามเนจะ้าค่ะไม่มีคำถามเลยไม่มีเจ้าค่ะยังปฏิบัติอยู่นะปฏิบัติทุกวันเจ้าค่ะถ้าวันไหนไม่ได้ปฏิบัติจะรู้สึกว่า มันไม่คุ้เลยไม่เหมาะกันที่อาจารย์เมตตาสั่งสอนเจ้าค่ะอ่าดีอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปเลยไม่เลิกปฏิบัตินะเวลามีน้อยลงทุกวันทุกวันให้กินอย่างนี้ค่ะอาจารย์ค ะ, อะขอบคุณเจ้าค่ะคุณปลาวะไลเชื่กศรีราชชากลับนมัสการมแล้วค่ะเมือเมื่อวานที่ที่เรียนในภาคภาษา ภาษาอังกฤษแล้วค่ะเราพูดกันถึงเรื่องของความฝันแล้จ้าคะ่ะทีนี้ตอนแรกหนูหนูมีคําถามแต่ว่าหนูก็ได้คําตอบจากจากที่มีคนถามแล้วทีนี้หนูก็มาคิดดีว่าคือเมื่อก่อนเราฝันฝันว่าไปนู่นไปนี่อ่างเงี้ยคะ่ะก็คือ ก, ก, ก, ก, ก็คือฝันดีทีนี้ช่วงหลังๆหนูก็พอเริ่มนั่งสมาธิแล้วหนูก็ไม่ค่อยได้ฝันหรือฝันแต่อัตจัมไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะอันอันนี้ก็คือถ้าฝันแล้วจำไม่ได้คือสมาธิก็ยังอ่อนอยู่ถูกต้องไหมเจ้าค่ะ บางทีความฝันบางอย่างมันไม่ค่อยมีความสําคัญเกีับเราเท่าไรเราก็เลยไม่จำนะพอตื่นขึ้นมาก็ลืแต่ถ้าความฝันบางเรื่องมันมันประทับใจเรามันกระแทกใจเราบางทีมันก็มันก็ไม่ลืมตื่นขึ้นมามันยังจำได้คือน้ําหนักของความฝันจะเป็นแต่ไม่เป็นไรนะมันเป็นเสียงที่เราห้ามมันไม่ได้มันเป็นเหมือนกับเป็นตัวเป็นหนังตัวอย่างให้เราคิดว่า ตายไปต่อไปเราจะขันแบบไหนกันค่ะวันนี้มีลูกสาวมาค่ะมีค่นะ ม, มันยังไงมีคำ ถ, ถามค่ะนะมีคำถามค่ะอ๋อก็หนูอยากมาคิดว่าเหมือนการทําบุญอย่างเงี้ยคะ่ะมันไม่ว่าจะทําด้วยแบบสิ่งไหนหรือให้อะไรอย่างนี้ก็เป็นบุญหมดเลยใช่ไหมคะแต่ตเป็นการให้การให้ก็เป็นการทําบุญไม่ว่าจะใครเป็นผู้รับก็เป็นบุญเหมือนกัน ให้พลาด ก, ก็เป็นบุญให้พ่อให้แม่ก็เป็นบุญให้สุณพ่ให้แม่ก็เป็นบุญแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่เหมือนแบบว่าผู้ผู้รับอย่างเงี้ยค่ะเขาเกิดท<ฤ>ุกข์อะค่ะแบบเขาไม่สบายใจที่ได้รับหรือว่าเหมือนแบบหนุม่มมังจะได้รับคําต่อว่าหรือคออําแรงงั้นมาตลอดในการที่จะให้เขาหรืออะไรอย่างนั้นนะคะอันเนี้ยพอการที่เราให้เขาแล้วเขาเป็นทุกข์อย่างเงะะี้ยค่ะมันจะเป็นบาปหรือมันจะเป็นบุญนะคะ ก็อที่ว่าเราให้อะไรก็ถึงจะทุกข์เรายกตัวอย่างวันนี้หตั้งใจซื้อขนมมาให้พี่อทงงอมเนี้ยค่ะแล้วพี่ก็บอกว่าไม่ได้อยากทานเลยค่ะเขาเขาก็าก็ทานแบบมันเหมือแบบว่าก็จะไม่อยากจะเดือดเรียนหนูมั่งเห็นว่าหนูเป็นเด็กต้องซื้อของมาให้พี่คนโตกว่าเพราะอะไรไม่อยากจะให้ถนูให้ถขาเขาไม่ทุ ก, กข์แบบพ่อพี่แต่ว่าก็ อาจจะสงสารหรือนูหมันน่าจะามันเก็บไว้กินหรือซื้ออะไรให้กับของตัวหนูเองแต่ถ้าเป็นความจริงถ้าคนที่วัญชลานี่เวลาใครต้อให้เนี่ยก็จะต้องสแสดงความยินดีรัไว้ให้คนให้ก็มีความสุข<ฆ>แต่บนงทีเขาไม่ฉลาดเขามองอผิดมุมไปมองไปอมองไ ป, ม, งปมาว่าคุณจนกนเราคุณทําไมเราต้องมาเอาของมาให้เราอะไรอย่างนี้ เนี่ยไม่ต้องกังวลถ้ยเงินต่อไปก็ไม่ต้องให้เขาก็แล้วกันให้คนที่เขายินดีรับดีกว่าเนี่ยที่บ้านอำเภอทุกเช้างเนี่ยตอนบิณธบาเสร็จนีมีชาวบ้านมายืนเ่้าแถวรับอาหารที่ได้มาจากพระที่ได้มาจากบินธบเยอะเลยใหคย้คนที่เขาอยากได้ดีกว่าันนี้เขาไม่อยากได้ก็ไม่ต้องไปให้เขามันเอาเงินไปให้เศรษฐีเศรษฐีก็ให้เราเป็นคนจนแล้วไปให้เขาเขาก็เขาก็ไม่สบายใจ เ, เขาครอครัวเหมืกันแล้วแล้ว เ, เข้ามาเบียดเบียนเราถ้าเขารับเงินของเรารับของเราแต่คนรวยบางคนฉลาดเขาก็ไม่ว่าอย่างในหลวงเราก้าใครถวายอะไร ท, ท่านก็รับท่านก็รับท่านมีธรรมะท่านเข้าใจหลักของการทำบุญคนที่เขาทำบุญนี้ถ้าไม่มีใครมาขัเขาเค้าทำด้วยความตั้งใจเขาได้รุนเขามีความสุขคุณยังควรจะตอบสนองให้เขาได้มีโอกาสทำบุญ สุดท้ายนี่คือพอดีไปเปี๋ยวเขาก็ฟังทำพระอาจารย์มาตลอดนะคะเรื่องการขอพอรเขาก็ไปตอนแรกเขาไม่กล้าขอพอรพระอาจารย์เพราะเขารู้ว่าเดี๋ยวพระอาจารย์ก็ต้อ ง, ต, องต้องบอกว่าสอนอยังไงนี้สอบสอบดีดีอะคะ่ะวิชาสังคมงอ่า USA แล้วตอ ก, ก็เลยจัได้ได้พรจากพระอาจารย์นะคะอ๋อมันอยู่ที่ตัวเราแต่ฮิโตนาท ก, การนําการเรียนนี้ คนอนเรยแทนเราไม่ได้ถ้าเราเรียนแทนหน้าเราจะไปเรียนเลยเนี่ยเดี๋ยวจะเสร็จไปสอบแทนให้เลยหนูนนต้องทําการบ้านหนูต้เรี้ต้องดูหนังสือเองที่การสอบนี่เขาอยากจะทดสาวว่าเราเราได้ทําการบ้านได้อ่านหนังสือหรือเปล่าได้รู้หรือเปล่าว่ากาลังเรียนอะไรแค่นั้นเองงั้นถ้าเราให้คนอื่นเขามาทําให้เราเราก็ไม่ได้ความรู้อะไร น, น่อ ไม่ต้องไปขอพรพรแบบนี้ไม่ใช่เป็นพรที่พระเจ้าสอนให้ขอ mm hmm. พรทีพ่พระเจ้าสอนให้ขอคืออัตตาหิอั ต, ตโนดาโถขอให้เราเป็นที่พึ่งของเราเถิดทําตัวเราให้เป็นที่พึ่งของเราให้ได้เพราะถ้าเราพึ่งตัวเราได้เราไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นต่อไป mm hmm. ถาวามิตรพึ่งตัวเรามาทําหน้าที่ของเรา เราเป็นนั่งเย น, นเราก็ต้องเรียนเราก็ต้องทำการบ้านเราก็ต้องเรียนดังเสร็จเข้าใจนะนะหมดแล้วนะค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คุณจอยต่อจอยมัทยาเป็นยังไงจอยอตอนนี้ขายของอยู่ที่มัธยมหรอไม่ค่ะขายขายลูกชิ้นทอดอยู่ที่แฮมที่แฮ ม, มคนงานของของของลุงค่ะ อายดีไก็เมื่อวานขายดีวันนี้ขายค่อยดีก็เข้าใจว่าต้องใส่ทั้งแบบอรนะที่ยมคนงานใส่ใส่ตลอดค่ะแต่เขาคนไม่เยอะแล้วเขาก็เขาก็กลัวเราเราก็กลัวเขาเออมันมีมันมีโต๊ะกั้นระหว่างเรากับเขาไม่ไม่ได้เข้ามาใกล้กันเอก็ดีดีก็อยู่เฉยๆขายได้มากได้น้อยก็ดีคก็อยู่ไป ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะทําเรื่องย้ายโรงเรียนลูกมาอยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็ไปเอาของกลับอยู่ที่นี่มันกลับไปเลยนะมันกลับไปแล้วนมันกลับไปแล้วนรลูกค่ะรู้รู้ว่าเป็นอารมณ์ค่ะไม่มีอะไรค่ะเข้ามารายงานตัวค่ะพยายามฝึกสติมะยวายน่งสมาสมาธิแล้วจะมีกำลังไหมกำลังสู้กับอะไรต่างๆได้ค่ะค่ะขอบคุณนะคะ งานคุณาไปเอาต่างไหมคุณลาเอาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ห้องค่ะได้อยู่เมืองไหนอ ย, อยู่ห้องลีค่ะใช่แต่มาทักว่าอยู่จังหวัดไหนเมืองไหนประเทศไหนอ๋ออยู่อยู่อยู่ส ม, มุทปาการค่ะอ๋ะอที่ใครใส่บาตรใช่ไห ม, ไมยัง<ค>ไม่เคยั น, น่นมีคนหนึ่ง ยังยังไม่เคยเจอหลวงพ่อตัวเป็นๆค่ะแต่ว่าไปวัดหลวงพ่อมาแล้วันนีไม่ใช่เป็นตัวเป็นอันนี้อันนี้ผ่านพันกล้องค่ ะ, ะจะคุยกับหลวงพ่อเมื่อเดือนก่อนค่ะแล้วก็ช่วงปีใหม่หายไปไปปฏิบัติมาค่ะแต่ว่าปฏิบัติแค่สองวันสองหรือสามวันอะไรประมาณเนี้ยค่ะ แล้วก็ช่วงนี้เขามีวัดแถวบ้านเขามีปฏิติ ท, ทุกเกือบทุกอาทิตย์นะคะ mm hmm. แต่ว่าหนูโดนเขาหนูโดนไม่ให้ร่วมปฏิบัติด้วยตอนแรกเขาไม่ให้หนูไปด้วยหนูก็เลยรู้สึกว่าการปฏิบัติของหนูมันเข้าร่วมกลุ่มใหญ่ไม่ได้กปฏิบัติคนเดียวดีวทีสเลย ปฏิบัติคนเดียวได้ดีกว่าไใจหม เ, เสียงหายไปแล้วปัญญาขาดในะั่นคนคนาไปเอาอย่างเดี๋ยวขอข้ามไปก่อนนะเดี๋ยวไปที่ปรนกาพรพิก่ชนะายพิเเเทเชนครับบริการครับบร้การครับไงไงมีอะไรไหมวันนี้ อ่าราย ง, งานครับว่าฟังฟังธรรมะจากพระอาจารย์เรื่อยๆแล้วก็ปฏิบัติเรื่อยๆรู้สึกว่าตั้งแต่ไปใส่บาตรพระอาจารย์ทุกปีใหม่มาก็ก็มาใส่บาตรต่อเนื่องทุกวันอย่างนี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าจิตใจเวลาทําบุญหรือเวลาให้อะไรใครมันมันรู้สึกไม่ค่อยหวงเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนก็มีการเสียดายอย่างนี้ครับ ถ้เาเราปฏิบัติทปเรื่อยมันก็จะช่วยช่วยก่อมเราจิตใจเราได้จริงๆเลครับใช่ัดความตนนันหนีลดความโผงทำให้เรามีความสุขเห็นเห็นประโยชน์ของการทำบุญใช่ครับจดีคราเงินไปเที่ยวเที่ยวเดี๋ยวก็หมดไปแต่ทำบุญน้่ามันพอทุกครั้งที่เราคิดถึงบุญที่เราทำมันก็ยังทำให้เราอิ่มหใจ มีคำถามเลยไหมวันนี้เอ่อช่วงนี้เขาเลือกตั้งกันก็เลยนึกถึงคาคําของพระอาจารย์ที่เคยที่เคยเทศเอ่อ ม, มีคนถามเรื่องเรื่องเอ่อพระราชกิการรับคอนรัปชั่นอะไรประมาณเนี้ยคนให้ไม่ผิดอะไรเงี้ยเอ่อก็เลยอยากจะถามพระอาจารย์ว่าตอนนี้ที่เขาซื้อเสียงกันนะครับอาจาย์คนให้คนให้กับคนรับเนี่ยครับคนให้ไม่ผิด จะไม่ทำอย่างเงี้ยเพราะถ้าเกิดเขาซื้อสิอนเงี่ยครับคือถ้าทำกฎหมายมันก็ผิดใช่ไหมทางกฎหมาย<ช>าก็ห้ามใช่ไหมแต่ทาง<ช>ทำว่านี่เราให้เพื่อชนะใจเราซื้อน้ําใจก็ไม่ผิดแต่ถ้าเราไม่ไป บ, บังคับเขาว่าให้คุณั้นคุณต้อได้กับเรานะแต่ให้แบบว่าวันนี้อยากจะทําบุญทำทานก็ เ, นเหมือนเอาเงินมาจากท า, นางนี้ออื แล้วถ้าคนรับน้อรู้สึกประทับใจให้คนนี้ใจบุญดีนน่าจะส่งเข้าไปทํางานอะไรก็เลือกเขาอันนี้ก็ถ้าไม่มีการตกลงไว้ล่วงหน้าก่อนไม่ไม่ไม่ผิดเขาก็ทำตนแล้วก็เป็นทําทานเราก็รับเราก็รับทานของเขาส่วนนัเวลาเราไปลงเลือกตั้งเราจะเป็นเลือกคนไหนก็เป็นสิทธิ์ทั้งหมดอันนี้พูดทางด้านธรรมะนะแต่ทางด้านกฎหมายเขาถือว่าผิดก็ผิดนะ าทีกฎหมายทางโลกมันกับตั้งกฎหมายทางธรรมนี่มันอาจจะขัดกันได้ขอบครับกลับนรลระการครับท่าน้มครับโอเคไปที่คนโยเทนตต่อคอนโยเทนนวลประการครับอาจารย์นวลปะว่าอยู่ที่ไหนครับอยู่กรุงเทพครับ อ, ไรไอยากคำแนะนำของหมอวิรพันธ์ครับ เมื่อครูได้ฟังคําถามของหอก็เรื่องแมวกับจิ้งจบครับาอาจารย์อืก็เลยเกิดความสงสัยว่าถ้าถ้าเกิดเราผ่านไปประสบเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยแล้วเกิดเรามีเหตุให้ไม่สามารถเข้าไปช่วยได้หรื อ, อว่าหรือเลวรายที่สุดคือเราวางเฉยไปใช่ไหมครับอาจายจะเป็นมีผลกระทบอะไรกับตัวเราไหมครับอาจารย์ไม่หรอกไม่มีเพราะเราไม่ได้ไปทำอะไรจะดูไม่ไม่เป็นการแบบ อันจะขาดความเมตตาแต่มันท่ำเป็นวมมวความเมตตาขาดความเมตตาเพราะเหตุผลมันบางทําให้ทำอะไรไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ถ้าเราไปช่วยแล้วทาให้เราตายเราจะไปช่วยเขาหรือปล่าสมตนี่นก็ต้องมีเห่นเห็นคนจมน้จะตายอย่างเงี้ยถ้าเราว่าน้ำไม่เป็นเราจะกระโดดมาช่วยเขาหรอเปลาอันนี้มีคาถามนะครับะอาจารย์วสการครับ อาจจะคุณโยเทียคือคุณแอมมี่เชิญแอมมีวันนี้มือจะพูดได้จริงจริงก็ฝากไปลองดูวันนี้มาสวัสดีครับอาจาสวัสดีครั บ, วรบอวันนี้มาแล้ววันนี้มาแล้ววันว่าอย่างไรค ร, ครับมีคําถามอะไรหรือเปล่าครับครับวันนี้ไม่มีความคําถามครับเออเข้ามาฟังเชยเชยนะใช่ครับ ฟังรู้ด้วยไหมครับอะไรนะครับฟังรู้ได้หรือไมไม่ไม่ไม่มากครับไม่คยมากนะอ่าไม่เป็นไรใหม่ใหม่ก็อย่างนี้เนี่ยทำไปเรื่อยๆก็จะเข้าใจมากขึ้นไปเองนะไ ด, ดีนะฟังธรรมนี่ดีคุณค่ามีประโยชน์นะจะทําให้จิตใจเรามีความสุขจะทําให้เราเป็นคนดีได้ครับ แม่มีอะไรจะถามแม่แม่อ่ากับสวัสดีค่ะพระอาจารย์สวัสดีครั บ, รรบก็ไม่มีคําถามอะไรค่ะเข้ามาฟังจริงจริงก็ฟังทุกวันฟังตลอดเลยค่ะอันนี้ครั้งหน้าที่เข้ามาแล้วพูดมีเสียงได้ได้นี่รู้ไม่ถีเข้าแล้วใช่ไหมว่าต้องทํำยังไงก่อนขะคกูละโอเคถ้าไม่มีอะไรก็เดี๋ยวไปที่ทำต่อไปนะอ่าสวัสดีพระอาจารย์สวัสดีครับ คุณอะไรเ่ที่เห็นกงสุบัติานะสุบัตานะสุบัตานพูดได้ไหมไ บ, บได้ไหมสวัสดีค่ะดีไหมะสวัสดีค่ะอาจารย์สกายค่ะ<น>อยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพค่ะมีคำถามอะไรไหมมีค่ะหลายเรื่องหน่อยนะคะอะไรครับที่เราไม่ร่าอย่างเรื่องแรกก็คือว่าหนูเป็นคนที่ มีความฝันมาตั้งแต่เด็กค่ะคือทุกครั้งที่นอนหลับไปก็จะฝันฝันว่าไปนูน่นไปนี่อะค่ะแต่พักหลังเนี่ยอา่าตั้งแต่หนูมาปฏิบัติสมาธินะคะจนสามารถเออได้ชานหรือว่าใจสงบขึ้นเนี่ยพักหลังก็คือว่าจะเป็นแบบมีมิตภาพคนแปลกหน้าขึ้นมาค่ะในเรื่องนี้หนูหนูหนูรู้สึกว่าจะเป็นวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเพราะตั้งแต่หนูแบบเริ่มมาปฏิบัติธรรมสองปีที่แล้วอะค่ะ เรื่องพวกนี้ก็หนักขึ้นนะคะในเรื่องของความฝันก็คือมันมีสองครั้งได้อ่ะค่ะที่หนูภาวนาพุทโธหรือว่าเจริญสติด้วยกัน ร, ระดึกยุครู้อยู่กับกายอ่ะค่ะจนรู้สึกว่าดับไปอ่ะค่ะเหมือนกับว่าหลับไปแล้วไม่ฝันเลยอยู่ประมาณสองครั้งที่เหลือพอเราปฏิบัติภาวนาพุทโธแล้วอ่ะค่ะแล้วรู้สึกตื่นมาก็จะเป็นเหมือนมีนความฝันมาตลอดอ่ะค่ะ ไปที่นั่นที่นี่เห็นคนรู้จักไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแปลกหน้าเต็มไปหมดบางทีก็เห็นเป็นแบบอ่าเป็นคนตายเป็นแบบถูกไฟไหม้เป็นแบบหัวขาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแต่ที่พักหลังที่ตั้งแต่ประมาณปลายปีที่แล้วที่หนักอะค่ะก็จะเป็นแบบนั่งสมาธิแล้วภาพก็เข้ามาหรือบางที เรารู้สึกว่าเรานอนอยู่แต่ว่าขยับตัวไม่ได้แล้วเราก็เห็นแม่เราเดินไปเดินมาอยู่ในนิมิตยอย่างนั้นนะคะแล้วก็มีคนแปลกหน้ามาอยู่กับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ในส่วนเรื่องของความฝันนะคะก็คือว่าหนูเริ่มจะทําใจได้แล้ว่ะค่ะจากตอนออแรกที่แบบว่ารู้สึกแยกไม่ออกระหว่างความเป็นจริงกับปัจจุบันแต่ตอนนี้ก็คือว่าจะฝันว่าอะไรเราตื่นมาเราใช้ชีวิตปกติอยู่กับปัจจุบันนะคะ แล้วเราก็ลืมไปอย่างเงี้ยค่ะที่หนูเจอหนักๆเลยถ้าเกิดมันจุดความฝันตรงกับความจริงก็แสดงว่าใจเราแม่นนึ่งกำลันมองเห็นความจริงในความฝันก่อนถ้ามันไม่ตรงกันก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปอะไรให้รู้นเฉยๆไปกันแล้วกันจริงไม่จริงก็เดิไม่ต้องไปรี่ตอบกังวลกับเรื่องของความฝันเพราะว่ามีหลายครั้งอะค่ะที่หนูแบบ เหมือนฟุบหรือสลบไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเออหลับในในหลายๆครั้งอะคะ่ะเราปรากฏว่ามันเหมือนกับว่าภาพวันเนี้ยเราเคยเราเคยเห็นมาในสมาธิก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเดเนจาวัว <ไป S 1> คะ่ะก็เป็นไปได้ค่ะส่วนเรื่องที่สองนะคะคือหนูอะ่ะตั้งใจรักษาศีลก็คือว่าหนูอะ่ะจะไม่จ้างเขาฆ่าเพื่อให้เรากินสองจะไม่ไปกินพวกบุฟเฟ่ที่แบบจับสัตว์เป็นๆอะคะ่ะมากินแต่ เออที่ผ่านมาคือหนูอ่ะไปบ้านแฟนใช่ไหมคะแล้วหนูไม่รู้ว่าเข า, าอ่ะนําสัตว์สดอ่ะมากินก็คือแบบทำอาหารด้วยของสดหนูอ่ะก็ไม่รู้ว่าหอยตายแล้วหนูก็นั่งย่างหอยกินนะคะหนูอยากรู้ว่าเราไม่ได้มีคือเราไม่ได้มีเจ ต, ตนาจตน่าฆ่าเขาแต่เราเหมือนกับว่าเขาให้เรากินเราเห็นหน่ากินเราก็เลยกินอย่างเงี้ยอยากจะรู้ว่าโทษอ่ะคะ่ะหนักพอๆกับการที่เราแบบตั้งใจฆ่าเขาไหมคะหรือ ถ, <ม>ถ้ามีโทษ ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นของเป็นอยู่แล้ว เ, เ ก, ก็ดว่าเราคิดว่าเป็นของตายก็ไม่บาปไม่สำหรับเราเราไม่บาปว่าไม่มีเจตนาที่จะทำได้เขาเป็นอุบททัติเหตุไปถือว่าเป็นอุบททัติเหตุไปค่ะเพราะว่าส่วนตัวหนูวไม่ได้ทําอาหารผังจะซื้อสําเร็จรูปแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าที่บ้านเขาอ่ะจะซื้อของสดมาค่ะแล้วก็เอามาทําอาหารตอนนี้หนูก็เลยแบบระแวงไปหมดเลยอะค่ะเพราะเหมือนเหมือนกับว่าเราเราเห็นเขาแบบ หกหนังปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไปกินของนี่เป็นเนื้อไปเลยแล้วไปกินของนี่เป็นเป็นผักไปก็แล้วกันพยายามอยู่หนูพยายามอยู่ค่ะแต่เหมือนเหมือนมีมีความกระหายมีความอยากกินอย่างเงี้ค่ะแรงมากเลยอะค่ะหนูก็บอกว่าจะจ้าอย่างไหนดีเจะเอาเส้นหรือจะเาเนื้อสัตว์นะอาที่เอาเนื้อสัตว์ตายไปอาจจะไปเป็นสัตว์ให้เขากินแต่กับกับกับกับกานก็ได้นะโอ้ย ค่ะจะพยายามค่ะแล้วห น, นึ่งอันจะต้องไปเป็นเป็นสัจจิดนั้น่ะถูกข้อเอามาฆ่าแกนะ mm hmm. กินอย่างนี้มันก็อาจจะไม่กลกินก็ได้ค่ะเป็นสิพยายา ม, มค่ะแต่สมมติว่าถ้าเป็นของที่เขาทำเขาฆ่าแล้วเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยกินไปก็ไม่ไม่ไม่บาปค่ะหนูพยายามแบบกินแค่เฉพาะตรงนั้นน่ะคะ่ะของแปรรูปอะค่ะเอ เส้นเรื่องต่อไปนะคะคือหนูเวลาหนูฟังธรรมหรือว่าเวลาหนูใช้ชีวิตอยู่ในประ จ, จําวันนะคะเวลามีอารมณ์โมโหขึ้นมาอารมณ์เสียใจขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันจะเหมือนจะมีเสียงคําพูดของเราอ่ะคะ่ะที่โผล่ขึ้นมาเถียง mm hmm. โผล่ขึ้นมาแบบไม่พอใจโกรธใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. คือมันโผล่ขึ้นมาปุ๊บวิสองวิหนูก็จะรู้แต่หนูก็จะรู้สึกเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แต่ก็จะแบบว่าบางทีถ้าไม่ไหวจริงๆก็ พูดโทแล้วก็อยู่กลมหายใจเลยอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ถ้าหนูเฉยๆแล้วอะ่ะมันมันก็เหมือนกับว่าเราเราไม่ได้อินกับเสียงพูดตรงนั้นใช่ไหมคะ่ะเออใช่มันก็จบแล้วถ้าเฉยๆก็แสดงว่าเราปล่อยวางในเรื่องนั้นค่ะเพราะว่าหนูฝึกตรงเนี้ยอยู่ทั้งวันเลยอะคะ่ะแล้วก็ออหนูก็เลิเกเล่นเกมเลิกดูหนังฟังเพลงทุกอย่างนะคะ่ะยกเว้นแบบเราไปอยู่ในสถานที่ทํางานที่เราเลี่ยงไม่ได้หนูก็จะแบบฟังธรรมะหรือว่าอ่านธรรมะ ของพระอาจารย์หลายๆท่านนะคะหถึงจะอยู่แบบอย่างนี้เลยส่วนเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องลูกค่ะคือด้วยความที่ว่าหนูไปอยู่บ้านแฝดแล้วอลูกหนูเขาจะติดน้องสะภ้ยใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะแบบไม่สนใจหนูอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าจะฟังธรรมะจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเหมือนเวลามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูจะไม่สามารถบังคับลูกหนูได้เลย แล้วก็จะเป็นแบบประมาณว่าผู้ใหญ่เขาก็จะต่อว่าหนูเขาก็จะดูเหมือนหนูไม่สนใจลูกอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยไม่รู้จะทําตัวยังไงเพราะว่าหนูแบบ <c ười> <resp. S 2> เหมือนลูกไม่เอาหนูเลยตอนลูกอยู่กับน้องสะพายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขาวัยแบบวัยแบบสิบสิบห้าสิบหกอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกหนูสี่ขวบอย่างเงี้ยคือวัยแบบเด็กใ ก, railroad, ใกล้ใกล้กันอะ <c ười> ไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างงี้หนูแบบจะวางใจยังไงดีคะสําหรับอ่าสำหรับ อ่าคนในครอบครัวเขาก็อาจจะคิดว่าแบบเราเล่นโทรศัพท์เราไม่สนใจลูกเหมือนอยู่ที่บ้านเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะไม่แน่เราถึงแม้เราจะสนใจเขาบางทีเขาก็ไม่ชอบเราก็ได้หนึ่งก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องของเขาเขาชอบอย่างนั้นก็ปล่อยเข้าไปเ้าชาอบวันนั้นเราก็ปล่อยเขาไปให้เขาไปชอบเขาไม่ชอบเราก็ปล่อยเข้าไปวางท้าเขาไม่ได้เรื่องอยากชอบไม่ชอบ คือเอ่อจะบอกอยังไงดีคือด้วยความที่ว่าเขาเป็นเด็กใกล้กันนะคะลูกหนูเขาก็เลยไปเล่นด้วยแต่หนูไม่ได้อะไรอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าผู้ใหญ่เขาจะมองว่าประมาณว่าเร า, เราไม่สนใจลูกประมาณเนี้ยแต่หนูก็แบบหนูไปเหมือนลูกก็ไม่สนใจหนูเหมือนกันนะคะเขาไม่ต้อเขาไม่ต้อไปกังกับความคิดของคนอ่นหลังจากที่เ ร, <c oughs> เรายังทําหน้าที่ออกงแม่อยู่ก็โอเคแล้วก็ยังเล่นด้วยเขาอยู่ก็โอเคคื อ, นอ <c oughs> หน้าที่ของแม่หนูตอนนี้สําหรับหนูก็คือหาเงินส่งเสีย ทางเงินส่งเสียแล้วก็ดูแลแต่ก็คือหนูก็แบบไม่เขาอยากจะบังคับเขาอะค่ะบางทีปฏิสัมพันธ์ของแต่ละคนมันอาจจะไม่ไม่ไม่ตรสเปนกันใช่ก่อนอาจจะเคยเป็นกู้อะไรกันมาก่อนก็ได้นั้นนึงมันก็เลยไม่ไม่ลงกันคือหนูหนูแบบหนูไม่อยากบังคับเขาอะค่ะเพราะบางทีเขาไม่ฟังหนูก็ปล่อยเข้าไปไม่ต่างามาเร็วเข้าไปคโต ถ้าเราสอนก็ได้เรสอนถ้าบอก็ได้ก็บอกเข้าไปต้องไม่่าอ่าเป็นเรื่องของเขาไปหนูพยายามบอกอยู่ค่ะแต่แฟนหนูเขาแบบเขาประมาณมิจฉาทิถีอะค่ะออคือเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อะไรพวกเนี้ลูกก็เลยก็เลยของเขาไปลูกก็เลยคอนโทรยากด้วยเขาไม่ต้องคอนโทรลถ้าคอนโทรลไม่ได้ก็ไม่ต้องคอนโทรลก็คือปล่อยไปเลยเราก็หาเงินเลี้ยงดูตาม ตามขีดความเราตามคอยห้ามคอยบอกไปแต่เขาจะฟังไม่ฟังมันอนะไรเราบังคับเขาไม่ได้อก็คือเราเราบอกเขาแล้วก็แล้วแต่ตัวเขาจะตัดสินใจแต่ถูกว่าเราบอกแล้วเราทําหน้าที่ของเราแล้วค่ะประมาณนี้ค่ะอาจารย์นะคะเราจะทำอะไรมากกว่านี้ได้แล้วเป่าก็ไม่ได้จะไปบังคับเขาไม่ได้ถ้าเขาไม่ฟังเรบเราก็ต้องยอมรับความจริง เราเขาก้วว่าอาจจะไม่ไม่ลงกันใช่ก่อนอาจจะเคยเป็นอะไรกันมาก่อนก็ได้ชแต่ถ้าเราให้ความเมตตาเราเฉยเฉยว่าเดี๋ยวเขาก็อาจจะเห็นเห็นความเมตตาของเราเอง oh. เดี๋ยวเขาจะเข้ามาหาเราเองให้เข้ามาหาเราอย่างนะดีกว่ะที่จะไปบังคับเป็นหนี้ว่ากับให้เราให้เข้ามาครับเรา oh. ให้ใช่สิ่งที่ดีเข้าไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะประทับใจ ข้อตอนอยู่กับแม่แม่แม่ก็จะแบบว่าทําไมไม่ดูลูกเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแม่จะกดดันหนูมากนะคะเรื่องลูกหนูก็จะแบบก็จะเงียบเลไอย่างเงี้ยเพราะว่าเมื่อก่อนหนูก็จะแบบเถียงตลอดอะคะ่ะ <is S 1> แต่ตอนนี้ก็คือเหมือนกับเถียงในใจแล้วเราก็แบบพูดโทอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรา <ๆ S 2> ก็แบบคุมก็เฉยเไปไม่ทำไปเถียงกัไนไปเราก็รู้หน้าที่ของเราเราก็ทําหน้าที่ของเราไปคนเห็จะว่าทํามากทําน้อยน้องเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้นะปล่อเขาพูดไป ค่ะไม่มีเรื่องจะถามแล้วค่ะประมาณนี้ค่ะฝรั่งก็เล็มดูทีบางทีดูแล้วเหมือนกับโหดนแล้วก็เห็นฝรั่งครอบครัวมีลูกสักสามสองสามคนเดินมาด้วยกันเขาไม่อุ้มนะเขาปล่อยให้เด็กเดินนะแล้วพอเด็กล้มเขาก็ไม่รีบมาช่วยนะเขาบอกปล่อยให้ลกเขาเองงนนึงก็โหดนหไม่โหดนะคะเพราะว่าสอนให้เด็กมันรู้จักพึ่งตัวเอง หนูก็ปล่อยเขาหกโลหนูก็บอกให้เขาลูกขึ้นมาอล้วขึ้นมาเองไม่ได้มึงคนไม่ได้ได้รูปขึ้นไบ้พุ่มตำนานเริ่มอ๋อใหญ่เนี่ยมันทําให้เด็กเสียนะนะแล้วให้เขาพึ่งตนเองให้เขาเข้มแข็งเองถึงไม่ก็จะไม่นับเราเขาเป็นไปไหเดี๋ยวเ้าโตเขาเขาเขาคิดเป็นแล้วเขาก็จะเขาก็จะทราบสิ่งในการกระทําองวขเองค่ะ เข้าใจนะเข้าใจค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคน ะ, ค, ะคนคนเดดคิดเดคิดเดาคิดมีว่างเกดใช่ไหมเดาคิดคุณพีทีดาคิ ด, คดเ อ, อนานมัสการค่ะพระคุณเจ้าอ่า อืมพอดีมีคําถามแต่พอดีมีพี่คนหนึ่งเขาตอบไปแล้วถามไปแล้วหนูคิดว่าน่าจะคล้ายๆกันนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็มารายงานตัวพอดีหนูมาจากอังกฤษอะคะ่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็สิบสิบห้าวันแล้วแล้วมีคําถามอีกอย่างหนึ่งคือตั้งแต่หนูกลับมาหนูก็คืออะไรอะมันกระแสทางโลกอ่ะคะ่ะพระคุณเจ้าด้วยความที่ว่าหนูอยู่ที่อังกฤษมันจะเป็นสังคมอีกแบบหนึง่งแล้วเรากลับมาที่นี่ แล้วคราวนี้มันมันไม่สามารถปฏิบัติได้เลยค่ะแล้วมันวุ่นวายแตกับด้วยความที่ว่าเราต้องอยู่กับครอครัวไหมคะแต่หนูก็พยายามทําำใจให้ตัวเองแต่แต่หนูคิดว่าที่ที่หนูทําที่ผ่านมาหนูหนูเป็นคนที่อารมณ์ร้อนง่ายเป็นคนที่ใจร้อนมากแต่กลับมาครั้งนี้แม่บอกอยู่ว่าหนูเปลี่ยนไปเอแล้วคราวนี้หนูก็เลยรู้สึกว่าาน้อยก็เปลี่ยนแปลงตรงนี้ให้แม่เห็นได้ก็หนูก็ถือว่า โอเคอยู่แต่ว่าด้วยความที่ว่าหนูมาเจอกระแสทางโลก mm hmm. เพื่อนครอบครัวแล้วเรามาเจอแต่อะไรที่ทําให้เรารู้สึ ก, ก <c oughs> บาาาแบบมันไม่อยากอยู่ขอบว่าอาจารย์คือแบบมันไม่เป็นไรก็เป็นธรรมดาเพราะว่าวเราเคยอยู่แบบหนึ่งแล้วเรามาอยู่อีกแบบนึงแ้วมันก็ต้องปรับตัวใช่ไหมคะ <sina> ด้วยความ <c oughs> ที่ว่าตอนที่อยู่อังกฤษอ่ะหนูจะ อยู่แบบวิเวกมันไม่มีใครมายุ่งกับหนูเลยแม่หนูอยู่ยนคนเดียวค่ะแล้วคราวนี้เรามาอยู่ตรงนี้เราต้องอยู่กับพี่น้องอยู่กับสังคมที่แบบว่าคือก็ครอบครัวนั่นแหละค่ะแต่ด้วยความที่ว่ามันเคยอยู่แต่ครัวคนเดียวเราไม่ค่อยได้วุ่นวายกับใครแล้วพอมาอยู่กับครอบครัวคือเราจะพยายามแบ่งเวลาทุกอย่างให้มันเพียงพอกับพวกเขาอย่างนี้ค่ะมันมันเลยกลายเป็นว่าฮอลิเดย์ของหนูมันไม่ได้เป็นฮอลิเดย์อีกแล้วก็ แต่ก็ไม่เป็นไรแต่ก็มีความสุขนะคะได้เจอหน้าพวกเขาแค่นั้นที่หนูต้องการแต่ว่าก็บางครั้งมันก็ำทําให้หนูนรู้สึกว่าเอเราลืมเวลาให้กับตัวเองแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย น, นะคะแย<า>กไปอยู่ที่โรงแรมมากเลยแย่ไปอยู่ที่โรงแรมอ๋อตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่บ้านแล้วค่ะตอนนี้อยู่ที่โรงแรมจับตัวแค่หมายถึงว่าถ้าอยู่อยู่ที่บ้านเรามันวุ่นวายก็แย่ไปอยู่กลับเป็นอยู่ที่โรงแรมแล้วถ้ามาเยี่ยมคก็เช้าเย็นกลับอะไรอย่างเี้ก็ได้ได้เวลาส่วนตัว เห็นมากจังครับเราลงนามถูกถูกก็ได้ลงนามถูกถูกก็ได้ไปช่าเดนนี้คอนโดอ่ะพนมันเดือนนไม่ดีจันก็คิดถึงพ่อนะคระแต่แต่มีอีกอย่างหนึ่งพ่อแกจะเฝ้าประตูเลยแกจะไม่ให้หนูไปไหนแกพยายามที่จะแบบใช้เวลากับหนูให้มากที่สุดแล้วก็แม่ก็คือพ่อกับแม่หนูไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมคะคือต้องแบ่งเวลาให้พวกเขาทั้งสองคนเท่าๆกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับหนูพยายามทจะแยกล่างอะไรเจ้าค่ะ เราก็ต้องอยาล้สาสภาพว่าอนนี้เรามาทํำบุญกันแนละ้วตอนนี้อยากคิดถึงตัวเราคิดถึงตั ว, วคําหนูตั้งใจสาธุจ้ะอ่าคือหนูตั้งใจมาตอนแรกอ่ะตั้งใจเลยนะคะก่อนตั้งใจใหนูหคือตั้งใจจะมาปฏิบัติแต่ด้วยความที่ว่าโอ๊ะมันคงไม่ได้ปฏิบัติแล้วละค่ะหนูก็เลยพยายามทําที่บ้านแต่ทาที่บ้านก็อย่างที่บอกก็มีลูกมีหลานมีพี่น้องแต่ว่าก็ไม่ต้องทำไม่ชื่อข่าตอนนี้ไม่เอาไปทำ ทำหน้าที่โดยทําเสียสละทาให้คนอื่นเขามีความสุขทําให้เขามีความสุขไปก่อนอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเจ้าค่ะโอเคเจ้าค่ะเป็นไงเราจะมีมีเวลาที่เป็นของเราเองก็เราค่อยๆปฏิบัติของรับต่ออันนี้ทําให้คนอื่นเข้าไปกลายเปก่อนคิดว่าตอนนี้เป็นซันตะครอสกันแล้วจากซันตะครอสพยายามให้ความสุขคนอื่นใช่ไหมคะให้ความสุขคนอื่นเข้าไปส่น เขาก็วังเขาวังจากเรามากนานๆจะมาทีใช่ค่ะสองปีเจ้าค่ะสองปีที่ไม่ได้เจอครอบครัวเลยแต่ก็มีความสัขนะครับแต่เหนแต่อนนิดนึงจะมีความสุดเจ้าค่ะย้อนกลับมาอังกฤษเข้าย้อนกลับมาอังกฤษเข้าว่าใหม่ค่ะค่ะต้องปรับตัวนะเหตุการณ์มันเปลี่ไปแล้วก็ต้องปรับตัวให้มันเข้ากับเอตุการเจ้าค่ะอืม จะได้ไม่ทุกข์อยู่กับความจริงอย่าอยู่กับความอยากถ้าความอยากกับความจริงไม่ตรงกันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่ต้องปรับความอยากให้ตรงกับความจริงแล้วก็จะไม่ทุกข์ตอนที่ต้องอยากอยู่กับพี่กับน้องอยากอยู่กับพ่อกับแม่เพราะนี้คือความจริงตอนที่อยู่อังกฤษก็อยากจะกลับมาไม่ใช่หรอพอกลับมาเทนี้ก็อยากจะกลับไปกัน ป, ปัญหาอยู่ที่เราเองอปัญหาอยู่ที่ตัเองรัดเราตัดตัวเราไม่ไม่ทันกับเหตุการณ์เจ้าค่ะท่นนี้นะา่าขอบคุณค่ะโอเคคุณคุณคุณสมภาตาจาก Dallas. เดลัสไแต่องนะคุณจิ๊บไม่ค่อยถึงนักที่เดนมาร์กหลายนางแต่ค น, <c oughs> นอเขแซงคิวเรื่องไหนกันม้ยเดี๋ยวใกล้ละใกล้ละคุณจิ๊บเราทักทักันกล่าวธรรสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ วันนี้ ค, คุณพ่อและลูกไม่มีคำถามเจ้าค่าน ะ, คะแต่ว่าค่ะขอฟังเฉยๆเจ้าค่ะแต่ขอขอฝากเพื่อนๆที่อยู่อเมริกานะคะว่าไม่ทราบว่าเขาทราบเกี่ยวกับเรื่องของโควิดเทสที่จะได้ฟรีหรือยังนะคะไม่ทราบเหมือนกันคุณะวิดคุณซิลินทรอนคุณจิ๊บยังไม่ได้เข้าเข้าไปในเว็บไซต์ได้แล้วเสร็ก็เปินปเว็บไซต์มัน<ใ> น, มนี้แล้ว อาใช่ค่ะเจ้าเจ้าค่ะเจ้เจ้าค่ะก็เมื่อวานเพิ่งสมัครแล้วค่ะได้ฟรีสี่ชุดสี่สี่ชุดเจ้าเจ้าเจ้าค่ะสี่ชุดเจ้าค่ะก็เป็นตอนเดือนนี้ไงก็ไม่รู้นะนี่ตอนหนึ่งประเทศกันนะเจ้าค่ะก็ตอนนี้หาเทสยากแลค่ะก็ได้ได้ฟรีก็ฝากบอกเพื่อนถ้ามันไม่เป็นไรไปเทสต์มันจะไม่ไม่เอ็ มีมีประจําไว้เพราะว่าท้องผืดอะท้อเผื่อเราไปหาที่ไหนลำบายไม่รู้อันดีมาด้เดี๋ยวต้องกักตัวเองถ้ารู้ตัวเองติดก็ต้องกักตัวเองไม่รู้ก็ทําให้ลูกไอชี้ไปถ้าเราไม่มีอาการก็ไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปใส่ใส่หามันหรอกทําเป็นไม่รู้เรื่องดีกว่านะเจ้าช้จะได้สบายใจเฉยๆไปถ้าไม่มีอาการแล้วไปวุ่นวาทําไมเออเจ้าค่ะ ตีเขาจะโมลไาเขาจะตีตอนไปก่อนค่ะยังนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะไม่มีคําถามเจ้าค่ะโอเคนะเจ้าค่ะกลั บ, ลบจับถือเจ้าครับผญจิระเชอญบุจิรพันธ์หน่อจิรพันธ์อยูี่ไหะมัสการครับท่านอาจารย์ครับผมอยู่อำเภอแกลงที่ระยองครับ อ, อาจารย์ได้กลับบุญเขาสอครั้งได้ครับมีคําถามอะไรไหมวันนี้ อ่ามีครับอาจารย์ครับเอ่อเคยฝึกปฏิบัติสติแล้วก็สมาธิด้วยอนาปานสติมาตั้งแต่เด็กกันนะครับจนโตจนเรียนจบเนี่ยมันก็พัฒนาขึ้นจนไปถึงอับปนาสมาธิแล้วด้วยไม่มีใครแนะนําครับอาจารย์ครับมันก็เลยเสื่อมไปแต่ว่าช่วงที่เสื่อมเนี่ยใช้ชีวิตปกติแต่ก็ไม่เคยทิ้งนะครับยังทําความรู้สึกตัวอยู่ตลอดก็หลุดบ้างอะไรบ้างแต่ก็ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ไหนหีไปไหนมันยังมีการเตือนยังระลึกรู้อยู่ตลอดคราวนี้คําถามคือว่า หักเราจะเริ่มต้นกลับไปปฏิบัติให้มันพัฒนาเหมือนเดิมดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเราเดินทางเดิมที่เลยเคยทํามาได้เลยใช่ไหมครับอาจารย์หรือว่าต้องต้องอต้อง ม, มีการไปไปเปรียิเว่ไปอยู่คนเดียวแล้วปฏิบัติอย่างต่อเนื่องครับสองสามวันเนี้ยปอยู่นเดีย ว, วปฏิบัติมันถึงยามมันถึงยามมีกาลังมากขึ้นนะครับถ้าปฏิบัติอยู่ที่เดิมทําเท่าเดิมมันก็จะได้เท่าเดิมอืมเพราะว่าฐานเดิมมัน มันพอมีอยู่แล้วแล้วมันก็ไม่ได้หายไปไหนมากเพียงแต่ว่าถ้าอย่างนี้เราเราจะเอแตกออกไปพิจารณาในเรื่องไตรลักษณ์บ้างก็ได้ใช่ไหมครับท่านอาจารย์ก็ได้แต่ ม, มันก็จะไม่ได้ผลเท่าไหร่ไม่ได้ไประโยชน์เท่าไหร่ท่าลังท่าสมาธิของเรายังไม่มีมากครับอาจารย์แต่ถ้าพิจารณาได้ครับพิจารณาไปเพื่อปล่อยวางพิจารณาเพื่อปล่อยวางอ่าครับครับ<น>เคยเคยเคยท่านอาจารย์เคยแนะนํา อย่างนี้บ้างแล้วครับถอดอย่ะงนี้ปล่อยวาได้ก็ปล่อยพิจารณาเมปล่อยว่างลดความลดรับเอามอยากให้น้อยลงไปเข้าไปครับอันนี้สําคัญครับอาจารย์ครับผมเกตครับเราไปปิดวิเ่งดูสิไปปิดงครับสองสามวันหนึ่งอ่าว่าจะหีเข้าไปอยู่ในสวนแล้วอ่อยู่คนเดียวจะนานในเวลาครับมากคือคีอลราแก้เหมือนกับว่าไปเสริมเสริมให้เขาหน่อยแต่ว่าต้องให้ ให้ให้ให้ได้เวลาหน่อยเพื่อกระตุ้นให้มันเกิดกำลังใหม่ขึ้นมาใช่ประชานแบบนี้ยปนประชานแบบนี้โอเคครับได้ครับสาธุครับอาจานีนะครับผมโอเคทีนี้คนจีบแล้วข่บวคนจีบแล้วจีบกลับนันสักงานค่พะคพระอะาจารย์ไดยเรื่องที่คุณจัรพัฒนาฝากขาวมาแล้รยัง ได้แค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสุภัทราได้แล้วค่ะจิ๊บไปขอที่พอดีรัดที่จิ๊บอยู่อันนี้เขตเขาแจกที่ห้องสมุดอะค่ะจิ๊บก็ไปขอแบบแต่ไม่รู้ว่านิสัยไม่ดีหรือเปล่าคือเขาให้ไปเอาที่ห้องสมุดได้หนูโยมก็เลยไปห้องสมุดนี้เขาเริ่มตั้งแต่สี่โมงเยนโยมก็อาไปห้องสมุดนี้เสร็จขับไปห้องสมุดหนึง่งเพราะว่าไปเอาให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเออไม่รู้ว่าแบบเอเราโลภไปหรือเปล่าแต่ว่าเราก็คิดในใจว่าเราเอาเผื่อคนที่บ้านเราคงไม่เป็นไร แต่แบบเพิ่งเห็นประกาศค่ะว่ารัฐบาลเขาแจากเว็บไซต์ให้คนอ mm hmm. ไปเอาเองได้แล้วโยมก็โยมก็ลงของไปษนีเขาเรียกอะไระมันเหมือนกรกมไปษณีของที่นี่อะคะ่ะเขาก็แจกเหมือนกันนะคะถ้าถ้ า, ถ, าถ้าท่านไหนที่อยู่อเมริกาก็เข้าไปในเว็บไซต์ของไปษณีอเมริกา USPS อะคะ่ะเขาก็แจกเหมือนกันคนละสีชุดเหมือนกั น, นะคะ่ะ mm hmm. ขอบพระคุณนะคะอะคุณสุภัทราที่มาบอก คือโยมวันนี้โยมมีคําถามไหมโยมมีคําถามอันนึงค่ะตอนเนี้ยโยมสังเกตอารมณ์ตัวเองเหมือนกับว่าพระอาจารย์สอนว่าถ้ามันมีความคิดมีจิตอะไรเราก็ควรจะเอาคําพุทโธเข้าไปจับมันใช่ไหมคะโยมก็เลยว่าเออถ้าเราจับเออเหมือนกับสามีเก่ามาทาอะไรแบบนี้ไอ้โยมก็จะมีอารมณ์ขึ้นมาตลอดเลยเราก็แบบโอเคบางทีจับได้จับไม่ได้จับได้จับไม่ได้เพราะคุณแม่พูดอย่างนี้เออจับได้จับไม่ได้จับไม่ได้คือโยมเลยรู้สึกว่า เมื่อไหร่มันจะถึงจุดจุดหนึ่งที่ว่าเป็นเหตุการณ์เดิมที่คนเดิมทําแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงจุดจุดหนึ่งที่ว่าเราไม่ต้องใช้พุโทโธเข้าไปจับมาเลยเราไม่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์เราก็ต้องเห็นว่าเขาเป็นตายรักเห็นว่าเขาเป็นอนันจธรรมอนัตตาอนัตตาก็คือก็เขาเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นเราไปบังคับไปห้ามเขาไม่ได้ คือเราก็ต้องมองให้ว่าโอเคคือถ้าเมื่อไหร่เราจเจริญปัญญาไปถึงที่ขั้นที่ว่าเรามองเขาเป็นไตลักษ์ได้ว่ า, าแล้วก็ปล่อยเขาได้มันมันก็ปล่อยโดย<ช>ที่ใช่ถ้าพอไปยุ่งกับเขาก็จะทําทให้เราทุกข์ไปคิดถึงเขา <c oughs> ไปยุ่งกับเขาไปเกี่ยวข้องกับเขามันก็จะทําให้เราทุกข์แล้วก็อย่าไปยุ่งไปเกี่ยวข้องกับเขาแล้วค่ะ <c oughs> อย่างอย่างในกรณีคืออย่างในกรณีของพ่อของลูกอย่างเนี้ยค่ะเหืถึงแม้เราจะอยากกันแล้วแต่เราก็ต้องเกี่ยวข้องกันเรื่องลูกอยู่ดีก็เกี่ยวข้องกันแบบเหมือกับดินฟ้ากันห้ามเขาไม่ได้ทักเขาไม่ได้เราก็ต้องมาปรับที่ตัวเราบ่อยๆบ่อยๆ ใ, ให้ถีดๆมากกว่าเดิมใช่ใชไหมให้ปล่อยวางปล่อยวางเขาจะทําอะไรก็จะมาเยี่ยมลูกก็จะสอนลูกกันอะไรก็เลี้ยงของเขาไปทำไม่ทําไปอยุ่งกับเขาแล้วการที่เรา คือการที่เรากลัวว่าเออลูกจะโตขึ้นเป็นแบบเขาหรืออย่างเงี่ยคือมันนี่ควรจะเป็นเรื่องความอยากที่เราควรจะตัดออกัลวเขาอาจจะไม่เป็นก็ได้คือเหมือนกับที่พระอาจารย์สอนว่าอยู่กับปัจจุบันดีที่สุดใช่ไหมคะไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตนะควก็ปัจจุบันก็ไม่ยึดไม่ติดกับอะไรอะไรก็เกิดขึ้นไปก็เกไปให้ลูกเฉยๆไปค่ะ ถ้าอย่างนี้โยมก็ยังมีความรู้สึกว่าเมื่อวานนี้คุยกับ น, น้องเหมียวอะคะ่ะน้องเหมียวไม่พระอาจารย์น่าจะรู้จักน้องเหมียวใช่ไหมคะโยมก็อยู่คุยกับ น, น้องเหมือนกันน้องก็ว่าเออบางทีพิจิบอาจจะโยมแบบเราอาจจะติดความคิดที่ว่าเออถ้าเป็นคนนี้พูดปุ๊บมันจะติดว่าเ อ, อ๊มันจะต้องขึ้ น, นอารมณ์ขึ้นๆโยมแลอวสงสัยเรายังติดอยู่ใน ปกติกเก่าอเหมือนกับมันยังฝังอยู่ในเ่ือดค่ะจริงๆยมให้อภัยนะคะแต่บางครั้งทำไมรู้สึกว่าทำไมเรายังแบบเออพอกเออมันแสดงว่าจิตจิตลึกๆเรายังฝัดไม่หมดใช่ไหมคะถ้าเราเจริญสมาธินั่งสัจธรีเสร็จเรามาใช้ปัญญาต่อไปเรื่อยๆมันอาจจะถึงขั้นที่เราสามารถ บางเฉยกับอุเบกขาได้เกือบทุกอย่างใช่ไหมคะอาจารย์ตอนนี้เราขาดอุเบกขามาเลยวางเฉยไม่ค่อยได้ใช่ค่ะโยมก็ว่ายมก็ขาดอุเบกขาไปพอสมควรเหมือนกันค่ะโยมจะพยายามปฏิบัติค่ะพระอาจารยโยมก็นั่งสมาธิขึ้นแต่แบบบางทีนั่งๆเพรโยมคือตอนนี้ในบ้านมันเล็กแล้วมีหลายคนอยู่โยมก็นั่งในห้องกับลูกสาวตอนที่ลูกหลับพอนั่งไปได้สักพักรู้สึกเหมือนจิตมันรวมแล้วจิตมันรวมพอลูกสาวก็แอมอึ๊บ ีพแบแตกไปอีกแล้วโอ้เราเราจะนั่งที่ไหนได้บ้างเนี่ยออกไปเดินจงกมก็ไม่ได้มันหนาวมากาเลยแล้ี้องส้วมเลยเข้าไปในห้องส้วมไม่เป็นรเข้าไปเข้าไปนั่งในห้องส้วมแบบนี้ มันบาปไหมคะอาจารย์ที่ไหนก็บาปนั่งที่ไหนก็นั่งนั่งในป่าช้ายังนั่งได้นั่งในห้องส้วใช่ยมยมยังคิดเลยว่ายมอาจจะแบบเวลาพักเที่ยงยมอยากจะไปนั่งในห้องน้ําอ่ะที่ไหนที่สงบแม่คเป็นที่ปฏิบัติได้ไม่ไม่ไม่ถือว่าแบบเป็นสิ่งน่ารังเกียจไม่มีสิ่งน่ารังเกียจแล้วถ้าเราอาบน้ําไปแล้วพุทโธไปเลาอไดอย่เงี้ได้ได้ได้นี่เราไปเข้าส้วมทำไมถ้ามันเป็นที่น่ารังเกียจ ออโยมก็คิดว่าเอหรือว่าจะมีแบบสมมติคือเทวดาเขาก็จะชอบฟังธรรมแล้วถ้าโยมเปิดธรรมะในน้องน้ำเขาเลยเขามาทำธรรมเขาเลยมาสนใจกับเนื้อของเราเนาะคิดไปเองหรือเปล่านะเหมือนกับมีสปายคอยติดตามดูเหตุการณ์เราสบายดูยิ่งก็ไม่กล้าทำบาปอย่นงั้นเวลาทำบาปแล้วมันคิดว่าอนี้มีมีเทวดากำลัาแอะดูมีสปโยมก็คิดนะคะเอละอายละอายนอนละอายเราไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยมีคนเฝ้าเขาเฝ้ามองเราหรือเปล่า ค่ะยัไม่มีค่ะไม่เป็นไม่เป็นไรใช่ไหมคะเทวดาเขาก็หรืออะไรอย่าง้เขาก็ไม่ได้มาแบบตามเราตลอดอะที่ไหนที่ไม่มีใครรบกวนเราที่นั่นเป็นที่าวาที่นั่นถือค่ะทานาทีสินาทียงที่พระอาจารย์บอกก็ถือว่าก็ยังดีกว่าไม่ท้าเป็นน้อยสปีดบ้ามวกว่าจะสปีดบ้าก็ต้องเล็วหน่อยใช่โยมยังเหมือนอยากเหมือนน้องคนก่อนหน้าที่บอกว่าขึ้นยานอวกาศออกไปเลยโยม คงแบอตอนนี้ยังหยุดแค่เป็นเต่าคานอยู่แต่เหมือนพระอาจารย์บอกถ้าเต่ามันทำไปเรื่อยๆมันก็จะถึงจุดหมายมทำอย่าหยุดแล้วกันพยายามทำไปบ่อยเจ้าค่ะวันนี้โยมม่เท่านี้ค่ะพระ อ, อราจารย์พระอาจารย์มีอะไรแนะนาโยมไหมคะแค่ปล่อยวางปล่อยวางเจ้ชค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์พาายพ า, ายามทำให้จิตเป็นอุเบกขาปล่อยวางนะ จะพยายามให้มากกว่าเดิมเจ้าคา่ะ<ม>กับนาสการขอพบคุณเจ้าคา<ม>สาธุค่ะวลม้มค่ะคุณกรมพพันธ์คุณกรพิพันต่อใช่ที่ไหนเลยใช้านามสการค่ะพระอาจารย์ค่ะอยู่นนทบุรีค่ะพระอาจารย์เออหายหน้าไปหลายอาทิตย์ น, นนะ ค่ะหนูไปเปิดร้านขายข้าวต้มค่ะพราจารยนข้าวต้มทะเลตั้งแต่วันที่ห้าธันวาค่ะวันวันที่ห้าธันวาโยมแจกอะคะ่ะแจกเลยตันเปิดร้านถ <ไป S 2> วายใช่คเล ย, นะลยช่ค่ ะ, คะคแล้วก็วันที่สองก็ถึงจะขายแต่โยมขายช่วงตอนเย็นนะคะเลิกมืดมืดค่ำค่ำอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนะคะพราจารนโยมคิดสูตรเองค่ะพราจานตอนแรกก็นึกว่า การออกมาทําร้านค้าเนี่ยค่ะจะไม่สงบแต่กับมีมีสิ่งประหลาดนะคะพระอาจารย์คือกลับไปบ้านสรบทุกวันเลยค่ะพระอาจารย์ <c oughs> ค่ะแล้วก็รู้สึกจิตมันนิ่งดิ่งดีค่ะพระอาจารย์มันไม่ฟุ้งมันคือเหมือนกับว่าร่างกายมันเหนื่อยล้าไปจิตมันอยู่กับสติอยู่กับการงานที่เราคิดค้นสูตรอาหารขึ้นมาค่ะพระอาจารย์ <c oughs> คิดคิดสูตรของตัวเองแล้วก็ อยู่ในช่วงทดลองสูตรแล้วก็อยากให้คนทานแบบว่าทานแล้วอร่อยอะค่ะจิตมันก็เลยมุ่งมั่นอยู่ในการงานตรงนั้นนะคะก็ได้ออกออกมาพบปะผู้คนได้เรียนรู้การอยู่ในสังคมเยอะค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วพระอาจารย์บบบบค่ะก็ตอนแรกก็กลัวคิดว่าออกมาแล้วคงจะขาดความสงบมาค่ะแต่กลับกลายว่าเอะแปลกกลับกัาว่าเออมันสงบมันมันมัน มันแน่นนิ่งดิ่งกว่าค่ะพระอาจารย์ดีเพราะว่าเรามีอะไรทำมันก็ททำให้เราเลยถ้าอยู่คนเดียวบางทีมันไม่รู้จะทำอะไรมันก็จำเจมันก็เบื่อจิตจิตมันจะแน่นแน่นกว่า<ม>อยู่บ้านด้วยค่ะพระอาจารย์<ม>เพราะมันมันต้องใช้สติตลอดเวลากับการงานแต่ละวันเนี่ยค่ะพระอาจารย์<ม>ต้องใช้พลังในการใช้สติเยอะในการทำงานเยอะค่ะพระอาจารย์ พระอาจารย์แล้วก็ยมยมรู้สึกว่าพักหลังเนี่ยจิตยมแปลกค่ะพระอาจารย์คือยอมยมเจอวันนั้นยมปิดร้านแล้วยมกลับไปตอนยังคืนนะคะอ่ายมเจอแมวแมวมันโดนรถชนนะคะพระอาจารย์หน้าปากซอยแล้วมันนอนพังงาพังงาบยมก็ตกใจถามเป็นอะไรมันก็พังงาพังงาแล้วพอดีคนเก็บขยะอะค่ะเขาตะโกนมาว่าเมื่อกี้มันโดนมดอเตอร์ไซค์ชนยมก็แบบ มืดแล้วเงี้ยค่ะอยู่อยู่คนเดียวเข้าบ้านแล้วมันมืดแล้วเราก็ไม่รู้จะช่วยมันยังไงแต่ก็สงสารมันมากเลยค่ะก็จะก็เดินมาถามยามยามที่ตลาดที่โยมขายของมันอยู่ข้างบ้านโยมพอดีเขาตลาดเปิดใหม่โยมก็เลยลองมาเปิดเนี่ยค่ะยามเขาบอกว่าอ ย, อย่าอย่าไปยุ่งมันเลยกรรมของมันเราก็ช่วยมันไม่ได้โยมก็นึกในใจโหขนาดยามยังช่วยไม่ได้และโยมผู้หญิงตัวคนเดียวมืดแล้วจะช่วยอะไรมันได้ โยมก็ปงเลยค่ะพระจารย์แล้วก็ขึ้นบ้านทำหน้าที่ตัวเองแล้วก็หลับลมตานอนด้วยด้วยความพะวงอะค่ะคืนนั้นแล้วยมก็ตัดใจอะค่ะเหมือนกับว่าวิบากกรรมของมันเราช่วยไม่ได้อะค่ะพระอาจารย์ก็ต้องวางเบกขาใช่ไหมคะใชแ่แล้วแล้วอันนั้นมันเป็นแมวหนึ่งตัวแต่ว่าโยมออกมาข้างนอกเนี่ยโยมก็ได้เห็นเพื่อนร่วมทุกข์อะค่ะพระอาจารย์เขาก็มีความทุกข์ แต่พยมพิจารณาดูแล้วเนี่ยอ่ามันเหมือนกรรมของใครของคนนั้นนะคะพระอาจารย์ยมไม่สามารถช่วยได้เขาก็ตำหนิโยมเหมือนกับว่ายมเนี่ยผิดทำไมปฏิบัติธรรมแล้วไม่ช่วยเหลือคนนะคะพระอาจารย์แต่ยมช่วยไม่ได้ค่ะช่วยไม่ได้คไม่ช่วยยมยมมองพิจารณาแล้วกรรมของเขาเนี่ยยมช่วยไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ยมก็เลยบอกว่ายมไม่มีกำลังมากพอจะช่วยใครตอนนี้ยมต้องช่วยตัวเอง ัตเพื่อช่วยตัวเองไม่ไม่ไม่ใช่สายที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นเพราะแต่ละคนก็มีกรรมของของตัวคะ่ะพระอาจารย์เราก็ตำหนิเหมือนโยมเห็นกั่ตัวค่ะมันมันไม่ใช่เห็นกั่ตัวพระอาจารย์แต่เราช่วยไม่ได้จริงๆอะค่ะพระอาจารย์แต่เราก็โดนเขาตำหนิก็ห้ามเขาไม่ได้ค่ะโยมก็เข้าใจว่าคนกำลังมีความทุกข์อยู่อ่ะคะ่ะพระอาจารย์ ม, มันก็เป็นธรรมดาที่เราไม่สามารถสนอง สนองเขาได้อย่างเนี้ยค่ะก็เขาก็ย่อมตําหนิเราเป็นธรรมดาก็ไม่โกรธนะค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมค่ ะ, สะแสดงว่าโยมปฏิบัติได้<ม>ไหมคะพระอาจารย์ได้ถู้ะแต่ถ้าช่วยได้บ้าง ก, ก็ช่วยบ้างก็ดีเหมือนกันถือว่าเป็นการทำบุญไปถ้าช่วยได้ถ้าช่วยไม่ได้จ ร, จริงๆ ก, ก็ก็ช่วยไม่ได้มันเกินกําลังอ่ะค่ะพระอาจารย์ ม, มันเกินกาลังของเร า, าการกาลังก็อย่าเพิ่งช่วยไว้ไว้โอกนนาสนะ เราเป็นกำลังดีแบบนี้เราค่อยช่วยค่ะพอยอมดูแลโยมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงอย่างเงี้ยคะ่ะแต่การการที่เราแผ่เมตตาช่วยเขาอย่างเงี้ยพระอาจารย์เขาต้องการให้เราแผ่เมตตาช่วยเขามันช่วยได้ไมั้ยครับพระอาจารย์ได้แล้วการแผ่เมตตาไม่ได้ช่วยนะต้องทําอยาจะช่วยเขาต้องต้องทําใช่ถ้าทำยังไม่ได้ก็ใช้อุเบกขาไปก่อนค่ะโยมก็เลยถูกเขาตําหนิอะคะ่ะพระอาจารย์ ก็เหมสมมติว่าเมื่อกี้ที่ไลฟ์ฟังวาถ้าเราไปเจอคนตกน้ําล้วเราว่ายน้ําไม่เป็นเราจะลงไปช่วยเขาได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเราควรจมน้ําให้กับเขาอตอนนี้เราเขไปันเราก็ไปว่ายน้ําไม่แข็งก่อนแล้วต่อไปถ้าเจอคนตกน้ํำเราก็ลงไปช่วยเขาได้ใช่ใช่ค่ะเขาก็เลยตําหนิยอมว่าโยมปฏิบัติไม่ดีไม่เรื่องประมาณเนี้ยค่ะโยมก็ทําำก็ไม่รู้เรื่องของเราเลเราอย่าไปถือสาเขาก็แล้วกัน พระอาจารย์โยมก็ไม่โกรธอะค่ะเพราะโยมก็เข้าใจว่าทําไมเขาถึงต้องอย่างนั้นต้องโกรธโยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นธรรมดาเหมือนกับว่าเราไม่สามารถสนองความต้องการใครได้เขาก็จะตําหนิเราเป็นธรรมดาที่เขาต้องการอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถูกต้องไหมคะถูกต้องเราก็ต้องมีโอเบก้าเฉยๆไปค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งพระอจารย์วันนั้นโยมนัดเพื่อนจะทํำข้าวต้มไปถวายหลวงปู่ที่สุพรรณนะคะโยม ปิดร้านมาเที่ยงคืนโยมมานั่งทําอีกรอบหนึ่งจนถึงตีสี่ะคะ่ะแล้วโยมเพิ่งไปนอนแล้วหกโมงเชา้าก็จะนัดกันไปแต่ว่านัดกันว่าจะไปเก้าโมงครึ่ะค่ะแต่ว่าโยมตื่นมาตอนเช้าตอนแปดโมงมานั่งเตรียมแพ็กใส่จานใส่อะไรอีกทีหนึ่งมันทําให้โยมเลยเวลาเก้าโมงคึ่งะค่ะแต่โยมโดนเพื่อนตําหนิว่าโยอมอะมุสาโยมก็งงเพราะว่าหลวงปู่ถามว่าไปกี่โมงโยมบอกว่านัดไว้ประมาณ เก้าโมงคึ่งะคะ่ะก็คือตั้งใจจะออกรถกันประมาณเก้ามงครึ่งแต่โยมเสร็จประมาณสิบโมงที่จะเตรียมเนะะี่ยค่ะเขาก็ว่าว่าโยมโยมมุสาโยมก็บอกโยมไม่ได้มุสาแต่โยมอาจจะผิดศัจจ์เพราะว่าตั้งใจว่าจะไปเก้ามงครึ่งแต่โยมยังเคลียไม่เรียบร้อยอย่างเนี้ยคะ่ะถูกต้องไหมครับอาจารย์หรือเรามุสาครับอาจารย์มุสาเขาไม่มีศัจจ์มันก็เหมือนกันอาจารยนี้มันไม่มีความตั้งใจอย่างมุซามันเพียงแต่เป็นเหตุสืบพิสัยก็ ก็พยายามทำได้ก็เผื่อเวลาให้มากๆาก่แล้วกันเราจะนัดกับใครเหมือนกับว่าตั้งหนูก็ตอบตามความตั้งใจว่านัดกันไว้สามสามครึ่งนะคะโยมก็ตอบตามว่าสามสามเก้ามงคึ่งนะคะแต่พอความจริงมันมันไปไม่ได้มันไม่เสร็จไงคะงานมันไม่เสร็จมันกลายเป็นไปสิบโมงโดยที่โยมไม่ได้เจตนาว่าโยมจะโกหกนะค่ะโยมก็ไม่ได้เจตนาไม่มีความตั้งใจจะไปโกหกเขาหลอกโยมเขาไม่ไดแต่เพียงแต่ว่า มันเวลามันมันไม่ได้ตรงกับเวลาโยงก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นว่าเราอาจจะไม่ได้มุสาแต่เราอาจจะผิดคําพูดผิดสัจจะอย่างนี้ได้ไหมคะพระอาจารย์ได้ไดสินขาดไหคะพระอาจารย์อย่างนี้ไม่ขาดแล้วไม่ขาดถ้าไม่เจตนาจิตเจตนาไม่มีใช่ไหมคะค่ะาเราไม่เจตนาว่าเราจะไม่จะไปสี่โมงแต่เราก็มาเก้าโมงครึ่งอย่างนี้ถึงจะ ค่ะค่ะโยมก็ตอบว่าตั้งใจเก้ามงครึ่งก็ตามนะเก้าโมงครึ่งแต่พอถึงเวลางานมันไม่เรียบร้อยมันไปเสร็จสิโมงตาจันกากเหรียนพระจันแค่นี้ค่ะว่าหายไปปีไปทำอะไรแต่อยากให้พระจันให้พรด้วยค่ะมาการดีกรดีไวมืนขับประมาณแรกเลยค่สาธุค่ะพระจย์เดี๋ยวโยมจะแจกทานทุกปีเลยค่ะห้านวาทีหลานนะคะพระจันย์อดีสาธุสาธุพระจมันาล กลับนมัสการครับนะร ก, บก็ก็พยายามสวดมนต์นั้งสมาธิเหมือนเดิมเออเวลาสวดมนต์นี่จิตมันจะสามารถเออมันถือว่าเป็นเจริญสติใช่ไหมครับหลวงพ่อการสวดมนต์ถ้าอยู่กับการสวดมนต์อย่างเดียวก็เป็นการเจริญสติถ้าสวดไปคิดไปด้วยก็ไม่เจริญสติ อืมเข้าใจไหมอยู่กับการสวดมนต์อย่างเดียวอย่าสวดไปแล้วก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้วกกลูไปด้ไหครับ ก, ก็พยายามสวดมนต์แล้วให้เจริญสติถ้าสวดสวดแล้วใจลอยก็ไม่เกิดประโยชน์นั่นก็ต้องให้มีนั่ต้องให้มีสติอย่าให้มันลอยให้มันอยู่กับการสวดอย่างเดียว อ, อย่าลอยไปกับการคิดต่างๆถ้าลอยไปก้อนึงมันกลับมาที่บทสวดไหม มวันนี้ไม่มีอะไรเขาก็ขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงครับอ่านธรรมะหลวงพ่อที่เพจทุกวันก็ดึงดึงตัวเองมาไม่ให้ประมาท ก, กับชีวิตจนเกินไปครับเพราะไม่งั้นแบบเดินเจอเกิเลสดึงให้แล้วก็ประมาทครับพยายามเกาะติดกับธรรมะไม่ได้เพยายามที่จะเหนี่ยวจิตใจได้นะครับก็ผมรู้เลยครับว่าถ้าใจขัดธรรมะเมื่อไหร่มันก็เหมือนกับตายทั้งเป็นมันเหมือนกับดีแล้วไม่รู้อย่างนีดีแล้วจะได้ นำ้ำมันระวังนะครับได้ยินว่าต่อให้อายุเป็นหมื่นปีแต่ถ้าไม่มีธรรมะในจิตใ จ, จก็เรียกว่าโมคะบุรุษอะไรแบบอ่าก็ก็อย่างน้อยก็แบบชีวิตนี้ก็ขอตั้งเป้าไปในก็ขอเดินตามรอยพระพุทธประทับประสง์ครับได้่านดีกันนะคุณปุ้ยทอนสีได้ยินไหมคุณป่วยน่า ไ, ไม่มาภายในห้าวินาทีนี้จะไปที่อื่นก่อนนะมาแล้ว ได้ยินค่ะคุณปุ้ยได้ยินค่ะนวัตกรรมนวัตการมค่ะพอาจารย์คุณปุ้ยทํางานค่ะคุณปุ้ยทํางานโดยตอนนี้ทําอยู่ที่ไหนเออทาอยู่ที่ทางใต้ของลักษมเบิกข้าพเจาเนี่ยเขามีเคลื่นไปที่นั่นเหรอแต่พดีว่าโควิดอ่ะไปเจอโควิดแล้วคนมันไม่เยอะมากนะฮะก็เลย ก็เลยเอ่อพอมีเวลาพอได้เรียนได้ฟังได้สวดมนต์จ้อาอาจารย์สบายดีนะคะสบายดีจ้ะตอนนี้อากาศหนาวมากที่นี่แล้วก็ตอนนี้รักซึงเบิกโดนไปสามสิบห้าเปอร์เซ็นตแล้วแล้วมีเชื้อตัวใหม่ด้วยะคะ่ะหนักเลยค่ะแต่โยมก็ฉีดวัคซีนมาแล้วสามเข็มแต่เราก็ไม่ประมาทเพราะว่าขนาดเพื่อนร่วมงานฉีดเขาก็ยังติดะคะ โ mm hmm. นะยมก็ไม่มีอะไรก็ปฏิบัติทำทุกวัน mm hmm. ตื่นมาแต่เชา้าสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนชั่วโมงชั่วโมงกว่าแล้วก็เ อ, อถือศีลเราถือศีลห้ามัน่นแล้วระวังทํางานโยมรู้ว่าบางทีโยมโดนกระท่วกระแทกอะไรบ้างแต่เราผ่านไปได้เพราะความนิ่งความที่เราถือศีลทาให้เราผ่านไปได้โยมก็ฟังพระอาจารย์สอนทุกเช้าเลยค่ะ พยายามฝึกสมาธิบ่อยๆจิตจะได้แน่ <c oughs> ยมมีเรื่องนึงจะถามว่าการถือศีลแปดเนี่ยบางทีโยมไม่ได้ท่องแต่ว่ายมตรวจสภาพไม้ไมองทองรักษ า, าไปเลยทาไปเลยใช่ยมยมคิดอยู่อย่างนี้ว่าถามพระอาจารย์เอะเราเราก็ถือศีลคล้ายๆศีลแปดเพราะว่า เหมือนกับว่าเราอยู่คนเดียวแล้วเราก็ถือศีลมาตลอดนี้เราก็พลัาธนาศีลแปดด้วยกอนนอนคือจะได้ไหมคะตอนนอนอย่าไปอารานาอาราธนาตอนตื่นขึ้นมาเนตอนนอนเราไม่ต้องรักษาศีลอยู่แล้วรไม่ได้รักษาศีลก็เอาตอนที่เราตื่นขึ้นมาตึงนเช้าขึ้นมาอราธนาศีลก่อนวันนี้จะรักษาศีลแปด อ๋อต้องทําอย่างนั้นก่อนนะฮะไม่ใช่เลยอาราธนาตอนนอนอาราธนาใม่ตอนนอนไม่ได้ทำอะไรแล้วตอนเช้าอาราธนาอาราธนาตื่นไม่มาอารานาอันนี้จะรักษาสิบห้าวันนี้วันนี้จะรักษาศิบแปดแล้วก็พยายามทำตัดที่เราตั้งใจไว้ื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยมเขาฝันอะไรแปลกยมฝันบอกว่าเหมือนกับมีใครอ่ะ มาตามโยมให้ไปทําช่อช่อที่มันมันเป็นยอดอ่ะยอดของของของอะไรนะมันเป็นยอดของเจดีหรือยอดของพระธาตุไม่ทราบแต่ในฝัดนนะี่ยโยมคิดว่าเป็นพระธาตุเป็นยอดของพระธาตุที่ในมือโยมเหมือนเนี่ยเหมือนน้ำโยมถืออย่างเนี้ยเป็นใหใหอย่างเนี้ยเป็นสีชงชองเหมือนกับเอ้ยโยมก็เอ้ ย, ยเราจะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าวะโยมก็เลยเรียบเร่งสวดมนต์เลยเร่งปฏิบัต อย่าไปคิดไอะไรจะเกิดมันก็เกิดมันไม่ให้ามมันไม่ได้พยายามทำใจให้ดีรับกับเหตุการณ์ต่างๆแล้วค่ะค่ะโยมก็ว่างนั้นแหละโยมก็หมดแล้อย่างเดี๋ยวนี้จะมาขอพรอ่ะอ่าก็ขอให้เราไม่้วยไม่สวยไม่สะาดบานไม่รวยตาทุกค่ะอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงนะสาะะ อ่าขอโชคขอลาบด้วยค่ะให้เราไปด้วยทไปทุกมวยสาธุค่ะขอให้พระอาจารย์สุขภาพสุขภาพแข็งแรงนะคะเราไม่ขอเราไม่ขออะไรทั้งนั้นเราเอายินดีตามมีตามเกิดสบายใจอยากให้อาจารย์มาอยู่กับเราตลอดเสียใจขอเราไม่ได้เราจะเสียใจเราไม่ขอรู้ปะใช่ขอขอบคุณมากค่ะอาจารย์ คุณยอยเ ย, ยิงจ้ายอยเยิงวิชิใหม่แล้วยอยเยิงใช่ค่ะพระอาจารย์นรัสการเจ้าค่ะ ม, มีอะไรไ ห, หนูส่งของไปถวายพระอาจารย์อยู่ๆหนูอยากถวายหนูอยากใสหวาดพระอาจารย์แต่หนูยื้อใช้ใหม่ค่ะหนูก็เลยส่งของไปแล้วก็เมื่อวานนี้ตอนเซสชันภาษาอังกฤษ หนูก็ไม่กล้าพูดว่าเรื่องของหนูมันไม่สำคัญหนูเห็นเขาซีเรียสกันมาหนูก็เลยรอตอนท้ายแล้วบอกพี่ๆเขาพี่ๆเขาบอกว่าไม่มีใครอยู่กับพระอาจารย์ที่วัดเลยหนูก็เลยแบบ อ, อ้าวหนูก็เลยคิดว่ามาบอกพระอาจารย์นิดนึงเจ้าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเหมือนแบบส่งใครก็ไม่รู้ส่งของไปองี้ดูน่ากลัวถ้าหนู้นส่งไปถ้าหนูมีที่เบอร์โทรให้ตอบกลับเขา mm. ก็จะมีพระรับรั บ, บตอบกลับให้มีเบอร์โทรไหมไม่มีเจ้าค่ะหนูหนูวงเล็บแค่ยอหญิงเจ้าค่ะเพราะว่าหนู หนูซื้อของจากคนอื่นให้ผานจาันหนึ่งเี้อนทั่เราจะมอบให้พระก็ทําหน้าที่แทนเราเพราะเราไม่มีเวลาที่จะมาเปิดทอนแล้กต็ตอบตอบรับไปแล้วก็ของที่มาก็้เอามาแจกพระหน่อยพระหน่งเดค่ะอย่างนี้ก็หนูเข้าใจค่ะเพราะว่าพระจานทร์น่าจะมีธุรายเยอะค่ะอแต่ว่าถ้าอย่างนี้หนูดีใจนะที่วันนี้หนูโพล์มาบอกพผาจารย์ก่อน เหมือนมือนพระอาจารย์รับทราบรับทราบอ่เอของที่หนูส่งไปหนูก็ตั้งใจว่ามีให้คนอื่นอยู่แล้วเจ้าค่ะพพระอาจารย์มาล้วป่ะาแงกันเปนสัานันองป็สัานค่ะหนูเคยได้ยินพระอาจารย์เทศเรื่องใส่บาทผ่าป่าจนมารวมกันค่ะมล้วกมาแบ่งกันอีกทีพอาจารย์สบายดีไหมเจ้าค่ะสบายดีจ้ะ หนูสอบหนูเรียนหนังสือหนูสอบได้เก้าสิบหกเอร์ซ็นปดสิบ็ดเอร์ซ็ปดสามเอร์เซ็นที่หนูหายไปไม่มาเจออาจารย์หนูไปจารกมาเรียนระดับไหนล่ะสุดแล้วค่ะมันของของอักษรจุลาที่เขาให้บุคคลทั่วไปเรียนเรียนปัญญา ไ, ไม่ไม่ค่ะหนูไม่เรียนห น, ยหนูเรียนค่ะหนูเรียนอ่าไชนีสค่ะอนไชนีสค่ะจุนี่เซิงเลยควายเลยค่ะเซินฉีเจียนขัง ไอ้หนีรู้แค่นี้ขอบคุณเขาหัวใหญ่ไอ้หนี่แต่ว่าหนูหนูกําลังจะเรียนบาลีหนูเคยบอกพระอาจารย์แล้ว <laughs> แต่ว่าคือที่หนูเรียนเพราะว่าหนูคิดว่าวันๆเนื้อะค่ะถ้าหนูเรียนภาษาอื่นน่ะหนูก็ต้องเอาเอาใจอ่ะไปฟังเรื่องทางโลกของภาษานั้นๆเพื่อพัฒนาทีนี้หนูถ้าหนูเลือกภาษาบาลีมาเรียนเนี่ยอย่างน้อยหนูเอาเอ า, เอาชีวิตเวลาส่วนหนึ่งของหนูว่าไปไปทําเรื่อง เกี่ยวกับอคำพุทธศาสนสุภาษิตหรืออะไรอย่างนี้บ้างเนี่ยได้ดีนี่เหมือนกันค่ะแบบนขอบคุพระเจค่ะหนูคิดอย่างนั้นแต่ว่ามีวันที่หนูจะลงเรียนนะพระอาจารย์หนูโทรไปถามพระรูปหนึ่งที่ท่านจอปจะเรียนสี่แล้วก็ก็คือเป็นญาติหนูแล้วหนูหนูถามท่านเรื่องเกี่ยวกับเออเรียนแล้วมีอะไรเขาจะสอนอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าท่านพูดกับหนูว่า ผู้หญิงเขาไม่ให้เรียนบาลีหนูฟังแล้วหนูตกใจ <c oughs> หนูวบบเข้าหรอหนูหนูผิดหรอไม่ผิดเรามันเป็นธรรมเนียมเดิมสมัยก่อนนี่ผู้หญิงกับพระเขาไม่อยากจะให้เรียนด้วยกันใกล้กันอ๋อเพราะว่าวัดเป็นโรงเรียนใช่ไหมเจ้าค่ะใช่เพราะส่วนใหญ่บาลีนี่ยังมีแต่พระเ่ียนแล้วผู้หญิงไปเรียนนี่เขาก็ไม่อยากจะให้ไปเรียนเพราะพระไปใกล้ชิดกับผู้หญิงมันจะไม่ดี อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นทำเนียมเป็นทำเนมของทองสถานที่เขาเราก็เรียนแบบออนไลน์ได้ไม่ถามใช่เจ้าค่ะหนูหนูเรียนออนไลน์กับท่างจุฬาตลอดค่ะหนูเห็นพระจันทร์มีโรงเรียนด้วยเป็นสงฆ์เด็กเหรอคะสงฆ์เด็กเด็กม1ถึงม3น่าสนใจมากเลยเจ้าค่ะสมเด็จพระสพงฆราชสร้างขึ้นมาน่าสนใจไหมปี3ปีค่ะหนูดอมีโอกาสหนูจะร่วมทําบุญคะได้เนี่ยสาธุภูมิทนาค่ะ แค่นี้เจ้ค่ะที่ถึงพระอาจารย์เจ้าค่าาะาาอโอเคสาุจ้ะคุณคุณสาธิตจ้ะคุณาสาธิับอยู่ที่ไหนคุณสาธิตก <c oughs> ับรัชการพระอาจารย์ครับผมอยู่ตลาดอำเภอครับอาจารย์ครับบ้านอำเภอเนี่ยนงน่หรืไม่ครับก็ที่ที่เคยขออนุญาตเข้าสูมเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาครับอาจารย์จำหน่ายหรไม่ได้ครับทำ่ายก็ตางบาตอาจารย์ทุกวันครับ นะครับอตอนนี้ตั้งแต่ ว, วันที่อาจารย์แนะนําว่าต้องอนั่งสมาธิตอนเช้าก็ได้นั่งอยู่ครับแล้วก็มีโอกาสคุยกับหลวงพี่ปั๊บครับแล้วก็อขึ้นไปบนเขาบางสวนได้ไปนั่งสมาธิ <c oughs> แล้วก็อยากสอบถามเรื่องเรื่องการนั่งสมาธิครับอาจารย์กับการเดินแตกต่างกันยังไงครับอาจารย์ครับเหมือนกันเรามีสติอยู่เรื่องเดียวกันอยู่กับพุทโธก็ได้พุทโธพุทโธไปนั่งกับพุทโธพุทโธไปเดินกับพุทโธพุทโธไป เพื่อควบคุมความคิดไม่ให้ใจคิดเลื่อนตัวเองครับอาจารย์ครับอตอนตอนนั่งแรกแรงเนี่ยจะฟุง้งค่อนข้างเยอะแต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าหายหายไปสักระยะหนึ่งแต่พอจะกลับมาอีกก็คือเรื่องความฟุ้งซ่านที่เราคิดไปเรื่องต่างๆนานาที่ที่ผ่านมานะครับอฉะนั้นเราดึงกลับมาก็รู้ลมถ้าถ้าไปอีกก็แค่รู้ลมถ้าไป ก, ก็แค่กลับมารู้ลมใช่ไหมครับ ใช้ใช่ให้อยู่กับลมไปเรื่อยเรื่อยให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้อ่าแล้วแล้วการเดินตรงๆมแต่ละวันจําเป็นไหมครับก็สําหรับคนที่ปฏิบัตินั่งนา่เนี่ยถ้านั่งนานๆนั้นเมืเ่อเขาจะเปลี่ยนนิยาบุมาเดินแทนอ๋อครับครับแล้วการดูเท้าแนถนก็ดูลมตอนที่นั่งแล้วลุกขึ้นมาเดินก็ดูเท้าแถนซ้ายขวาซ้ า, ายขวาไปอ่าใช้คําบริกรรมว่าซ้ายขวาเลยครับไม่ต้องบริกรรมก็ได้ ดูเฉยๆก็ได้หรือว่ากำลังก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาไปนรื่จังหวะการความหมายด้วยก็ได้ความหมายก็คือให้รู้ว่าก้าวอย่างเดียวใช่ให้รู้ว่ากำลังก้าวเท้าซ้ายกําลังก้าวเท้าขวาเพื่อไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆระยะเวลาระยะเวลาไม่เกี่ยวใช่มไหมครับอาจารย์ว่าต้องตั้งตัวรับจนเดินได้นานเท่าไหร่ก็เดินไปยิ่งนานยิ่งดี ครับอาจารย์ครับแล้วที่นี้อ่าเมือม่อเมื่อเมื่อเราปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งความรู้สึกว่าจะนิ่งๆเนี่ยทีนี้อขั้นตอนที่เราจะได้จากการนั่งสมาธิขั้นตอนถัดไปจะเป็นลักษณะไหนครับอาจารย์มันจะนิ่งไงมันจะนิ่งแล้จะสดจะสบายในความสุขมีความสุขใช่ไหมครับอาจารย์มีความสุข อ, อาจารย์ครับผมฟังอบทหนึ่งของอาจารย์ที่อาจารย์พูดไว้ใน y o u u t b ยูอ่าใน facebook นะครับอาจารย์ครับ ผมจดเอาไว้นะครับอาจารย์ขอขยายความให้หน่อยครับอที่ที่อาจารย์กล่าวไว้ว่ากล่าวว่าพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าเราไม่ได้กลับมาเกิดแล้วเราไม่จําเป็นต้องมีร่างกายเราไม่ได้หาความสุขจากร่างกายหาความสุขที่มีอยู่ภายในใจเราได้นี่คือการตัดสุลของพระพเจ้าอาจารย์ขยายความตรงนี้ให้น่อหนึ่งครับ ก็เมื่อก่อนไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ตรงไหนเขาคิดว่าความสุขอยู่ที่ร่างกายมีร่างกายจะได้พาร่างกายเราไปเที่ยวไปกินไปเดินแต่ร่างกายมันเป็นของชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่เจ็บตายมันก็เลยเป็นกอบทุกข์ขึ้นมาวันหลังเรามานั่งสมาธิยู่เอะพราบว่าความสุขอีกแบบหนึง่งคือความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธินี่เป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกาย พอในความสุขจากสมาธิได้แล้วก็ไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมามีร่างกายได้ครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับขอขอบคุณอาจารย์มากครับ <Okay. S 2> ศึกษาธรรมะตลอดคับอาจารย์กพยามศึกษาไปไเรื่อยฟังไปไเรื่อยอ่านไปเรื่อยน่าจะเข้าใจมากขึ้นไปเองนะขอขอบคุณอาจารย์ครับ okay. คุณเซรินทร์ตอนต่อเชิญคุณเซรินทร์ตอนทำงานที่บ้านมาช่วย ทำงานที่บ้านทุกวันเลยค่ะพระอาจารย์อยู่ยนี้ก็คนะนะอเว้นที่มันก็ดีอย่างนะก็มีโอกาสปฏิบัติตอนเช้าก็ตอนนี้แล้วค่ะพระอาจารย์ก่อนหน้านี้ต้องรีบรีบขับรถไปทํางานตอนนี้ก็มีโอกาสอย่างน้อยก็ไปส่งลูกเขาหนาวมากอะคะ่ะแล้วก็กลับมาก็ได้ปฏิบัติทำนิดหน่อยอ่ะคะ่ะทําทําไปเรื่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์คะถ้าสมมติว่าอ การอารัธนาสีนะคะถ้าโยมไม่ได้อารัธนาสีเลยแต่ว่าเหมือนกระจมีความตั้งใจ อ, งอย่างเงี้ยค่ะ ว, ว่าเราจะรักอารัธ น, นาคนเดียวว่า พ, พอรู้แล้วว่าจะรักษาไส่เพราะว่ามันเป็นการตั้งใจไว้ที่จิตแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ตั้งใจว่าเราจะทําอะไรตั้งใจจะไม่กินเหล้าอย่างเงี้ยก็เป็นการอารัธนาภายในตัวนะ้วอ๋อค่ะพอาจารย์ถ้างั้นก็โยมก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะช่วงนี้ก็ก็ก็ดีอะค่ะอ่ามันก็จับหยุดที่ลมหายใจตลอดเวลา แป๊บเดียวมันก็สามารถนั่งสงบได้แต่ว่าก็ไม่ได้นิ่งทั้งหมดแต่ก็ดีขึ้นนะคะอาจารย์อทําไปเรื่อยๆแก่ได้ประสมมากไปเรื่อยๆใช่ค่ะอาจารย์ทำไปเรื่อย ๆ, ๆะค่ะ <ๆ S 2> แล้วก็หวังว่าวันหนึ่จะมีโอกาสได้ปฏิบัติไปปฏิบัติทำบนเขาว่าอ<ม> <laughs> าจารย์ทั้งไม่ทามันมีย่งไม่ลำกวนรออยู่ค่ะรอรุต่ตออยู่ที่ใกล้ๆก็มีเนี่ยที่เวอร์จิเนี่ยมีว่าของลูกศิษย์น้องตามาบวัวพระผาหลังชื่อตาจันติก วันเมื่อเดือนก่อนช่วงประมาณสองเดือนที่แล้วค่ะโยมไปอีกวัดหนึ่งที่ไม่ไกลจากดีซเท่าไหร่พอดีเขาเหมือนกับเป็นวัดที่สร้างมาสำหรับเป็นโบสถ์อุโบสถของพระยานสังวรด้วยค่ะเ ป, เป็นเครือข่ายแล้วแล้วก็มีญาติพี่น้องออออกรยานามิตรคะ่ะท่านก็บอกว่าทางวัดของหลวงพ่อดิด็กๆนี่ยังไม่เปิดเพราะว่าโควิดก็เลยโยมก็เลยคิดว่าถ้า ง, งั้นก็ไปทางวัดนี้ก่อนแต่ ยมจะติดลูกเพราะลูกเขายังเขายังไม่วัยรุ่นหุดหิดวุ่นวายอยู่กับพระเจ้าลองชวนเข้าไปด้วยลองชวนาไปด้วยง่ายายนะฮะใช่ค่ะทั้งนนี้มีญาติอยู่ทางลูกเข้ามาฟังกันทั้งหลายคนอือยมเห็นเราดีใจด้วยอค่ะดีใจที่เอกสนใจยมยมพาลูกบาศก์แล้วก็ไปเอ่อเหมือนกับไปกิจกรรมทั่วๆไปก่อนนะคะเหมือนเขายังไม่ introduction ไปใช่ ค่ะยมก็ค่อยๆสอนไปทีละนิดทีละนิดก็ขอให้เขาเข้าใจค่ะวันนี้ยมเก็จะเอาไม่เอาเขาไปหนึ่งของเขาเนีอย่าไปวิตกกันมากใช่ไหมยมยมก็แอบกุ้มใจครับว่าเหมือนกับเด็กรุ่นหนูไม่มีศาสนาเขายังไม่เชื่อทั้งทั้ที่เขารู้ว่าอะไรคือความดีความเชื่อความความดีความดีแล้วก็เราก็พยายามพาเขาไปให้เห็นว่าการทําดีเนี่มันไม่ได้จําเป็นว่าจะต้อง ใช้ความเชื่อทั้งหมดเชื่อถึงพระเจ้าหรืออะไรอ่่ <g> um> อาหเก็ไม่ชอบศาสนาเพราะศาสนาไปวิดลอนสิทธิของเขาสิทธิที่จะกินจะเดินจะเที่ยวจะเล่นอะไรขเข า, า, าไม่ชอบศาสนาเขายังไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วศาสนาของชีวิตอยู่ในใชีวิตประจำวันเายัางไม่เข้าใจอะค่ะแล้วก็ยุ่งก็ได้แต่ให้เขา <g> um> ใช้เวลาไปต่อให้เขาโตขึ้นแล้วเขก็จะเรียนรู้แบ พอาจารย์กบขอบพระคุณพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงตลอดไปเลยนะคะกลาบนาเชิจ้าไปที่คุณชาญวิทย์ต่อชาญวิทย์ีที่ไหนมือได้ไหมได้ขอบคุณนี่รมอยู่ข้างหาได้ไหมอ่ได้ไดได้ได้ครับกับนรรมศาสร์การพระอาจารย์ครับ อยู่ที่ไหนอ่าอยู่ที่นครพนมครับอ่าเคยเคยมากับนักปฎิการท่านพระอาจารย์ครั้งหนึ่งแหละครับกับแม่บ้านครับมีอะไรไหมก็มีคําถามที่จะเรียนเรียนถามพระอาจารย์ครับอ่าพอดีมีพระบางบางรูปท่านบอกว่าก่อนที่จะทำสมาธินะั้นจะต้องอธิษฐานจิตก่อนทุกครั้งอ่าอันนี้จําเป็นหรือเปล่าครับเพราะบางทีผมกาพุโทโธพุโทโธเลยแล้วนะอาจารย์ พอมีเวลาว่างครับคือคำว่าทิฐานนี่มันมีหลายความหมายความหมายทางศาสนาที่แท้จริงคืความตั้งใจครับกอนที่เราจะพูดโทรได้เราก็ต้องตั้งใจนะต่อไนนี้จะพูดโทรพูดโทรแ ล, แ, ลแล้วเราก็ทำไปเลยครับต้องต้องอธิษฐานจิตทุกครั้งใช่ไหมครับท่านอาจารย์ว่าเราจะนั่งสมาธิเพื่ออะไรอไม่ เ, ร, เราอาธิษฐานเพื่อให้เราได้ทําในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำครับท่านนั่นเอง ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอธิษฐานแบบว่าพระพุทธเจ้าจะทําอย่างนู้นทำนี้เพราะเหมือนกับเราอยากจะกินข้าวนี่เราก็อธิษฐานแล้วเราก็ตั้งใจจะกินข้าวครับเพราะเราอยากจะนั่งสมาธิเราก็ตั้งใจนั่งนะครัไม่ต้องทําพิธีอะไรนั่งไปเลยครับท่านพระอาจารย์ครับพอดีแม่บ้านมีคําถามครับอ๋กอการราชการพระพอาจารย์พอดี ลูกก็มากราบนมรดการพระอาจารย์เนื่องในวันปีใหม่ในปีอันนี้นะคะเพราะว่าปีที่แล้วทัุงพวกพระอาจารย์ไปปีนี้ก็มากราบขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็ก็ เ, เป็นกําลังใจในการปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ขอให้สมกันเจริญมาก ย, ยิ่งขึ้นไปทัทง้ทงทงัทง้ทงโถกและทั้งทั้งนะ ส, สาธุ ส, สาธุคับพระอาจารย์ครับก็จะพยายามเข้ามากราบพระมรดการพระอาจารย์ทุก วันพุธเจ้าค่ะพอดีวันนี้สวดมนต์ไหว้พระดึกก็เลยเข้ามาดึกเจ้าค่ะม่เป็นไรเรายังเหลือเวลาครึ้นชั่วโมงเนี่อ๋อเจ้าค่ะอานนี้จะไปก่อนนะเดี๋ยวไปที่ด้านต่อไปได้กลับสาธุกับท่านอาจารย์ครับคุณสุพ็งนสุเ พ, พ, <ถ>พ็งสุเพ็งอยู่ที่ไหนกลับนรสัรสการคจ้าค่ะพระอาจารย์อ่าอยู่ที่ไหนอยู่ลำศิษฐค่ะลำศิษฐเจ้าค่ะ พระอาจารย์เจ้าค่ะจะขออนุญาตรายงานอผลฟังธรรมพระอาจารย์นะคะ hmm. เข้าไปวันอาทิตย์แล้วก็ได้ฟังธรรมแล้วก็บางทีก็เปิดฟังวันเนี้ยได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับตั้งจิตอธิษฐานพระอาจารย์บอกว่าถ้าอยากจะเข้ามาฟังธรรมให้ตั้งจิตอธิษฐานก็ลองทําดูวันนี้ปรากฏ hmm. ว่าสําเร็จเจา้าค่ะ มันอยูที่คาตั้งใจถ้าเราตั้งใจจะทำอะไรเราก็ทำได้ถ้าเราไม่ตั้งใจเราก็จะไม่ทำคุณค่ะเพราะว่าปกติชอบมานั่งฟังตอนหลังอตอนหลังจากไม่ไม่เคยเข้ามานั่งฟังสดอย่างนี้ค่ะดีตั้งนะครับตั้งใจก่อนจะทำอะไรได้ต้องตั้งใจนะค่ะพวกนี้จะใส่บาตรนี่เราก็ต้องตั้งใจแบบ น, นี้ถ้าพวกนี้ช้าเราก็รีบถึงกันม า, าไปใส่บาตรทำนะ ถ้าไม่ตั้งใจก็บางทีตื่นขึ้นมาไม่รู้จะทําะไรก็นอนต่อเพราะไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรเจ้าค่ะก็ตั้งมั่นที่จะทำมันคือคำอธิษฐานคำอิษานนั้ น, นตั้งใจไม่ได้ขอบางทีบางท่านที่ว่าอธิษฐานคือขอขอให้นั่งสมาธิแล้วได้เห็นฌานได้รูไ้ได้นี่ไม่ไม่ใช่ขอไม่ได้ต้องทําเองทำแล้วมนันก็จะตามเลยเจ้าค่ะก็ เรียกว่าพระอาจารย์เมตตาสอนก็ได้ทุกวันนี้ก็แบบว่าเออก็ไม่อยากอะไรเงี้ยก็ดีขึ้นค่ะมีครับรู้สึกว่าเออพอเราไม่อยากเนี่ยมันก็มีอะไรมาอะไรเงี้ยเราก็ได้เราก็พอใจอันนี้ที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือเอ่อเรื่องการปฏิบัติก็พยายามตั้งสติตลอดแบบคือเวลาคิดนู่นคิดนี่แล้วก็พุทโธก็รู้สึกว่าก็ดีขึ้นคือแบบ สบายใจขึ้นเยอะค่ะใจว่างขึ้นใจเ็นไม่หนักห อ, อกหนักใจคำเรืองราวต่างๆใช่เจ้าค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็พยายามที่จะภาวนาแต่ยังรู้สึกขี้เกียจอยู่กิเลสเยอะกว่าก็นั่งเฉยๆแล้วก็ดูลงไปแล้วพูดโทไปไม่เห็นยันากอะไรมันไม่ตื่นนะมันชอบชอบนอนมากกว่าเมื่อเวลาเวลาที่ตื่นนั่นเองเวลาตื่นขึ้นมาแล้วไปทําเจ้าค่ะ เนีย่ยเช่นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวเข้าไปนั่งต่อได้เล ย, เ น, ยนั่งหลับตาแล้วก็ดูลมายใจเ้ออกไไม่พุโทโธพุโทโธเลไม่ยากค่ะทําให้ติงใจทําเป็น่าจะติดใจต่อไปจะทาได้มากขึ้นบ่อยขึ้นเจ้าค่ะจะทําตามอยูีความตั้ ง, <า>งใจอยู่ที่ความตั้งใจวิธีอธิษฐานแล้วต่อไปนี้จะนั่งสมาธิาเดี๋ยวเริ่มจากจากนี้แล้วก็ไปนั่งเลยตอนนี้ พอคุยเสร็จก็ปิดเครื่องแล้วไปนั่งหน่ยก็ได้เจ้าค่ะขอบพระคุณอาจารย์ที่เมตตาเจา้จาค่ะขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะเ จ, จ้ า, า, จ า, าค่าะสาธุเสาธุค่ะพรธาต่อจากเปนอน <c oughs> น้องจากรันครบนับหลวงตาอ่เอาเดียวตอนนี้ยังมีกิเลสกับอะไรก็บบ ก็อาหารก็ลดลงเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าขาลูกก็พิจารณาแล้วก็แล้วก็วันตอนนี้วันพักก็คือวันพุธแล้วก็วันพักได้โดยอัตโนมัติที่สามีเขาเขาคุยกับเพื่อนเขาว่าอวันนี้ไม่ได้นะจะถ่ายข้านองบ้านไม่ได้วันพักเขาจะสนครับลูกก็เลยยึดไปยึดเลยเจ้าค่ะเจ้อง่ะก็เลยก็เลยยึดเลยได้สองวันแล้วก็ โอ้ยหลวงพ่อจาาะถามเมื่อวันพาร์ทที่ผ่านมาเจ้าแบบมันก็กืนกักิเล็นะค่ะ ก, กืนน้ํำลายคืนน้ำล <น S 1> าย ไ, ไ, ไม่เป็นไรแหละกืนได้น้ําลายก็ต้องกืนอยู่แล้วเจ้าค่ะเพราะว่า <S <S ถ้าเราจะเข้าห้องเลยเพราะว่าอ่ลูกเขาก็เหมือนเขาก็จะเหมือนคุยมิสติ้งอะไรเวลาทานอาหารเราก็เลยก็เลยก็เลยก็เลยนั่งแล้วก็ฟังเขาคุยกันแล้วก็นั่งฟั ง, <S <S งแล้วก็ก็นั่งคืนน้ําลายไปก็รู้หนอ รู้หนอน้ำลายไหลเนาะอยากหนาะจะค่ะมันแบบว่าต่อสู้กิเลสแบบมันไม่ได้ง่ายเลยเจะค่ะรู้เลยว่าโอ้กิเลสคนนี้เนาะเวลารักษาศีลต้องอยู่คนเดียวจะดีกว่าถ้า อ, อยู่ใกล้คนที่เขาไม่รักษาศีลเนบบลี่ยก็ตบะแตกเจ้าค่ะรู้เลยว่าคืออย่างอย่างลูก็มีความรู้สึกว่าตัวยากยากอย่างแบบ เรื่องสวยเรื่องงามเรื่องอะไรเนี่ยมันยากสําหรับลูกแล้วทําไมลูกกับทําได้ทีที่หลวงพ่อเทศวันนี้พวกนี้แบบอุย้ยเรานี่โ ง, ง่มากเลยแล้วแบบทันทีเลยแม้แต่ลูกหรือสามีบอกเฮ้ยเธออะไรเงี้ยใจมันไม่ได้อะสําคั้งหลวงพ่อใจมันไม่ไม่ไม่ไม่ใจมันไม่รับไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่อยากอะไรเลยแล้วก็แต่ตอนนี้อาหารหรือเรื่องอาหารแต่ว่าอาทิตย์เนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยลูกแบบว่า ก็ก็ก็เบาบางแล้วก็ได้มาสองวันแล้วก็ก็เริ่มรู้สึกแบบมันก็ผ่อนคลายเจ้าค่ะแต่ก็ปฏิบัติทั้งวันอย่างวันนี้ก็เช้าก็มาน้ําส้มคันแล้วก็ออกแล้วลูกหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกปรับเวลามาค่ะอย่างวันนี้เจ้าค่ะเพราะลูกว่าปฏิบัติตั้งแต่เช้าใช่ไหมคะจนออกออกจากสมาธิมันมันเที่ยงครึ่งจะบ่ายโมงแล้วอย่างเงี้ยค่ะเจ้าค่ะแล้วลูกเพิ่งมาทานอาหารเช้าแล้วลูกก็เลย ล่นมากถึงถึงตอนบ่ายโมงอะจะอย่างนี้ได้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะถ้าถือสินแบก็ไม่ได้แล้วเพราะหลังจากบ่ายบ่าบ่ายหลังจากเที่ยงวันแล้วก็หมดเสร็จแล้วแล้ว่าจะมือไหนเจ้าคะ่ะก็คือต้องเที่ยงตรงเปียกหออลังจากเที่ยงแล้วก็หยุดแะ้กินไม่ได้ค่ะหลวงพ่ออย่างนั้นลูกก็ต้องทานก่อนเพราะว่าอย่างมาเมื่อเช้าลูกทานเลยทานน้ําส้มคัออ้นแก้วเดียวเชาแล้วก็นั่งปฏิบัติแล้วมันนั่งยาวไปเลยอะค่ะมาดูเวลาเอ้า เทียงครึ่งเราหลองก็เลยรีบรีบรีบออกแล้วก็แล้วก็มามาทานประทานแล้วก็มองเวลาเอ๊ะแล้วก็ถือว่าก็ถือว่าผิดผิดข้อนี้ไปแต่เขาไม่ร้ายแรงเพราะว่าเราไม่มีเจตนาเพราะที่เรเผลอเจ้าค่ะเพราะว่านั่งสมาธิยาวยาวไปอะค่ะมาดูเวลาเอ้าเลยเจ้าค่ะขอบพรคุณเจ้าค่ะหลวงพอเจ้ค่ะพระค่ะเจ้าค่ะของพระคุณค่ะหลวงพ่้นะ น้ำส้มนี้เดือดไดทั้งวันนะน้าน้ำส้มนเดือเวลาไหนก็เดือดได้อ๋อาข้าหลวงพ่อ ต, ต้องไม่มีกาดนะต้องไม่มีเนื้อต้องมีแต่น้ตัดน้ำส้มอย่างเดียวเจ้าข้าหลวงพ่อกาดเขาโอเคใครอาไรที่ไม่ใอไที่ยังไม่ได้ถามในห้องนี้คุณอาพเออีกครั้งนึงาเชิญรับไปเอาอ่ออาอพูดได้เลยรัชกาลค่ะ หนูไปหนูไปปฏิบัติมาค่ะตอนปีใหม่เลยหายไปประมาณเดือนหนึง่งแล้วอ้าอนหนูไปปฏิบัติแล้วเหมือนกับว่าเขาไม่อยากให้หนูเข้ากลุ่มด้วยอะคะ่ะเหมือนกับว่าเขาจะให้ปฏิบัติเองแล้วก็แต่เรื่องของเรื่องคือเวลามันปฏิบัติเองมันไม่มีคนที่จะมาสอมสภาวะหรือว่าให้คำปรึกษาได้หลังจากที่ที่มันมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินะคะ ก็ก็าถามว่าทาไมทําไมหนูปฏิบัติกับเขาไม่ได้ถามว่าดึงมีเหตุผลอะไรที่เขาห้ามให้เราปฏิบัติกับเข า, เ พ, าเพราะว่าหนูเ อ, อเขาให้ปฏิบัติทีละครึ่งชั่วโมงเดินครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงแล้วบางทีเวลาหนูนั่งหนูจะนั่งยาวยาวเสร็จแล้ว ถามว่าครึ่งชั่วโมงหนูรู้ไหมว่าเขาเขาเขาเปลี่ยนแล้วหนูรู้แต่ว่าหนูยังยังดูอยู่ยังนู่นยังนี่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันมันมันมันติดว่ามันออกไม่ได้ถามถามว่าว่าออกเลยได้ไหมมันสามารถออกเลยได้แต่หนูรู้สึกว่าหนูจะต้องใช้ใช้แรงใช้พลังงานเยอะแล้วมันขัดกับ กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่นะตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะอ่าก็ถ้าแบบนี้เขาก็ไม่ให้เราปฏิบัติกับเขาเดี๋ยวเราทำให้มันเป็นเข า, าใช่ใช่หนูก็เข้าใจ อ, อันนั้นหนูเข้าใจแต่ว่าเรื่องของเรื่องคืออย่างเงี้ยเวลาหนูปฏิบัติเองเงี้ยแล้วหนูวิ่งไปบอกเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างหนูก็จะโนจะโดนฟีดแบ็มาในอีกรูปแบบหนึง่งคือเวลาไปบอกวิ่งไปบอกหลวงพ่อหลวงพี่ต่างๆใช่ไหมคะ่ะ เขาก็จะบอกในในแง่ที่ว่าคนอื่นนะคะมันไม่สํารว้มันไม่เหมาะสมเพราะว่าบางอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะหนูจะต้องกระซิบกระซาบในการบอกอ่ะคะมันก็เลยบางทีไม่ควรไปบอกใครเลยเรื่องการปฏิบัติทั้งหมดมันจะเก็บไว้เฉพาะเมืนอเรื่องส่วนตัวเข้าใจไหมไม่ต้องไปบอกใครบอกเ้าทําไมบอกก็ได้เลย หนูหนูรู้มันมันก็ใช่ในบางส่วนแต่ว่าบางส่วนมันก็รู้สึกว่าอย่างเขาพูดมาเออมันมันเหมือนกับว่ามันตรงกันหรือว่าบางทีมันเออใช่แค่นี้นิดเดียวเองนี้เราก็เราก็จบจากเรื่องนี้เราก็ไปดูเรื่องอื่นต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีมันมีมันมันจะมีจุดหนึ่งที่หนูติดอยู่อยู่หลายเดือนหนูครึ่งจะมา มาได้เมื่อวันสองวันนี้ก็คือหนูจะมีอาการที่ว่าสภาวะร่างกายอ่ะมันไปเสร็จ แ, แล้วเนี่ยพอสภาวะร่างกายไปเนี่ยเออมันจะทำในในกลุ่มใหญ่มันจะดูไม่ดีในในในรูปแบบของอาการที่มันออกมา แล้วหนูก็เพิ่งหาคำตอบได้ว่ามันเกิดจากอะไรเสร็จแล้วเนี่ยการที่หนูจะต้องปรับเพื่อไม่ให้อาการเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะ่ะหนูจะต้องดึงหนูหนูใช้คำว่าดึงลมจะปกติเนี่ยเวลาที่เราปฏิบัติเราจะตามดูลมใช่ไหมคะ หรือว่าอะไรที่มันมันมันพ้นจากการดูลมแล้วเนี่ยมันไปต่อจากนั้นแล้วแล้วก็เราก็ไปตามดูอะไรพวกนั้นแล้วเราก็เค่อยๆวางทีละอย่างทีละอย่างอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ว่ามันถึงจุดที่ว่าพอพอมันตามดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยร่างกายมันไปด้วยเพราะว่าอะหนูหนูพูดได้ไหมเนี่ยคือหนูหนูรู้สึกว่ามันมันไปแล้วมัน สภาวะร่างกายหนูมันไปเพราะว่าหนูยังติดอยู่ถามว่าหนูไปโดยที่ไม่ให้ไม่ให้ร่างกายไม่กระทกกับร่างกายได้ไหมหนูคิดว่าหนูทําได้แต่เหมือนกับว่าหนูก็ยังกล้ากลัวว่าจะไปดีหรือจะไม่ไปดีอยู่ก่อนแล้วก็ร่างกายมันก็เลยไปไปทํานั้นอะไรเงี้ยคก็เลย ห น, หนูก็พูอแล้วก็งงๆไม่รู้ว่จะบอกว่าไม่รู้ว่าจะา <c oughs> คำถามยังไงดีแต่ก็คือเขาคขาคำถามมันคือประมาณว่าเวลามันเกิดอะไรขึ้นตอนเนี้ยหนูไม่สามารถที่จะปรึกษาเขาหรือว่าไปบอกสภาวะเขาเพราะว่าหนูกําลังโดนฟีดแบ็กกลับมาว่าสิ่งที่หนูไปบอกเขาอะ่ะมันต้องกระชิบกระซาบบอกมันทําให้เกิดภาพลักณ์ที่ไม่ดีต่อเขาหนูก็เลยไม่อยากที่จะวิ่งเข้าไปหาเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็มไม่ต้องหาสิก็ไม่ต้องหาแ้วเราก็ปฏิบัติของเราไปมันมนีก็ต้องอยู่ในสภาวะที่หนูก็ต้องเรียนรู้ไปเองเรื่อยๆอย่างนี้ใช่แต่เท่าที่ฟังมานี้หนูรู้สึกว่าจะปฏิบัติไม่ถูกนะถ้าปฏิบัติถูกมันจะไม่มีภาวะต่งางๆเหล่านี้เกิดขึ้นจิตหนูไม่มีสติคอยควบคุมจิตใจตลอดเวลาใช่ค่ะเพราะว่าหนูปล่อยหนูปล่อยให้มันเกิดปล่อยก็เป็นอย่างนี้ถ้าปล่อยก็เป็นอย่างนี้ทั้งก็ไม่ถูก แล้ไม่ได้ผลที่ควรจะได้คือความสงบใช่ถามว่าเป็นความสงบใหมไม่ไม่ได้เป็นความสงบแบบนั้นเพราะว่าถ้าอย่างเมื่อก่อนหนูทําอย่างเงี้ยหนูจะไม่มีอะไรเลยหนูจะแบงก์ไปเลยมันจะเข้ามันจะเข้าสมาธิไปเลยออแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยมันได้อีกแบบหนึง่งหนูก็เลยไปดูในอีกรูปแบบหนึง่งก็จแล้แบบนี้มันก็เลยอาจจะทําให้เราเป็นบ้าได้เสร็จแล้วเสร็จแล้วตอนนี้หนูก็เลยเหมือนกับว่า ทำไมคือมันจะย้อนมันกลับเข้ามาในสมถะหรือว่าเข้าฌานได้นานขึ้นอย่างเงี้ยเหมือนเมื่อก่อนมันหาช่วงเวลายอย่างนั้นแ่ะยากไม่งั้นคือหนูต้องทำข้ามคืนจนร่างกายมันมันไม่มีสติสตังที่ไปตามดูหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะกลับมานิ่งแล้วมันก็จะไปอ่ะฌานเข้าหลุดเข้าหลุดเข้าหลุดก็เข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆจนมันข้ามคืนได้อะไรเงี้ยค่ะ ก็ <Okay. S 2> อะไรประมาณนั้นโ okay. อเคท่านที่ก่อนนะั้นเดี๋ยวก็เราฝึกให้มีสติให้จิตมันนิ่งดีกวนะ่านอย่าไปอย่าไปรับรู้อย่าไปเห็นอะไรจิตนว่มากจิตสงบดีกว่าปลอดภัยใช่ฮะให้จิตสงบหนูก็ต้องต้องดึงลมเอาเอา่าดูลมไปอย่างเดียวนะกอดติดเขาลงไว้ อ่าค่ะโอเคสวัสดีคุณนัทธรรดีดชัคุณนัทธวดีสวัสดีค่ะหลวงพ่อนามสกันกกค่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่สมุทรปราการค่ะสมุทรปราการมีคำถามอะไรไหมวันนี้ไม่มีคำถามอะไรค่ะแต่ได้แต่ติดตามมาตลอดแล้วก็รวบรวมความกล้าเข้ามาในห้องจะมากราบขอขงพ่อเฉยๆค่ะกือ นี่บางทีห้องนี้ก็ไม่มีเสือให้น่ากลัวสนามไม่มีเสียกัดแล้วน้อง้น้องรวบรวความกล้าเลยรอบก็เข้ามาฟังทุกครั้งแหละค่ะภาษาอังกฤษก็ฟังเดี๋ยวคุณหมอวีก็ฟังแล้วก็ทุกวันก็เปิดฟังไปเรื่อยๆค่ะทำให้จิตใจสบายดีขึ้นเด็กขอดูตามต่อไปนะค่ะขอบพระคุณค่ะ คุณสบั า, ายกมืออ่ะใคุณจุบนาปดย้ า, ายบบาที่ขอบขอบขอบ ค, คอบขอบขอบีอบขอขอบขอบขอบขอบขอบขอบาอบขอบขอบาอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบจอาขอบขอเขอบขอบขอบขอบขอบขวบขอื่อบขอบข่บขอบขอบขอบ่คบขอบขอบขอบขอบขอบขอบนอบขอาขอบขอบ่อบขอบขอบ็อบขอบขอบขอบขอบอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบอบขอบขอบขอบขอบบบมันขอบขอบขอบขอบขอาอบขบบขอบขอบอบบอ มันเย็นมากๆเจ้าค่ะตั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นด้วยสองครั้งที่นั่งนะเจ้าค่ะแต่ว่าไม่ได้รวมนะเจ้าค่ะแต่ก็คือพุทโธแล้วมันก็เย็นนะเจ้าค่ะมัน<ช>ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะมันจะเป็นความสงบเป็นแบบอ๋อก็คือยังเห็นคือมันเห็นความความคิดแต่ว่าเราก็อยู่กับพุทโธ<ช>มันก็ <ๆ S 1> เหมือนกับมันเย็นกลางแล้วโอบแบบพุ่งออกมาเจ้าค่ะใช่ใจเย็นใจสบายก็ใช่ได้ แล้วคะ่ะก็คือเราก็แค่เหมือนกับว่ารับรู้แค่รู้เฉยๆไปแล้วก<ม>็ถ้ามีความจะเป็นจะคิดเรื่องอะไรก็คิดไปได้อ๋อเจ้าคะ่ะแล้วหลังจากนั้นวันนั้นถัดมามันก็รู้สึกมีความสุขแบบคือไม่ได้ความสุขในนั่งสมาธินะเจ้าคะ่ะคือความสุขที่แบบเราทั้งวันนะเจ้าคะ่ะ<ต>ประมาณอยู่สองวันมีสติจีสงบมันต่อเนื่อง แล้วค่ะสุขมากสุขจนกระทั่งแบบเช้าวันเสาร์ตื่นมาแล้วน้ําตามันไหลแล้วนึกถึงหน้าพระอาจารย์ว่าแบบมันเป็นสุขที่แบบไม่เคยสุขแบบนี้มาก่อนน<ช>่ะเจ้าค่ะความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ปวดนั่นติสันติปราลสุขทั้งอ๋อใช่จ้ถึงแม้ว่าจิตยังไม่ได้แบบนั่งแล้วนั่งแล้วจิตยังไม่ได้รวมแบบไม่ได้เป็นตั้งรวมกันไปดันมีหลายรูปแบบด้วยกัน เจ้าค่ะค่ะทูเจ้าค่ะโอเคไม่ใช่ความคิดปรุงแต่งรู้ยังคิดแบบจะคิดปรุงแต่งได้ยังไงมันมีสุกแบบนี้ตั้งสองวันแต่หลังจากวันหลังจากสองวันนั้นก็ก็กลับสู่ปกติอะเจ้าค่ะถ้ามันไม่คิดในทางกิเลนมันจะไม่ร้อนะถ้าเราไปคิดถึงทางกิเลนเดี๋ยวมันก็จะร้อนขึ้นมาได้แล้เจ้าค่ะแล้วพอแล้วนะเรามาทําให้เราสังเกตถึงว่าวันไหนที่จิตหดหูแล้วก็วันไหนที่มันไม่หดหูแต่ก็แค่รู้เหมือนที่พระอาจารย์สอนคือแค่แค่รับรู้เฉยเฉยนะอาจารย์มันน้าตา เจ้าค่ะแต่สูกจริงๆสูกแบบไม่เคยสูบมาก่อนไอ้ชงนี้ก็ผ่านไปถ้าอยากไปอยากก็จะทุกขึ้นมาได้ต้องทใหม่ต้องทาก็เหมือนเดิมใช่ไหมเจ้าค่ะก็คือให้ให้เหมือนเดิมก็คือสติ สมาธิปัญญาคือฝึกอย่างเงี้ยตลอดตลอดตลอไปเรื่อยๆจนกว่าเจ้าค่ะเจ้าค่ะกล่าวขอบพระคุณเจ้าค่ะเพื่อความแน่ใจว่าถูกทางแล้วจะได้บอกบบเพียงต่อบไปเรื่อยๆแต่มันเกิดขึ้นมันก็ดับได้นะมันใช่เจ้าค่ะไม่เป็นไรงั้นเราก็ทำขึ้นมาใหม่ก็ทำทำไปเรื่อย เจ้าค่ะพอเกิดก็นึกถึงตรงที่พ่อจันบอกว่ามันจะไม่อ น, นิจจังเดี๋ยวทุกก็มาให้คิดทางด้านทุกด้วยก็คือเตรียมรับกับทุก์มันจะสลับไปสลับมาแบบนี้เจ้าค่ะใช่เตรมตัวรับกับความไม่เทีย่ยงในของเชื่อขาวทุกอย่างถึงแม้จะเป็นความสุขอย่างยิ่งก็ยังเป็นความสุขแบบชั่วค่าวเจ้าค่ะแต่เป็นกําลังใจที่วิเศษมากเลยเจ้าค่ะเหมือนว่าผล ป, ปล่อยมันนิดนึงว่าแบบเออไปต่อนะไปต่ออ่เนี่ยแหละอันนี้ตันนี้เราคิดทำให้เรา ม, ามี มีหลางใจมีฉันท์้ามีเนื้อกิจามีมังสาเรานีจะไม่อยาจะทาอะไรแล้วอยากจะปฏิบัติอย่างเดียวเจ้าค่ะสุขจริงๆเจ้าค่ะก็จะขยันทำเพียรไปเรื่อยๆเจ้าค่ะก็ค่ะการของสมายพุธการเี่ยมีเศรษฐีคนหนึ่งไปยบวนพอเจความสมบัตินี่เดินไปไหนก็ท่องก็บวนว่าสุขเนาะสุขเนาะสุขเนาะ คนเห็นเลยรู้ก็เกือบไอ้พานี้ไม่มีสติหรือเปล่าเสียงสติหรือเปล่าทำไมเดินแต่ฟอมุมุตะเจ้ามุกมะเจ้าเราดูไปสาบเขาก็บอกว่าจิตผมเมื่อก่อนมันไม่เป็นอย่างนี้ผมเป็นเศรษฐีมีเงินเยอะแยะไม่เคยเจอพานสุดแบบนี้เลยพอเจอพานสุดแบบนี้เรามันอดที่จะอุทานออกมาไม่ได้โอ้สุกเนาะสุกเนาะเนาค่ะอยู่สองวันจนบอกสามีว่าไม่รู้จะบรรยายความสุขอย่างนี้แบบไหนคือมันสุขจริงๆสุขแบบ <emás S 2> ส <expressions S 1> ุขแบบเหมือนว่าเราอยู่ในโลกแต่เราก็ส oh, ุขแบบโอ้ยแบบไม่รู้จะบรรยายยังไงบอกเขาเหมือนกันเจ้าค่ะบรรยายไม่ถูกความสุขนี้เจ้าค่ะความสงบละนะได้พก่แล้วเอ้ค่ะดีเจ้าค่ะคำต่อไปนะการที่ทำแล้วนั่งผ่านไปนะอย่าไปอย่าไปอยากทำบันึกขึ้นมาใหม่เจ้าค่ะแล้วเพียงต่อไปเรื่อยเจ้าค่ะขอบขอบขอบคุณพระอาจารย์อย่างที่สุดเจ้าค่ะสาธุสาธุ ตอนนี้ไปที่เฟซบุ๊กเหลือแค่ประมาณเจ็ดนาทีคุณคุณล่าเชิญมีคำถามจากทาง Facebook และ YouTube ทั้งหมดยี่สิบคำถามค่ะอะไรว่าอเล ย, เเลยคำถามแรกจากคุณอ n n e r l e a r ล e รกราบนมัสการครับขอโอกาสครับขอพระอาจารย์โปรดเมตตาแนะนำสั่งสอนเรื่องการทำวสีด้วยครับกราบขอพระคุณครับ เ, เรื่องวสีนี่เราไม่รู้จริงๆไม่รู้ ความหมายยังไม่รู้ว่าลว่าอะไรเลยต้องข อ, อไปด้วยนะไม่ได้เรียนมาทานี้เรียนแต่ทางทุตโธเรนแต่ทางอนาพนสติมาคำถามที่สองจากคุณโฟนิกรูปฌานและรูปฌานคืออะไรเจ้าคะก็เป็นความสงบของจิตที่มีความละเอียดมากน้อยต่างกันไปรูปฌานก็เป็นความสงบความสงบในระดับในในระดับที่ต่บหว่ารูปฌาน อารมณ์ประชาชนี่เป็นความสงบที่สูงกว่าที่สงบมากกว่ามีสองคำถามเป็นภาษาอังกฤษเจ้าค่ะคำถามแรกสองคำถามนี้จากคุณเบนิสซ่าค่ะคำถามแรกคือ Is it bad karma not having good friends or family in this life? Thank you it, it is probably your your bad luck not not necessarily your your bad karma Because you can still choose. If you find that the people around you is not good for you, you can you can always change or move away from them. So don't don't don't don't think it's a bad karma. It's just a matter of uh, being in the wrong place at the wrong time. So if you know the people you a r surround with is not good people, then you should you should go go away from them. And, Try to look for people who are good people to live with or to, to associate with. If you have no choice, then you just have to to accept your fate for now. But things will change eventually. And the second question is, what karma caused people around me not f o n d s of me? Thank you. See, just being born. Once you are born, sometimes you cannot. You cannot direct where you're gonna be, be born. Whether you're gonna be born in a rich family or poor family, this is something you cannot you cannot direct. You cannot control. What you can control is your mind. You can, if you learn to teach your mind to to accept things as they are, then you can be anywhere and not be bothered. But if you cannot control your mind, Then you can become unhappy when you have to. If you have to be somewhere where you don't like, so what you should do is try to to to control your mind, to make your mind accept where you are. If you cannot leave, you cannot go away. Then just teach your mind to accept where you are now for now. And maybe later change and able away on things might change and you will able to, to move you be will to คําถามต่อไปจากคุณสมการปรับถามค่ะทําทานกับทําทบุญต่างกันไหมคะอ ะ, <coughs> ค อ, อะไรคือทําบุญอะไรคือทําทานค่ะ <coughs> คือทานเป็นเหตุบุญเป็นผลทานแปลว่าการให้เช่นให้เงินให้ทองให้ข้าวให้ของเรียกว่าเป็นการให้เรียกว่าทาน พอให้แล้ก็เกิดบุญคือผลขึ้นมาผลคือบุญบุญแปลว่าความสุขใจอีกใจนี่คือความหมายความหมายที่แท้จริงแต่สมัยนี้นรามากลับมาใช้ว่าถ้าให้พระเราก็เรียกว่าทำบุญถ้าให้โยก็เรียกว่าทำทานแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ความหมายอย่างนั้นความหมายคือทานเป็ น, านการกระทำแล้วก็บุญก็คือผลที่เกิดจากการกระทำ คือความสุขใจอิ่ใจที่เกิดจากการให้เกิดจากการแบ่งปันคำถามต่อไปจากคุณใบโกรธที่ค้างในใจทำอย่างไรคะเวลาคนทำร้ายจิตใจเราแล้วเขามาขอโทษแล้วโยมสามารถพูดคุยกับเขาได้แต่จะไม่สนิทใจเหมือนเดิมจะระแวงเผาแบบนี้เป็นความโกรธที่ค้างในใจเราใช่หรือไม่คะคนปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะ ก็พยายามอย่าไปคิดถึงมัอนอย่าไปคิดถึงเขาแล้วก็ถ้าอยากจะคิดถึงเขาก็คิดถึงส่วนที่ดีของเขาบ้างคนเราไม่มีแต่ส่วนเลวร้ายอย่างเดียวเราหาความดีของเขาดูเขาอาจจะเคยดีกับเราเคยทาร้ายกับเราถ้าดูความดีของเขาไปเรื่อยๆต่อไปแล้วว่าจจะเริมความชั่วร้ายของเขาได้ต้องใช้เวลาแพ้ใจนี้บางทีก็ต้องใช้เวลารักษา มันยังไม่หายก็ให้รู้ว่ามันยังไม่หายคำถามต่อไปจากคุณปั จ, จนชัยขอถามพระอาจารย์ครับเมื่อเราทําอาณาปาแล้วเราสงบแล้วกําหนดจิตแล้วจิตเห็นแสงเรากําหนดแสงได้แล้วเราจะโน้มเข้าปฐมฌานได้อย่างไรครับ อ, อ๋อไม่ถูให้ดูลมอย่างเดียวแล้วมันจะเข้าไปดูลมอย่างเดียวแล้วมันจะเข้าไปทั้งฌานทั้งสีระดับได้ คำถามต่อไปจากคุณกิจนัทวัฒน์กราบเรียนสอบถามพระอาจารย์ครับเรากําหนดคําบริกรรมโดยใช้บทสวดอิติปิโสในขณะที่เราทํางานอยู่หรืออยู่ในทุกอิริยาบถเพื่อให้เกิดสติเป็นวิธีที่ถูกต้องไหมครับถ้าเราไม่ต้องใช้ความคิดกับการทํางานแล้วก็ใช้อิติปิโสได้แต่ถ้าเราเวลาทํางานเช่นเราต้องคิดบางทีเราก็ต้องหยุดอิติปิโสไว้ชั่วครา แล้วก็อยู่กับการคิดบัญชีไปแทนคำถามต่อไปจากคุณมาร์กธนาพลกราบนมัสการพระอาจารย์ผมนั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าวูบเหมือนตกจากที่สูงคืออะไรครับก็เป็นเป็นการสงบของจิตเนี่ยแล้วจิตจะสงบมันต้องจะรู้สึกมีการการวูบม า, มาแล้วก็นิ่งเราให้มีสติรู้เฉยๆไปไม่ต้องตื่นเต้นตกใจ คำถามต่อไปจากคุณวรวีเวลาหนูนั่งสมาธิชอบมีมแมลงต่างๆมากวนที่หน้าตลอดเจ้าค่ะเวลาหนูไปนั่งที่ใต้ต้นไม้ เ, นนเจ้าค่ะขอคําแนะนําเจ้าค่ะก็ไปนั่งในที่ที่มันเข้ามาไม่ได้ถ้านั่งถ้ามีมุ้งมาอะไรก็กันมันการไม่ให้แมลงเข้ามาถ้าไม่มีมุ้งก็ต้องนั่งในห้องในบ้านนั่งในที่ที่เป็ น, าานห้องที่มีมุ้งลวดป้องกันสัตว์แมลงต่างๆเข้ามา คำถามต่อไปจากคุณพันนาพรหลวงพ่อเจ้าคะอยากทราบว่าก่อนตายเหมือนกันหลับหรือไม่คะก่อนตายก็เหมือนกันเหมือนกับตอนที่เรายังไม่หลับนก่อนที่เราจะหลับเราก็นอนอยู่นะแล้วเดี๋ยวพอเราหลับเราก็เราก็เหมือนตายตเลยเวลาตายก็เหมือนกันก่อนจะตายก็เหมือนกันก่อนที่เราจะหลับนั่นเอง คำถามต่อไปจากคุณทิจิตจังจะฆ่ากามรมาลาคะให้หมดไปต้องเริ่มจากตรงไหนครับต้องพิจารณาอาการ32ของร่างกายดูอาการต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังนั่งเห็นแต่ข้างนอกมันก็ทำให้เกิดกามรมาลาคะพอถลอกนันเข้าไปดูข้างในเห็นข้นอกะดูเห็นปอดเห็นลำไส้เห็นตับเห็นไ ต, ตกามรมาลาคะก็จะหายไป คำถามต่อไปจากคุณโดรากราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเวลานั่งฟังธรรมควรภาวนาหรือควรตั้งใจฟังเจ้าคะควรตั้งใจฟังไม่ต้องภาวนาอะไค่ะำถามต่อไปจากคุณอรณนิชาน้อมกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกขอเนืญาติกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกเห็นบางท่านบริโภคปลาหมึกสดๆเป็นที่ฮิตกันในบางท่านเขาเรียกว่าตกหมึก ค่ะหนูเห็นแล้วสงสารปลาหมึกท่านที่บริโภคปลาหมึกสดๆนี้จะบาปไหมคะบาป่อไปเขาก็เอาไปเป็นตำนหคนหอ่อปปนก็วาลกคงกับคงเกวียนนะทำอะไรไว้เดี๋ยว ก, ก็ลำกับไปรับผลของกรรมนะั้นคำถามต่อไปจากคุณแต้อา น, นิษกลาบนมัสการถามพระอาจารย์ครับมีคนบอกว่า เลขโทรศัพท์มือถือที่มีเลขศูนย์หลายตัวทำให้ธุรกิจไม่รุ่งเรืองเกี่ยวกันไหมครับกราบสาธุครับอาไม่เกี่ยวแล้วไม่รุ่งเรือง ว, ว่าเราอาจจะทำไม่เป็นคนที่เขาทำไปเ่าล้่งหลวการทำไม่ถึกทำไม่เป็นมันก็ไม่รุ่งนรืองคำถามต่อไปจากคุณนิยมกราอาจารย์คะหนูเลี้ยงพ่อแม่อายุ85และ84 แต่แม่เกลียดแฟนหนูโดยที่เขาไม่ได้ทําอะไรให้เลยทั้งสาบแช่งดูถูกสารพัดไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรคะ่ะอาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมกเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันก็ได้ก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่ต้องไปสนใจคําถามต่อไปจากคุณมาลีรัตสามีลูกเป็นคนอารมณ์ร้ายพอเขาพูดอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือคนในครอบครัวพูดไม่ถูกใจ ถือมีดเข้าใส่ก็มีแต่ไม่ถึงวันเขาก็จะกลับเหมือนอารมณ์เดิมลูกเคยคิดจะหนีไปให้พ้นแต่ก็อดที่จะเมตตาไม่ได้คิดว่าไม่มีเราแล้วเขาจะอยู่อย่างไรก็เลยให้อภัยเขาไปลูกทำถูกแล้วใช่ไหมคะแล้วลูกจะมีเวรกรรมผูกพันกันอีกไหมคะทั้งชาตินี้และชาติต่อไปเจ้าคะ่ะพระอาจารย์เมตตาให้ทำให้ลูกเข้าใจด้วยนะคะ ถ้าเร า, มาเมตตาเขาก็จะไม่มีเวรมีกรรมต่อไปแทนที่จะเป็นคู่กัรมก็กลายเป็นคู่บุญไปคําถามต่อไปจากคุณกีรภรกราบเรียนถามค่ะปัญญาที่เกิดขึ้นมาเองโดยไม่ได้คิดปรุงขึ้นมาเป็นปัญญาที่พาให้เราพิจารณาอย่างละเอียดท่องแท้จนสิ้นสงสัยมักจะเกิดขึ้นตอนเช้าที่จิตนิ่งๆิ่งเป็นปัญญาแบบไหน ใช่วิปัสนาญาณหรือไม่คะถ้ามันสามารถดับกิเลสได้ดับความทุกข์ได้ก็เป็นวิปัสนาญาณคำถามต่อไปจากคุณเอก็กเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเพื่อเลี้ยงครอบครัวบาปมากไหมครับถ้าเราเลี้ยงทขาโดยที่เราไม่ได้ไปค่าเขาเราขายใขาคหน อ, อย่านี้มันไม่บาปแต่ก็เป็นอาชีพที่ไม่ควรทำเพราะว่ามันในการส่งเสริมไม่มีการฆ่าฝันกัน คำถามสุดท้ายจากคุณสุธีรัตกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับเวลาเราสวดมนต์นั่งสมาธิเราไม่ควรเปิดแอร์เลยหรือครับคือถ้าเราต้องการจะฝึกจิตให้เราร่วมกับสภาพธรรมชาติาไม่ต้องไปมีอะไรมามามาปรับธรรมชาติคนให้อยู่กับธรรมชาติไปสมัยพระพุทธเจ้านั่งสมาธิก็ไม่มีแอร์ นแต่ถ้าเกิดอยู่ในกรณีที่มันอยู่ในที่ที่มันร้อนอบอ้าวจริงๆนั่งแล้เหงื่อแตกภาพขึ้นมาเรามีเครื่อ ง, งปรับอากาศเปิดเพื่อบรรทเทาก็เปิดได้แต่กลัวมันจะติดเราไปเวลานั่งถ้าไม่มีเครื่อ ง, งปรับอากาศมันจะนั่งไม่ได้ถ้าเราฝึกฝกนั่งในแบบสภาพธรรมชาติได้จะดีกว่าเราเราจะอยู่ที่ไหนก็จะสามารถนั่งได้ปฏิบัติได้ วันนี้เวลาหมดพอดีนะท่านได้ยินยกมือขึ้นต้องขออภัยด้วยนะฮาทุกกว่านะเดีย๋ยพรุ่งนี้เช้าต้องตื่นไปบินบ า, าทนี่ไว้ี่หน้าค่อย่ากันใหม่นะขอให้ท่านทั้งหลายยงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิดนิมพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสดความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ